อาสวัสดีครับจเจรัญพรท่านสาธุชน ท, ทุกท่านวันนี้คุณสาธากามมาก่อนเนะชิคุณสาธากามเปิดเปิดไหมคะไม่มีคาถามค่ะมนเริ่มรับฟังค่ ะ, คะ ร, รับฟังเลย คุ enjoy เปไปไหม enjoy จากงอนเทบอรลีกับนวัตการค่ะไม่ไไมีมีอะไรสาวไม่มีอะไ ร, นะะไะไรแต่ว่าปีใหม่ปีใหม่ใส่บาตรเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่ก็เป็นตะบารเหมือนเดิมเมือ่อวานเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปใส่กับแม่ค่ะอ่าโอเคอ่ะเจ okay. อกัน ไม่ไมปสอนดีปีใหม่กัค่ะค่ะสระสุแต่ไม่มีเทศใช่ไหมคะยังไม่มีเทศอันนี้นก็เทศแต่ในสงนี่ปะค่ะค่ะสระุค่ะโ<ด>ยมหญิงวิไพลพรกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเอมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์คงพิไล จากตธมอค่ะกับมรสการพระอาจารย์ค่ะสบายดีนะมรสการพรอาจารย์ค่ะสบายดีพรอะอาจารย์สบายดีนะคะอะ่สบายดีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสใช้เวลาอ่านหนังสือเรื่องทารู้ในหลายๆตอนนะคะก็ะจะมีช่วงนึ่งนะคะที่มีความสนใจ เนื่องจากมีคนกล่าวถึงในหลายๆโอกาสเรื่องของปัญญาปัญญาสามขั้นสุตตมัยปัญญาจิณตมัปัญญาภาวนามัปัญญาซึ่งก็ก็พอเข้าใจนะคะแต่ว่าไม่เชิงละเอียดเพราะมีผู้นำเอาอไปใช้ในวาละต่างๆซึ่งก็ฟังดูแล้วก็จริงๆแล้วเป็นธรรมะที่ค่อนข้างจะจะลึกซึ้งนะคะาะจะกลับ ถามอาจารย์ว่าถ้าจะเข้าใจให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยอืมเป็นยังไงบ้างาค่ะไมายถึงเข้าใจอะไรทั้งปัญญาทั้งสา ม, มาคะคะก็เป็นเป็นวิธีทําให้เกิดปัญญาขั้นต้นเราก็ต้องอาศัยปัญญาที่เราได้ศึกษาจากพูดเอศึกษาจากพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าสุดตามัยาปัญญาเพราะสูตรต่างๆ ศึกษาจากพสูตรต่างๆเช่นธรรมจกกักรปปัตตานสูตรมงค ล, ลสูตรสติปัฏฐานสูตรเนี่ยแต่คําว่าสูตรเนี่ยหมายถึงการได้ยินได้ฟังก็เช่นตอนนี้ก็เนี่ยก็มาศึกษาสุดแต่เมย์ปัญญาอยู่เนี่ยเพราะเราไม่รู้เรื่องของธรรมะต่างๆก็าต้องอาศัยคนที่เขามีประสบการณ์มีความรู้มาบอกครับ เมือาจารย์สอนเด็กนักเรียนอาจารย์ก็มีความรู้ของอาจารย์เด็กเขาไม่มีรู้เขาก็มารับการถ่ายทอด จ, จากอาจารยนี่เขาเรียกว่าสุตตามัยปัญญ า, ญญาแต่ปัญญาทางพระพุทธศาสนานี่สุตตามัปัญญาตามกำแังมันยังไม่มีพลังพอที่จะเอาไปใช้ดับความทุกข์ได้เพราะว่ามันกล่าวว่ามันเลย นั้นถึงต้องไปทําปัญญาขั้นที่สองคือไปหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆทำมาที่เราได้ยินได้ฟังมาเช่นอริยสัจ ส, สี่ไดรักขันห้าขันห้าเป็นไดรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปพิจารณาจนเกิดความเห็นแจ้งเห็นความเป็นจริงว่าเออร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะ เป็นของพ่อแม่ผลิตขึ้นมาเราอยู่ตรงไหนในช่วงที่พ่อแม่ก็าผลิตร่างกายนี้ขึ้นมาเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเราเราไม่ได้อยู่ในส่วนไหนของส่วนที่เขาามาผลิตเป็นร่างกายนี้เลยพ่อแม่ก็มีธาตุของพ่อแม่กับธาตุของแม่มารวมกันแล้วก็กอตัวขึ้นมาโดยการอาศัยธาตุของแม่ว่า ร่างกายนี้ไปฝังอยู่ในท้องแม่รับประทารจากแม่ทางสายสะดือรับดินน้ําลมไฟที่แม่รับประทานเข้าไปสูตร้าไปเดิืเข้าไปแล้วก็จะเริ่เติบโตออกมาเป็นเป็นร่างกายนี้แล้วก็จะเริ่มเติบโตด้วยยินน้ําลมไฟต่อไปใจเป็นเพลงเราเป็นเพลงแด็ผู้มามาเกาะมาติ มาใส่ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะเราอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเราก็เลยอตอนที่เราตายไปจากร่างกายอันก่อนเราก็ไม่มีร่างกายเราก็วนเวียนหาที่ไหนมีการผลิตร่างกายขึ้นมาก็ไปไปไปครอบครอง อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมาวิเคราะห์้เหนชัดเจนว่ า, าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเระเจ้าว่าเราเป็นจิตใจเป็นดวงวิญญาณที่มาครอบครองร่างกายนี้เราก็ใช้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆเราเป็นคนสัง่งด้วยความคิดแล้วร่างกายก็รับคำสัง่งแล้วก็ไปทาตามที่เราสังส่งให้พูดมันก็พูดสั่งให้มันเดินมันก็เดิน เราต้องเข้าใจต้องมาวิเคราะห์อย่างนี้เพื่อให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเพราะธรรมชาติร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดถึงเวลามันจะแกะ่จะเจ็บจะตายก็เราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะทำให้เราทุกข์นี่ถึงแม้จะเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่มีกำลังปล่อยตอน น, นี้เราก็ต้องไปทำปัญญาขั้นที่สามขึ้นมายุเรวาภาวนาเมยะปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี่ก็คือการผสมปัญญาขั้นที่สองกับ การฝึกสมาธิสมาธาภาวานานี่ยใใจได้ได้ความสงบได้อุเบกขาเพราะถ้าเมื่อได้อุเบกขาแล้วใจจะมีกำลังปล่อยวางได้ถ้าไม่มีอุเบกขาปล่อยไม่ได้ต้องไปภาวานาภาวานาแล้วมีกำลังปล่อยได้แล้วปล่อยวางได้แล้วก็ามาทำงานควบคู่กับ จินตามไมยปัญญาปัญญาที่ขั้นที่สองนที่เราได้มาวิเคราะห์ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเพอเรามีอุเบกขาเราก็ปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกกับร่างกายเวลนร่างกายเป็นอะไรเวลาร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็เฉยเฉยไม่ทุกกับมันนี่คือการดับทุกข์ด้วยปัญญาขั้นที่สาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองไม่มีกำลังหยู่ มีแต่ความรู้ว่าต้องหยุดแต่ยังหยุดไม่ได้ความใจไม่มีไม่มีอุเบกขาที่จะหยุดความผูกพันหยุดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในเรียกว่าขั้นที่สามเราก็ต้องจเจริญขั้นต้นเราก็อาศาัยการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะอย่างที่อาจารย์อ่านมาแล้วก็เกิดความสงสัยก็ต้องมาวิเคราะห์ให้เข้าใจ ถ้าวิเคราเองไม่ได้ก็ต้องไปหาคนที่เขาช่วยวิเคราะห์ให้เราได้พอเข้าใจแล้วทีนี้ก็รู้แล้วว่าขั้น ท, ที่หนึ่งขั้นที่สองป็นยังไงขั้นที่สามเป็นยังไงตอน ท, ที่เรามีอะไรมัง่งขั้นที่หนึ่งเราได้แล้วขั้นที่สองเราก็ต้องมาคิดให้จนเกิดความเข้าใจอยมาจากว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องปล่อยเขาจะเจ็บเขาจะแก่เขาจะตายก็ต้องปล่อย ถ้าป่อยก็จะไม่ถูกกับเขานิ่ถ้ายังปล่อยไม่ได้ก็สแสดงว่าไม่มีออเบกขามันไม่มีโอเบคาก็ต้อฝึกสมาธินี่นี่คือช่วงที่ต้องไปปฏิบัติครับอันปัญญาในสองอันแรกไม่ต้องไปปฏิบัติก็ได้อยู่ที่ไหนก็ศึกษาได้ขั้นที่สานี้จําเป็นจะต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวทําใจให้สงบ ใจถึงจะเกิดอุเบกาขออาปล่อยวางได้ใช่ไหมพอเป็นผีวิเวกได้ปัญญาได้สมได้อุเบกขาแล้วทีนี้พอล่างกายเป็นอะไรก็เฉยได้ไดแก่ก็เฉยได้ผมหมองก็เฉยได้หนังเหี่ยวว่าเฉยได้ไม่ต้องไปย่อ ม, มันไม่ต้องไปดึงผิวไม่ต้องไปอะไรมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นคนร่าใช้เราเราไป พิถีพิธันกับมันทำไมเสียเวลามันจะตายก็ก็ปล่อยมันตายดีเลยไม่มีร่างกายแสนจะสบายมีร่างกายแล้วต้องมาคอยเลี้ยงดูในเมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วถ้าเรามีอุเบกขามีสมาธิเราแล้วใจเราอิ่มแล้วไม่หิวกับรูปเสียงกิ่นลดไม่ต้องไปเที่ยวแล้วไม่ต้องไปดูไปฟังอะไร ไม่มีร่างกายก็ยังมีความสุขเกิดได้จากสมาธิก็ปล่อยวางได้ไม่โเบกขานี่คือขั้นที่สามคนเข้าใจผิดคนคิดว่ามรรพบรรมปัญญาเกิดจากการทําสมาธิพอจิตสงบแล้วป <paid> ัญญาจะเกิดไม่เกิดส <Alles. S 2> <obrig> ิ่ง <vaak> ที่จะเกิดก็คือโอเบกขานทำสมาธิเพื่ให้เกิดอุเบกคาแล้วโอเบขานี่มาทำงานคู่กับจินตามิยะปัญญา คือปัญญาที่ไม่หลงไม่ลืมปัญญาที่เข้าใจแล้วว่าต้องทําอะไร ต, ต้องปล่อยวางแต่ยังไม่มีกําลังปล่อยวางเลยต้องมาภาวนาเพื่อให้มีกําลังปล่อยวางคือมีอุเบกขานี่พอได้ภาวนาพอได้อดุเบกขาแล้วปั๊เนี่ยพอพิจารณาอะไรว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใหงเราปล่อยทันทีพระพุทธเจ้าตอ น, ตอ น, ตอนที่ทรงแสดงธรรมครั้งแรกเพื่อไปแสดงให้กับพวกที่มีอุเบกขาแล้ว คือป้าปัญจวัคคีนี่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติทำอย่างโชคชนในระดับสมาธิท่านเขา้เขาเข้าออกในชานต่างๆได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายดายครูอาจาเลยไม่ต้องเสียเวลามาสอนเรื่องเรื่องสมาธิ<ม>เรื่องสีสอนเรื่องปัญญาเลยเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าร่างกายหรือขันหานี้ไม่ใช่ตัวเราของเราพอสอนปับ อัญญากรณาญาเข้าใจก็ปล่อยไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตาย ม, น, มนุษยมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาคือความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆนั่นเองอะไรมีการเกิดก็ต้องมีการดับดับเป็นธรรมดาร่างกายเกิดแล้วก็ ต, ต้องตายเป็นธรรมดา ก็ไม่กลัวล่ะไม่ทุกกับความตายของร่างกายเพระพระเจ้าบอกร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องปล่อยให้มันดับไปที่ทุกกันก็พรดิน้นหาดิ้นหนีความตายกันยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าไม่ดิ้นอยูย่เฉยจะไม่ทุกข์รักษาได้ก็รักษาไปไม่ได้ห้ามไม่ให้รักษา รักษาไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงไปนี่คือขั้นที่สามเป็นขั้นที่ต้องเกิดจากการนั่งสมาธิแต่ไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วมาวิเคราะห์จนกระัเกิดความเข้าใจแล้วรู้ว่าต้องทําอะไรแต่ยังไม่มีกําลังที่จะทําก็เลยตั้งไปภาวนาะเพื่อสร้างกําลังใจขึ้นมา สร้างให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอมีอุเบกขาแล้วเฉยได้เนี่ยร่างกายจะเป็นอะไรก็เฉยได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาร่างกายเป็นอะไรนี่เดือดร้อนพราะยัง<ช>อยากอยากไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองแล้วเใจแี้วนะับเข้ า, าใจค่ะทีนี้ที่ที่ทุกคนปฏิบัติกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเวลาพระอาจารย์บอกว่า เราเ อ, อ่อนั่งสมาธิชมาุูโธไปเนี่ยคือนิ่งว่างแล้วเราจะมาพิจารณาหาะวิสล้อมคปัญญาเนี่ยก็คือหลังจากนั้นนั่นก็คือเราก็หันกลับไปที่เรามีความเข้าใจในเรื่องของอินตามายาปัญญาใช่ไหมคะว่าวิเคราะห์แล้วเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะพอเรามีพลังเยอะๆเนี่ยเราก็ไปใช้ตรงนั้นได้คล่องแคล่วขึ้นเราต้องไปพิสูจน์เนี่ยไปพิสูจน์นเอาร่างกายไป <c oughs> ไปอยู่ที่มันเสี่ยงต่อความเป็นความตายนะครับถ mm ้า hmm. ดูว่าใจเรายังตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวไปกับความเป็นความตายของร่างกายครัะ mm hmm. ถ้ามีอุเบกขาก็หยุดความตื่นเต้นตกใจได้ mm hmm. เสือจะมากัดงูจะมากัด mm hmm. เนืออะไรจะมาผีจะมาทำร้ายอะไรก็ตาม mm hmm. ถ้ามีอุเบกขาก็ mm hmm. อ่ามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นตัวเรา ในที่สุดเดียวก็ต้องตายอืมถ้ามันจะตายวันนี้ก็ต้องให้มันตายวันนี้ห้ามห้ามมันไม่ได้เวลา<แ>ไปปฏิบัติธรรมที่เข้าชโยนะคะไม่ได้กลัวสัสตว์นะกลัวคนอืมนัม่นเลยกลัวแล้วก็แล้วแต่แล้วเขาเขาทลอะไรเขาเขาเขา้เขามาทําคนที่กลัวได้หรอคนที่กลัวทําไม่ได้หรอใจใครไปทําทําร้ายใจได้ไหมทําได้ก็แล้วทำร้ำายก็แค่ร่างกาย แต่ร่างกายก็ไม่ใช่ใจที่กลัวต้อใจไปกลัวแทนร่างกายทําไมร่างกายมันไม่กลัวใครเอาไปสับเอาไปเผามันไม่กลัวเหน็นไไปดูคนตายเวลาไม่มีใจแล้วเอาไปเผานี่ไม่มีการด่นนอนไม่มีการโวยวายอะไรทั้งสิ้นใช่ไห ม, มคือร่างกายเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นเวลาไม่มีละไม่มีใจมาเกี่ยวข้งองด้วย ร่างกายมันไม่เดือดร้อนใครเอายยไปเผาเอาไปผ่าเอาไปตัดเอาไปทําอะไรมไม่เดือดร้อนแต่เวลามีใจมาเป็นเจ้าของเนี่ยใจเนะ่ตัวเดือดร้อนแต่ถ้าใจมีปัญญารู้ว่าวันในที่สุดมันเขต้องตายมันต้องเจ็บไม่โวยวายก็ไปห้ามมันไม่ได้ทุกไปเปล่าๆแต่ที่ต้องโวยวายก็ไม่มีอุเบกขา แต่พวกที่มีอุบัติาแล้วรู้แล้วว่าทางดีที่สุดสำหรับใจก็คือปล่อยอยู่เฉยๆให้ร่างการมันเป็นไปตามเรื่องของมัน mm hmm. ตอนนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่ารามิวเบกคคา mm hmm. พอที่จะปล่อยห้ือยัง mm hmm. ไม่ตื่นเต้นตกใจ mm hmm. ขับรถไปกับรถประสบอุบัติเหตุใจตื่นเต้นตกใจหรือเปล่าด้วยเฉย อันนั้นะเป็นเครื่องวัดว่าอุเบกขาเราปัญญาเราทำงานหรือเปล่าปัญญาก็บอกไม่ใช่ตัวเรามันต้องมันไม่เที่ยงอุเบกขาก็ทำใจเฉยๆฉยต้องไปลองใหม่ค่ะหัวผมมืดตื่อมาทีไรก็ล็อกประตูเรียบร้อยไม่ก็เดินจงกลมอยู่ข้างบนแต่จะไม่ลงมาข้างล่าง เหมือนสัญญา ก, กับตัวเองว่าขึ้นขึ้นไปแล้วจะไม่ลงมาเลยอืจะไม่ทํามันจะไม่ยุ่งอะไรกับใครทั้งสิ้นแล้วก็เก็บเงียบใช่เลยรักตัวกัวตายราักตัวกตายลองทําให้ทําให้โกตายดูเสิแล้วลองบุพิศูนย์ดูว่าไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวมันก็ต้องตายดูสิว่าถ้ามันจะตายเราจะทำํำยังไงไปเมื่อไหร่เที่ยวหน้าดูจะไปลองดูลองอมันเดินข้างห น, น, น้ามากเมืม่อย ใ ช, ใช้ไฟก็ได้แต่ต้องออกมาเดินข้างนอกเดินตามเดินตามตามเดินเดินประท<ำ>ัดสว่างค่ะก็สว่างในในตัวเดินเดินประสว่างอยู่แต่เงียบดีอย่าไม่ร่างกายทําถูกทําร้ายไม่ว่าจะคนจะมาทํำร้ายจะมาฆ่าแล้วไม่ทําไม่ฆ่ากัต่างแล้วไม่จมาทุบตีมาอะไรก็เพราะไม่ใช่ตัวเรา ต้องคิดหนักนะคิดสูว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงเพร า, ร า, ราระ ว, ารว่าเจ้าบอาไม่เห็นตัวเราเราเรารู้รู้จริงตามความเป็นจริงก็ไม่เห็นตัวเรามันจะเป็นอะไรก็มันก็เรื่องของมันอันนี้เฉพาะเวลาที่เราอยากจะไปพิสูจน์นะแต่เวลาอื่นเราก็ต้องใช้ใ ช, ใช้ใช้เหตุผลยังยังดูแลรักษาปกป้องมันได้ก็ต้องดูแลรักษาปกป้องไป ไม่ใช่ปล่อยให้มันแบบบ้าระห่ำไม่กลัวตายเดิน mm hmm. กลางถนนนี้มันงีน้ย mm hmm. เดี๋ยวก็โดนชนตายแะที่เราต้องทําแบบบ้าระห่ำก็เพื่อพิสูจน์ว่าเราปล่อยวา่าบ้าคลายได้หรือเปล่าเมื่อเรารู้แล้วปล่อยได้แล้วเราก็เราก็ยังดูแลตามปกติต่อไปให้มันตายตามวัยตามตามตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ได้มาตายเพราความบ้าระห่ำของเรา mm hmm. วันนี้ก็ได้ได้ปัญญาเยอะค่ะเพราะว่าในเรื่องของปัญญาเนี่ยมีคนพูดเอาไปใช้ในต่างกรรมต่างเวละซึ่งแ ป, กแปลกๆซึ่งเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่ใช่ปัญญาทางศาสนาของพุทธนี่มีแค่ไตรลักษณ์กับพระอริยสัจสี่ห้าแล้วก็นั่งสมาธิก็ไม่ให้เกิดปไม่ได้เกิดปัญญานั่งสมาธิให้เกิดลมเป็นขา บางคนคิดว่านั่งสมาธิจิตสงบแล้วปัญญาจะโผล่ขึ้นมาจะเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นนะดวงตาเห็นธรรมเกิดจากวิเคราะห์คําสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาวิเคราะห์วิเคราะห์ว่ารางกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาสัญญาสามขางิจ ญ, ญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากตามเหตุตามปัจจัยของมัน อันนี้ต้องไปวิเคราะห์ดูแล้วเราก็ปล่อยวางเวลาเจ็บก็เวลามีเวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ก็ปล่อยให้มันเปลี่ยนไปตามตามเหตุตามปัจจัยทข้าไนเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราเยียวยาได้ก็เยียวยาไปเช่นเวลามันเจ็บเพราะมันหิวอ่ ะ, อะถึงเวลาต้องเอาอาหารให้ร่างกายกิกนเข้าไป พอกินเข้าไปเวทนาทุกขเวทนาก็หายไปสุขเวทนาก็เกิดขึ้นมาพอกินอิ่มปั้ะสุขเวทนาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวสักไม่กี่เชวโลงอาบสุขหายไปแล้วเดี atable, you, OM, ๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์ว่าจะว่าหิวก็ไม่หิวจะว่าอิ่ก็ไม่อิ่มกลางกลางเดี๋ยวเอสั้นพักที่เวทสันพักอบเดี๋ยวอาหารหมดในทางทนี้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาใหม่น่างกายต้องการอาหารใหม่มันก็อย่างนี้แหละมันเป็นไป ถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเยียวยามันได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นของมันไปใจเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันถ้าเรามีบัวเค่ะใจสงบใจเยน็นใจมีความสุขร่างกายหิวก็เรื่องของร่างกายไปแยกร่างกายกับใจออกจากกันได้อาจารย์นะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ ค่ะคุณหมภาสนะอาจตรยนรัตการคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณใบคนณชัยคุณหลาก็วันนี้มีคำมีมีคําถามที่คนพบค่ะพระอาจารย์คือคราวที่แล้วที่คุยกับพระอาจารย์ะะ่ะคะก็กลับไปลองลองปฏิบัติดูว่าอาจารย์หาว่ามรณวนุ้นรูสติใช้ได้หรือทุกอย่างหรือเปล่าก็เลยเพอตอนหลังเนี่ยมาใช้สัพเพานาตาค่ะพระอาจารย์เลยรู้สึกว่าพอเรามองทัดบินดิน้ำลมไฟอะ่ะไม่ว่าคนสัตว์สิงของมัน มันสามารถที่จะแบบมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีอะไรมากระทบมันมันหยุดได้อะมันไม่มันไม่กระเพื่อมนะอาจารย์เพราะเราพเรามองไปปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถเพราะว่านั่งสมาธิเช้าเช้าเย็นเป็นหนักๆนะคะแล้วก็บางวันก็ใช้แบบบางทีก็ยืนบ้างหรืออะไรบ้างถ้าเกิดทํางานแต่มีอย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือรู้สึกว่าจะถามคาถามคือมองเห็นอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นคือมองมันมองเห็นในตัวอารมณ์ว่าถ้าเราพูดเยอะ คืออาจารย์บอว่าไม่ต้องต้องปีกวิเว้ใช่ไหมหเวลา ป, ประชุมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเวลามีคนมากระทบมันเห็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทําไว้ดีๆอย่างเงี้ยพอคนมาจะมาเปลี่ยนให้มันไม่ดีอะ่ะตอนนั้นก็มีมีกับเรื่องนิดนึงน ะ, ะแต่พอเรามองเอ้ยทุกอย่างมันเป็นไจรักอะ่ะถึงทําไม้ดียังไงมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีคําถามมาค่ะอาจารย์ว่าคืออย่างตอนเนี้ยก็ตัวเองก็จะใช้ ใช้คุมด้วยกายคตาพระอาจารย์แล้วก็มองทุกอย่างเป็นสเพธรมานาตาแต่ไม่ไม่ไม่เคยได้พุทโธเพราะคารู้สึกว่าพุทโธมันไม่สําหรับตัวเองนะมันไม่ทันนะคะคือถ้าเกิดเรามองมองให้เห็นเป็นดินนรกไฟมันจะหยุดได้เร็วกว่าค่ะพระอาจารย์ได้วิธีไหนก็ได้สามอย่างนี้ยันรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ได้ถ้ารู้ว่ามันทุกข์มันก็หยุดได้ถ้ารู้ว่น้ําแก้วนี้มันมียาพิจารณาดื่มมันรับหลังค่ะ ถ้ารู้ว่าสิ่งนี้จะกัดเราเราจะไปยุ่งออกมาแบบอเปล่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันทูกข์เลยเนาะแล้วกลับไปเห็นว่ามันสุขกออ็ดื่มเบียร์ดืมเหลาแล้วดื่มแชาเปญแล้วโอ้ยฉลองกันใหญ่รออักสังกูหลงก็พยายามดูต้องไม่มีอากติด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คือพยายามดูที่อาจารย์บอกให้เป็นศูนย์คือคือจะพยายามลองดูว่าควุมให้มันเป็นอากาต้องไม่รักไม่ชงังไม่โกรธไม่กล้า แล้วก็แล้วก็ให้มองเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมคะพระอาจารย์พยายามทำอยู่แล้ว <laughs> แต่นั่งสมาธิหนักเลยค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้ไม่เจ็บไม่ไม่เจ็บขาแล้วอาจารย์ขาด้านเอาหมดแล้วบอก้นก็ด้านขาด้านหมดแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่มีปัญหากับการนั่งค่ะพระอาจารย์ค่ะรู้สึกสนุกค่ะอาจารย์ <laughs> <laughs> วันนี้ไม่มีอะไรแค่มาถามแค่นี้ยค่ะโอเคเออมีเรื่องอยากจะฝากคุณหมอคือมีคุณเมินเข้าสนใจเนื้อหาสถานที่ปฏิบัติธรรม เราก็เลยแนะนำบอกให้เรามาติดต่อกับคุณหมอแนะนำว่าหนูว่าคงเก่งเนี่ยพันที่เขาเข้ามาในที่เด็กๆใช่ไหมคะยุนน้อยยังเข้ามาแต่วนนี้ยังไม่เข้ามานแต่เขามาอยู่วัดบรดยาเมื่อคืนนี้เข้ามาในห้องภาษาอังกฤษรสัญญาณมันไม่ดีเขาเลยคืนนี้เขาเลยกลับบ้านเพราะเขาจะได้เขาจะได้เข้ามาฟังธรรมคืนนี้แต่ยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวถ้าถ้าเขาเข้ามาก็ลองส่ง เอสทูเอสเอาไม่เสกมาให้เขาหนห่อยบอกว่าเขาอยากจะรู้สถานที่ปฏิบททัติธรรมเฉาชีโอนใช่ไหมคะอาจารย์เขาชีโอนที่วันอาจารย์ตันหรืออาจารย์นิพนหรืออะไรอ่างเงี้าวัดอาจารย์พระอาจารย์ตันกับพระอาจารย์นิพนเนี่ยต้องไปก่อนครั้งหนึ่งคือพระอาจารยตร์ต้องเห็นตัวก่อนนะคะพระอาจารย์คือต้องต้องบอกเขาบอกเข้าเขาต้องไปครั้งหนึ่งของพระอาจารย์ตันเนี่ยท่านให้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ท่านยังปิดก็เดี๋ยวจาว่าไปหาะอาจารย์นิพนก่อนแล้วก็ว่าจะไป เออที่นั่นด้วยนะคะว่าทาเต่าที่พระอาจารย์บอกพระอาจารย์บุญมีกับพระอาจารย์วันช้ไปที้หมดเลยที่พระอาจารย์บอกเขาว่าเพราะว่าแบบอยากไปรูว่าันอะไรเราไปสํารวจดูแต่แล้วว่าจะมีความแตกต่างัตั้งใจปฏิบัติค่ะพระอาจารย์จะได้แบบมาเอามาเพราะรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วมันมันดีขึ้นกับตัวเองหมดเลยขนาดร่างกายยังดีขึ้นเลยพระอาจารย์น้ำหนักลงไปถึงสิบกิโลเลยพระอาจารย์ คือแบบงงมากแบบคือมันเบาตัวด้วยนะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ไม่หิวเพราะว่าตอนเย็นนั่งสมาธิมันก็ไม่มันคือแบบมันก็มันก็เลยทําได้แล้วก็สินสิทธิ์พระอาจารย์วันพักก็ไม่ใช้เงินจริงๆแล้วปกติก็ไม่ค่อยใช้เงินอยู่แล้ววันพักก็ไม่ได้ใช้พระอาจารย์ก็ทําได้เลยค่นะนะเดี๋ยวถ้าถ้าเขาเข้ามาจะบอกให้เข้าติดต่อกับคุณหมอหน่อยนะช่วยช่วยช่วยกอนานะรู้สึกเขาอยากจะบวชแล้วเงามากตอนนี้ น้องเขาเด็กดีจังเลยอ่ะได้ค่ะคุณอาจารย์แต่ก็อาจารย์ยังมองไม่รอบครอบก็เลยบอกว่าเอ้าใช้เวลาไปสำรวจดูตามที่ต่างก่อนค่ะค่ะได้อ่าคุณจิ๊บวันนี้มาเล่นกันจิ๊บมาจากแมริแลนด์ USA Silver Spring กลับรมาสการค่ะอาจารย์วันนี้พาเล่นเพราะว่าพึ่งเริ่มทำงาน เริ่มต่ายมงครึ่งค่ะแต่วันนี้โยมมาเร็วหน่อยเพราะว่ากลัวาพามาไม่ทันพระอาจารย์อีกสองทันีก็ต้องเริ่มทำมานแล้วใช่ค่ะพอดียังไม่มีใครมาค่ะเขาไปาดูงานต่า ง, างรัฐ ก, กันโยมก็อยู่คนแค่คนเดียวรู้สึกเหมือนจะมีใครมาคนหึงจังได้ยินเสียงประตูเปิด ค่ะพอาจารย์สบายดีนะคะอ่ามีอะไรมีทางมีอะไรจะถามคือจะถามนิดนึงค่ะพอดีคุณย่าของโยมเสียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะทีนี้ถ้าเราทําบุญให้คุณย่าจากที่ต่างประเทศเนี่ยเราอุทิศให้ท่านนี่คือโดยปกติก็ได้ทำนี่นะได้แล้วที่ได้ใช่ได้ใช่ไหมคะแต่ทำเยี่ยมชาวพุทธเราเราต้องจะทำกรบวัดกับทางศาสนาก่อน ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อวานอสาวโยมก็ไปวัดมาค่ะโยมก็ไปเอาของไปถวายแล้วก็ทีทายท่านแล้วเหมือนกันทีนี้มีคําถามว่าที่คุณย่าค่ะเคย อ, อยากให้คุณพ่อบวชให้แล้วคือโยมแค่ไม่เข้าใจว่าบางทีคุณเอคนจะเชื่อว่าเออลูกควรจะบวชให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพื่อจะได้จับชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์อันนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงอะคะ โยมก็มีลูกชายเหมือนกันโยมก็เลยแบบเอ๊ะคือการบวชก็คือการมาศึกษ า, าก็ทําำคำสอนอย่างจริงจังเหมือนกับมามาเข้าโรงเรียนเพราะวัตถศาสานานี่เป็นเหมือนโรงเรียนไงแต่ญาติโยมมักจะไม่มีเวลาว่างพอที่จะมามาเรียนกันแบบจ ร, จริงจริงจังๆก็เรียนได้แต่เฉพาะวันวัว น, วนพระอย่างนี้มามัดคำหซึ่งมันมันน้อยไป นั่นต้องเรียนทุกวันแล้วให้มาบวชทักสามเดือนนะจะได้เรียนได้จะได้เรีย น, นอย่างเข้มข้นแล้วก็ปฏิบัติพร้อมกันไปด้วยวจะได้มีธรรมะติดตัวไปใช้กับชีวิตต่อไปถ้งนั้นคืออยากจะให้พ่อแม่ทุกคนก็อยากจะให้ลูกได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษน ล, ลกสวรรค์อะไรอย่างนี้เป็นต้น ก็ อ, อยากใช้มาบวชแล้วเวลาบวชแล้วก็จะทําให่พ่อแม่นี่ได้มาวัดเพราะเมื่อลูกมาอยู่วัดก็ต้องคิดถึงมาเยี่ยมนะเหมืนเมื่โยมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกินนอนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปว่าไปเยี่ยมลูกใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันวัดนี่ก็เป็นหมือนโรงเรียนกินนอนเราส่งลูกมาอยู่โรงเรียนกินนอนเดี๋ยววันพระพ่อแม่วัด เ, เข้าวัดมามาเยี่ยมลูกแล้วก็มา ทำบุญที่วัดมาศึกษาแล้วก็ได้มาฟังเทศมารักษาศีลไปพร้อมกับลูกอันนี้แหละไป็นการขึ้นสวรรค์ เ, เกา oh. ใช้ายพระหนึ่งของลูกถ้าลูกไม่มาบวชแม่พ่อแม่ก็มักจะไม่ได้มาเข้าวัดกันแต่ถ้าลูกไม่ได้บวชแต่พ่อแม่เข้าวัดอยู่แล้วเออไม่ต้องใช้ลูกเป็นที่เกาะชายพระอ๋อ oh. ค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดลูกไม่ได้บวชแต่ลูกเข้าวัดเข้าว่า พ่อแม่ได้ไหมคะถ้าลูกชวนพ่อแม่มาด้วยก็ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าแล้วลูกชวนพ่อแม่มาด้วยแล้วพ่อแม่มาก็ถือว่าก็มันถือดีได้เหมือนกันค่ะพนีโยมก็เลยโอ้ไม่รูคุณพ่อก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่คุณพ่อไม่ได้บวชแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันอาจจะเป็นเรื่องความไม่ไม่ไม่พอดีไม่พร้อมก็ได้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องตายตัวต้องบวช บวชได้ก็ดีบวชไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่พร้อมไม่ควรบังคับกันเรื่อองเรื่องของการบวชให้มันมันไม่ควรจะบังคับกันต้องควรจะทําด้วยใจรักใจที่มีศรทัทธาค่ะค่ะที่เขาก็มีเหตุที่ทําให้มีศรัทธ<ะ>าคือว่าถ้าบวชแล้วได้บวชการได้ทําตอบแทนคุณพ่อแม่ได้พาพ่อแม่ขึ้นสวรรค์เหมือนกันเลยทําให้เขามีศรัทธาอยากจะบวชกัน ถ้า<ช>ไม่มีเหตุ น, นี้ก็ไม่บังคนก็อาจจะไม่บวชก็ได้ใช่ไหมแต่พอมาพิจถึงาพระกุณาของพ่อขอแม่แล้วเราสามารถตอบแทนพระคุณของแม่พ่อแม่ได้ด้วยการบวชมันก็ทํ า, จจาให้เขาทั้งถึงแม้เขาจะไม่อยากบวชเขาก็ก็อยากจะบวชขึ้นมาเพราะทุกคนก็อยากจะตอบแทนคุณของพ่อแม่ค ถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์มันมแต่ว่ามันธรรมเนียมของคนไทยเราสมัยโบราณนี่เขาไม่ค่อยนิยมบวชผู้หญิงแบบอืมีเป็นชีพราหมณ์หรือบวชชี อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยมันมีน้อยมากมันไม่มันไม่ได้เป็นธรรมเนียมเหมือนกับผู้ชายใช่ค่ะใช่ค่ะตายมก็เลยบอกพ่อพ่อก็โอเคพ่อก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อก็ปฏิบัติไป ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะยมก็บอกทําทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่ทําแล้วสบายใจก็ทําเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็สวดมวนต์อุทิศให้คุณย่าแทนก็ได้ทำบดญ ไ, ไ, <ห>ได้ก็ดีไม่บวชไม่ได้ก็ไม่บาป<ม>ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายค่ะค่ะค่ะยอแต่ยมก็เลยไม่เป็นไรยมก็เลยอพอมองย้อนไปถึงลูกตัวเองเอ๊ะลูกเราจะทําอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาโตที่นี่ โยมก็ทําหน้าที่แม่ก็คือถ้าลูกไม่บวดไม่เป็นไรโยมก็ปฏิบัติของโยมเองเราเรามีมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กอดชายกอดลูกอยู่แล้วเราไม่ต้องอาศัยลูกกอดก็ได้เราเข้า <c oughs> ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ เข้าแล้วค่ะเนี่ยเข้าถึงพระอาจารย์เงยถ้าเราใส่เราพูดภาษาเหมาะสมเป็นเกาะชายโยงข้อเกาะโยมขอเกาะใช่พระเหลืองพระอาจารย์ได้ไหมคะแต่จกาใกล้ทัานนะวิ่งเกาะตัวพรไม่ได้ไม่ใช่เกาะแบบทังไกลแบบนี้ค่ะเกาะทางไกลแบบนี้ค่ะอาวัจจยนยมรับกวอาจารย์คือศึกษาแล้วปฏิบัติตามวิธีของศึกษาแล้วปฏิบัติตาม ทุกวันพุธนี่ต้อง<ไ>ต้อง<ไ>ต้องเข้ามาทุกวันพุธถ้าไม่มีเหตุชุดวิสัยต้องเข้ามาไม่หนีต<ช>รงนี้ค่ะอาจารย์ยมก็เข้ามาเช็คชื่อ <c oughs> วันนี้โยงมาเร็วยังเป็นนักเรียนที่ดี <c oughs> โอเคเรียวกลับไปทํางานไปค่ะกลับมาราชการเฉพาะตอนสาธุนะคะจะรักษาสุขภาพค่ะได้เชิญคุณอ้อมต่อคุณอ้อมจากบ่อเวียน มาตการค่ะพ่อาจารย์ไม่มีคําถามค่ะมีความกลัวไหมก็น้อยลงน้อยลงเลยไม่หายกลัวถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นนะก็ต้องไปต้องไปรีบนอนหน่อยยังไม่หมดมันเป็นเหมือนน้องอ่ะต้องรีบน้องออกให้หมดความทุกข์เป็นเหมือนหน้องในร่างกายถ้าปล่อยทิ้งไม่เดียวมันก็ลามไปได้ใช่ค่ะ ต้องไปรีดมันหลัหงเรื่อยๆนะมันหวดให้ได้ค่แม่บอกว่าข้าพเจ้าไม่กลัวแล้วเรื่องความกลักกลวถ้ายอมต า, ายแล้วความกลัวก็หมดไปลองไปทำดูต่อนะเราตั้งเป้าว่า น, นี่คือเป้าหมายของเราเป็นเหมือนรักษาโลกรคความกลัวนี่มันก็เป็นเหมือนโลกรนะโลกของใจค่ะ เวลาเราเป็นโรคทางร่างกที่เราต้องรีบรักษากะไรยังไ้ยไม่ปล่อยให้มันคาลาคาซังอยู่ในร่างกาย<ฆ>ความตายความกลัวตายก็เหมือนกันมันก็เป็นโรคต้องไปรีบหรอกทําให้มันหายให้ได้ค่ะก <c oughs> ็ก็รีดอยู่ค่ะพรอาจารย์ <c oughs> โอเคค่ะ ข, ขอ บ, ขขอบขพระคุณครับพระบูดาเป็นยังไงครับที่แล้วไปมาได้รีดด อ, อกเยอะไหม ขับในพิธี ก, การค่ะเยอะค่ะคิดว่าเยอะค่ ะ, ะก็รู้สึกแบบชอบโค้งกระดูกเห็นพ่อเขาโค้งกระดูกชอค่ะ ม, <laughs> <laughs> มันมันมันนึกถึงบ่อยค่ะพระอาจารย์ <laughs> อยู่กันโคงกระดูกร่างโค้งกระดูกน <laughs> <laughs> <laughs> อยู่กันทุกวันค <laughs> <laughs> ่ะมัน เรื่องเรื่องเจ็บก็รู้สึกมันเอามาใช้ได้ด้วยอะค่ะพระอาจารย์ปวดหัวหรือปวดท้องอย่างเนี้ยเออเฉยไม่ต้องไม่ต้องกินยาแก้ปวดไม่หายยาไม่ต้องไปหา ย, ยาอย่างนั้นก็หายเองถ้าเหมือนทําเหมือนตอนที่เราเจ็บนะคะมันแค่เปลี่ยนที่เจ็บเฉยเฉยอ่ะใช่แต่นั้นเองเมื่อเราจิตใจแล้วมีเบิกขากับความเจ็บถ้าต่อไปก็เฉยเฉยไม่ต้องกินยาแก้ปวด ก็ดีเนื้อรู้สึกดีค่ะครับอาจารย์คะมีเพื่อนฝากถามคําถามหน่อยค่ะขออนุญาตถามนะคะสมาธิในฌานกับสมาธิในอริยมรรคคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรคะสมาธิก็คือฌานมันะสมาธิมีอยู่แปดขั้นเรแบ่งแบ่งชื่อขั้นต่างๆว่าเป็นฌานั้นที่หนึ่งฌานที่สองฌนที่สามฌานที่สีนี่เป็นสมาธิทนั้น คือมีความสงบในความละเอียดต่างกันยิ่งเลขมากขึ้นมันยิ่งสงบมากขึ้นยิ่งละเอีมากขึ้นนี่คือฌานสมาธิอริยมรรคก็เหมือนกันอริยมรรคก็คือมันก็เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนของมักที่ต้องมีในการที่จะสนับสนุนปัญญา ปัญญาถ้าไม่มีฌานไม่มีสมาธิไม่มีโอแบคคาก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดกิเลสได้ค่ะหมายถึงสองอย่างนี้ก็ต้องไปทางเดียวกันสมาธิพอเริ่มเจริญปัญญาเพื่อบรรลุมรรคผลที่ผ่านก็เรียกว่าเป็นสมาสมาธิในอาลีอะมาือค่ะแต่ถ้าอย่ า, า, ายังไม่ได้เจร<น>ิญ<น>ถ้านั่งสมาธิเฉยๆไม่ได้มา ใช้กับปัญญาก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นอริยมรรคค่ะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะโอเคท่านนี้นะคุณแนนแนน จ, จกนากจากบุรี์ค่ะนี้ค่ะตอนนีมัสการค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคยันไปที่คุณนายฟูต่อไอโฟนสวันดีดวงสวเดจนากสวัสดเก งานมรดการพระอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหมไม่มีค่ะเขามา่อมอฟังธรรมค่ะโอเคเดี๋ยวนี้คนเอกเชียงรายตอนนี้คงจะหนาวมากคนเอกใส่เสื้อนาฬิกาครับพระอาจารย์ครับการมรดการพระอาจารย์ครับผมก็อากาศเริ่มจะเย็นลงนะครับอาจารย์ก็กําลังพอดีอยู่ครับวันนี้ไม่มีคําถามพระอาจารย์เข้ามาเกิดมรสการพระอาจารย์ได้เลื่วมฟังครับ โอเคยังไปที่คุณยินดีต่ออยู่สหรัฐอเมริกาเซาแลนด์ไม่ยินดียัไม่ให้เปิดใหม่เปิดไม่ได้เลยสวัสดีค่ะท่าอาจารย์สวัสดีค่ะก็มากราบท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เดวิดฝักความคิดถึงท่านอาจารย์เหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็บอกว่าขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะ สารถึงเป็นเดียวกันขอให้ท่านทั้งสองก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะ ส, สาทุกท่างกอสารทุกทางไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะก็พอดีได้ยินท่านอาจารย์เขาถามแล้วอะค่ะก็เลยเข้าใจค่ะ<ม>ท่านจะงั้นอีกนิดนึงละกันค่ะหนูขอถามอย่างในกรณีที่เกิดสมมุติว่าอย่าง พอดีมันมีแดดใช่ไหมคะแล้วลูกก็ออกไปเดินจงกรมเพราะเมื่อวานวนั่งสมาธิแล้วมันมีความรู้สึกว่าคือเราตั้งใจว่าเราจะได้เราต้องการให้ได้สองชั่วโมงแล้วพอดีมันถอนออกมาค่ะเหลือยี่สิบนาทีลูกก็เลยคิดว่านั่นไปเดินจงกรมให้ครบละกันละกันลูกก็เลยออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วด้วยความที่ว่าเราตั้งใจไปแล้วแล้วตอนนี้แบบตอนนี้มันมืดเร็วอะคะ่ะห้าโมงประมาณห้าโมงก็เริ่มมืดแล้วอะคะ่ะก็ ก็ยังว่าเอ๊จะไปดีหรือไม่ไปดีถ้าก็กลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยอะค่ะก็ก็เลยแต่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะต้องไปเดินให้ครบลูกก็เลยเดินออกไปแต่มันมืดเกิ้นหนุ่อยากจะทราบว่าอันนี้มันคือความบ้าระห่ำหรือเราปล่อยวางอุเบกขาได้คะท่านอาจารย์ก็เลยแบบพอดีท่านตงกาถ้าเราต้องการจะทดสอบกําลังของเราก็ไม่บ้างแต่ถ้าไม่มีเหตุผล ถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรที่จะไปเสี่ยงค่ะแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเสียตายแต่เราต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเรากลัวตายหรือไม่เราก็ต้องไปนี่ไม่ถือว่าบ้าเป็นการไปทําข้อสอบค่ะคือด้วยความที่ว่าหนูก็คือว่ามันมืดมันมืดแล้วมันเป็นส่วนสาธารณะแล้วพอหนูไปถึงมันไม่มีคนแต่ด้วยความที่ว่า เราเราคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็อย่างท่อาจารย์สอนใช่ไหมคะแล้วลูกก็ว่าตอนเมื่อยูทำไม่ครบแล้วยู่ตั้งใจเองดังนั้นอยู่ก็ไปเดินที่ครบลูกก็เลยเดินค่ะแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ท่องพูดโธรไปเรื่อยๆก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าก็ท่านอาจารย์บอกว่าและหนูก็คิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะก็ดี ก็เลยป่อยก็เลยก็ก็เดินจนครบอะค่ะพอเดินครบแล้วลูกก็กลับบ้านแล้วก็ก็พอดีท่านอาจารย์ถามเมื่อต้นชั่วโมงพวกก็เลยจะถามหลวงพ่อเพื่อให้ความกระจ่างนะคะว่ามันมันมันคือความบ้านระห่ำหรือมันมันมันก็อยู่ที่ว่าเรามีเหตุผลอันใดถ้าเราต้องการพิสูจน์ว่าเรายังกลัวอยู่หรือไม่อะไรทำนองนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะพิสูจน์แต่เราทําเพราะความอยากอย่างอื่นนี่การ จ, จะเป็นความบ้าละห่ำได้ท่าอาจารย์ค่ะแค่นี้ค่ะไม่ได้โอเคออยังยังเตรียมการเดินทางอยู่ใช่ไหมเรียบค่ะเรียบก็เรียบร้อยนะคะก็คือว่าวันที่สิบสองเดินทางนะคะท่านอาจารย์ค่ะ เก็ว่าให้ตรวจด้วมันก่อนจะออกเดินทางก็ได้มันจะได้มันจะได้ค่ะทานลูกตรวจลูกตรวจก่อนก่อนเดินทางค่ะก่อนก่อนเอคือจะไปตรวจก่อนเดินทางไม่ได้ค่ะว่าพบผลนะมันจะออกตอนอค่ะสี่สิบแปดชั่วโมงแต่ลูกก็นัดไว้สองที่<ๆ>เผื่อๆไว้ก็คื อ, อถ้าเกิดที่อีกที่หนึ่งเขาแบบคือเขาเลทเราก็ยังมีที่หนึ่งคอยเสริมโอเคก็ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเด ก็ฉีดลูกทั้งสองคนก็ฉีดไฟเซอร์เรียบร้อยฉีดเ<ม>อ่อบูสเตอร์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ของเดวิดเอ่อได้ของโมเดอร์าแล้วก็ของหนูก็ไฟเซอร์สามเข็มลูกเหมือนเดิมน่าจะไม่มีปัญหานะค่ะค่ะ ข, ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์โอเคคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะค่ะขอพวกคุณมากเลยค่ะท่านอาจาราย์ใครที่คุณแมนต่อคุณแมนตอบทอมอลใช่ไหมแมน ครับพรอาจารย์นีอะไรไหม อ, อ๋อมาเช็คชื่อครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจจะขอกราบลาสักสามทุ่มครึ่งคับพรุ่งนี้ออกสามคึ่งไปต่างจังหวัดนะครับได้เจอกันคะรับขอบพระคุณครับการใช้ทิปคอนแกน ม, มาสาราการเลยวันนี้ค่ะการนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้อยู่สารค า, ามแล้วค่ะคราบ เลยมาสอนนันเลยสอนแล้วค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่วันจันทร์ค่ะงานงานท่วมเลยค่ะพระอาจารย์อวันนี้มีคําถามพระอาจารย์อยู่ค่ะพระอาจารย์ก็คืออนั่งคิดสงสัยว่าเวลาที่ในช่วงของการที่เราจะใกล้ตายสองสองสองสถานการณ์ค่ะพระอาจารย์ก็คือหนึ่งสถานการณ์ของอุบัติเหตุ อนูเคยคล้ายๆว่าจะแบบจะประสบอุบัติเหตุก็คือขับรถนะค่ะพระอาจารย์แล้วพอมันจะมีอุบัติเหตุแล้วเราเป๊ะมันจะมีช่วงของความว่างค่ ะ, ะพระอาจารย์เหมือนมีเวลาให้เราคิดที่จะอแก้ไขเหมือนแบบมันเป็นภาพ slow motion โโค่ะก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าในช่วงนั้นถ้าเรามองเห็นว่ามันชนแน่ๆไม่รอดแน่ๆเราจะวางใจหรือว่าจะ ทำยังไงดีค่ะพระอาจารย์แล้วก็อีกสถานการณ์นึงดูเฉยเฉยไปมัดูมันเฉยเฉยไปมันดูหนักเลยแล้วแบบนี้เราจะร่างกายมันหลุดไปที่ไหนค่ะพระอาจารย์ก็ไม่หลุดหรอมันก็อยู่บางที่ถ้านมันอยู่เฉยเฉมันก็ไม่ไม่หลุดไปไหนสมมุติว่าก็คือคือชนแล้วก็น่าจะจะเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เสียชีวิตมันกเราก็ร่างกายก็แยกกันไปกระับทิศกระดาง ไม่ต้องแบบคิดว่าแบบจะคิดถึงคุอ่าคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์หรือไปทําไมอ่คิดไปทําไมไม่ไม่สร้างค่ะพอาจารย์เพราะว่าเคยแบบปฏิบัติมาถ้าเป็นแบบเหมือนเขาบอกว่าให้คิดถึงให้คิดถึงพันิยพานนะให้คิดถึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่าเราจะต้องวางจิตยังไงดีหรือก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ปัญญาไม่ใช่สติ ใช้จิตแล้วนึกถึงว่าพุทธเจ้าสวดมนต์ไปพุทพุทธโทไปนั่นใช้พุทธทานนสติไปเพื sharing, ่อให้ทําใจเฉยเพื่อทําให้ให้จําใจเป็นอุเบกขาหรือถ้าเราจะใช้ปัญญาก็บอกว่าให้นั่งกายไม่ใช่ตัวเรามันต้องตายอ่ะถึงเวลามันจะตายให้มันตายก็ดูมันตายเลยได้ดูเฉยเฉยไปก็คือก็คือ อใช้ปัญญาก็ได้ก็คือแค่มองว่าไม่ใช่ของเราก็ช่ามันก็ปล่อยไปเลยปล่อยให้มันจลุดไปเลยให้มันหมดหายใจนกวนลงหายใจไปอ๋อค่ะเข้าใจถ้าถ้าไม่มีอุเบกขาที่จะรู้ได้ก็ต้องใช้พุทโธพุทโธให้มันให้มันมีอุเบกขาขึ้นมาไม่มันตื่นเต้นตกใจอ๋อค่ะหนได้คําตอบแล้วค่ะงั้นก็คืออุเบกขาน่าจะเป็นคําตอบ ที่ตัวเองจะใช้ค่ะคงจะไม่ได้นึกถึงอะไรแล้วถ้าเนี้ยต้องตอนนี้ต้องซ้อมให้มันให้มันได้หมดพอถึงเวลาจะได้สั่งมันได้เรียกมันมาปุ๊บมันก็มาเลยถ้าเราซ้อมเยอะเลยอ๋อก็แค่มองว่าไม่ใช่เราแต่อะไรก็ชั้ไม่ยึดปล่อยใช่ไหมคะปอยทมันต้องตายอานิจจางสุขังอนัตตาอ๋องั้นหนูก็น่าจะได้คําตอบอีกกันึงแล้วค่ะเพราะว่าจะถามพระอาจารย์ว่า ถ้าเจ็บป่วยอย่างเช่นเป็นมะเร็งจะต้องตายปวดมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่ปล่อยมันไปก็ปล่อยวางไม่ต้องเอาจิตไปยึดอะไรทั้งสิ้นก็ดูจิตเราฟุ้งซ่านเครียดหรือเปล่ากินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่ากังวลกับเรื่องโลกนี้หรือเปล่าถ้าเฉยเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ปลุกเองค่ะเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเข้าจใจอืม เหมือนอย่างถ้าถ้าในระหว่างวันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจิตมันก็เป็นตัวที่สั่งร่างกายร่างกายมันก็ทํางานของมันในบางส่วนมีจิตของเราเข้ามามีส่วนร่วมที่จะสั่งเข้าบ้าง<ม>เขาทําตามเราบ้างไม่ทําตามเราบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์บางทีเา้เาบางทีเราก็สัง่งก็ได้บางทีก็สั่งไม่ได้ใช่ค่ะเหมือนเราสังส่งก็ได้นิดหน่อยสั่งไม่ได้เราต้องยอมยอมให้เขาเป็นไปตามความความจิตของเขาอืมค่ะ ก็ชั้นป่อยวางชั้นม่เขาแก่ได้ไหมไม่ได้ไเขาแก่ะล้วก็ปล่อยหเขาแก่แล้วปล่อยเขางอกไปเราลองแก้ร่างกายนิดหน่อยค่ะแต่เราไม่ต้องไปทุกถ้าเรามีวิเบรคขาเราก็ไม่ทุกถ้าเราไม่มีวิเบรคขาเราก็จะทุกเพราะอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็เหมือนเราลองลองลองเอาสั่งร่างกายดูซี่อะไรเงี้ยค่ะ ก, กั้นหายใจ <c oughs> <c oughs> กั้นไปสักพักร่างกายมันทําเองและ้ะมันหายใจเองละแล้วก็โอเคนะอืมเราสั่งได้นิด น, ดนดิหน่อยเหมือนเรามาใช้เขา <c oughs> แต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้รับใช้เราทั้งหมดเขาก็เป็นของเขาเสื่อมของเขาไปของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็ได้ในสิ่งที่ถ้าเผื่อถึงสถนานการณ์นั้นก็ได้คําตอบแล้วค่ะพระอาจารย์ ก็คเบรกขาวางไปทดสหรือว่าทําได้ป่ะกลัวผีว่ค่ะอาจารย์ว <laughs> างใจแต่ว่าวันนี้ไฟปิดที่ทคณะก็อุ้ยร <laughs> ีเปิดไปฟยังกลัวอยู่เยอะเลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> แต่ว่าไม่ได้กล <laughs> ัวที่เราจะหายไปจากโลกนี้นะคะ <laughs> กลัวผีท <laughs> <laughs> ผีมันเป็นยังไง <laughs> มันแอรบัสเสียค่ะพระอาจารย์ผีมันเป็นหน้าตาอะไรหน้าโกนหนไหอืม ไม่รู้ค่ะพระอาจารย์ร่างกายเราตอบรับมั่วเป็นผีเอ่ะเป็นค่ะโอเคแล้วทำไมไม่กลัวมันอ่ะอยู่ับมันนานตั้งแต่เกิดกลัวอยู่ค่ะพระอาจาจรย์กลั ว, วต้องไม่กลัวแต่ว่าแอร์บาสเสียวค่ะเวลาอุ้ยมืด อ, อืมอะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ตอนแรกนึกว่าตัวเองไม่กลัวตายนะคะพระอาจารย์คิดว่า เราไปปฏิบัติธรรมอยู่ตรงหน้าผาอะไรก็แต่ว่าก็มีคนอยู่ไปได้ห่างกันมากก็อยู่ได้แต่ว่าพอวันนี้อยู่ที่คณะไฟมืดก็กลัวแปลว่ายัางติดใ จ, จ ย, ยังไม่เข้มแข็งค่ะพระอาจารย์ฝึกความไม่กลัวต่อไปค่ะก็ถ้ามันกลัวก็ต้องใช้กุญโถอยอย่าไปเปิดไฟเลยมันก็มือปแปะๆแล้วค่วะอาจารย์เปิดไฟไว้สบายใจ เช่ไหมมันเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาเปิดไม่ได้จะทําังไงก็ต้องใช้พคุชโทนนะออืถ้าจนต่อก็ต้องใชู้ดถโทนนะถ้ายังไม่จนต่อก็ใช้อย่างอื่นก่อนนะทางถ้ามีทางเลือกก็เปิดค่ะพี่อาจารย์เดี๋ยวต่อไปจะพยายามฝึกค่ะพร่อาจารย์ว่าเราจะต้องโดยใช้ธรรมะเป็นตันะโดยใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าไปใช้อย่างอื่น ให้ใจเข้มแข็งขึ้นไม่กลัวมากขึ้นค<อ>่ะพระอาจารย์ใช้สติใช้ปัญญานะอแล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องพึ่งอะไรมีสติ<อ>มีปัญญาแล้วไม่ไม่หวาดกลัไม่อะไรทั้งนั้นจำอะไรค่ะ<อ>โอเคนะปรึกษาทุกค่ะพระอาจารย์ค่ะคือเวลาทีนี่ไม่เจอกันท่านนายัางเยอรมนีกลับนอมัสการค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะเลิงานนแล้วหรอไม่ทำงานที่บ้านนี่ อ่าเขาล็อกดาวอีกรอบเพราะว่ายมเพิ่งค่ะเพิ่งเพิ่งขนของกลับมาทํางานที่บ้านวันที่สองค่ะเลยมีเวลาเข้ามิ팅ค่ะท่านอาจารย์เมืองไทยเพิ่งเปิดเดี๋ยวต่อไปเมืองไทยก็คงยังเป็นเหมือนกันตามสามเดือนนี่ล็อกดาวแล้วผ่าอีกรอบค่ะที่ผ่านมายมกลับเมืองไทยไปครั้งหนึ่งนะคะช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าคุณแม่ไม่สบายต้องไปเข้าค่คุณแม่ค่ะผ่าตัดแล้วยมก็กลับไปเมืองไทยแล้วก็มีเวลาปลีก วิเวกช่วงสุดท้ายสามวันค่ะไปปฏิบัติธรรมค่ะแล้วต้องการตอนที่เข้ามาต้องทำคอลเลนติน่ะจักตัวค่ะตอนนั้นตอนที่โ ย, ยมค่ะสิบสิบวันค่ะต อ, <10 S 1> ตอนที่ตอนยี่โมปังอาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์เดียวค่ะแต่ว่าซูเปอร์วิเซอร์ที่นี่เขาใจดีช่วงที่กลับไปโยมก็จัดสรรเวลาให้มันพอดีกับเวลาทํางานของมันนะคะแล้วเขาก็นับเป็นวันทําการให้ค่ะก็นั่งทํางานอยู่ที่ที่โรงแรมที่จักตัวนั่นแหละค่ะคสบายเลยนะ ค่ะก็ได้ไปนั่งทำการแล้วก็ได้ไปเฝ้าไข้คุณแม่ค่ะแล้วก็ได้ปิดยูเวกแป๊บหนึ่งค่ะเน่ยไปอยู่ที่ไหนคะยมลงไปชุมพรค่ะท่านอาจารย์ค่ะออกจากชุมพรมาปุ๊บน้ําท่วมชุมพรเลยค่ะโอ้มาม่านี่กันท่วมไหมคะเนี่ยชุมพรตอนนี้น้ำท่วมไหะท่วมอีกแล้วค่ะแล้วก็จริงจริงยมปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานะคะท่านแต่ว่า ไม่ค่อยได้เข้ามารายงานความคืบหน้าเท่านั้นเองค่ะอ่าดีให้เวลาไม่ไม่ถือทอดถอนเทินั้นเวลามันเวลามันไม่ค่อยได้ค่ะเพราะเป็นทําเป็นเป็นเวลาทํางานของเยอรมันค่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากสติที่มันอยู่กับรู้เท่านั้นค่ะท่านมาจารทุกวันนี้รู้ให้มันใา้ใจมันไปดูแบบขาวางเฉยให้ได้ค่ะให้สักแต่ม่ารู้ ค่ะมันมันหนักแน่นนะคะมันไม่ค่อยแกว่งซ้ายแกว่งขวาแล้วก็สติก็อยู่กับรู้เท่านั้นค่ะจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะไม่เห็นไม่เห็นมันเกาหน้าอะไรเลยค่ะเราไม่ต้องการเ่อาหน้านะมันถึงตรงนั้นก็พอแล้วค่ะค่ะถ้าถึงอุโมค์าแล้วมันก็จบละมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยขึ้นปีต์ลงปีต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ดีไงให้มันอยู่กับร้เท่ารอ้นดีที่สุดไม่ขึ้นไม่ลงดีที่สุดค่ะ ให้มันเฉยกับทุกสภาพเหตุการณ์มันยัไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีใจไม่เสียใจคเ ข, ข้าใจหรือเปล่าเข้าใจคะ่ะกําลังกําลังพยายามทำให้มันแบบมั น, นมันเป็ น, นแบบนี้ได้ตลอดเวลาได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ไปดีใจเสียใจกับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ยินไ ด, ได้รับรู้ ให้ใช้กับมันไปค่ะยมก็พยายามฝึกสติให้ได้ตลอดเวลาในระหว่างวันนะคะท่านพุทธอาจารย์ครับนั่งสมาธิมั้งคะบ้ า, บานั่งค่ะกลางคืนกถ็ถ้าอยู่ถึงบ้านก็นั่งปกติค่ะแต่ว่าถ้าไปถึงที่ทํางานต้องใช้อุบายนี้ค่ะเพราะว่าเราจะไปสมาธิที่ทํางานไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหม ค, ค, ค่ะสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําจดจ่ออยู่กับงานอย่างเนี้ยค่ะ หรือไม่ก็ดูการเคลื่อนไหวค่ะหรือไม่ถ้ามันว่างจากการประชุมก็กําหนดผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็อยู่กับผู้รู้อย่างนี้ยค่ะอย่างนั้นไปอะค่ะดีดถูกต้องไม่ะเป็นสิ่งที่ทําอยู่ตั้งนานแล้วค่ะท่านอาจารย์มันก็ยัง <c oughs> <c oughs> นานมากเลยแบบฟังหาข้อนี้ยากมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้นานแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะกล่าวหน้านก็ต้องปล่อยวางเสร็จต่างๆที่เราไปยังยังไปยืดไปติด อ้ารยังติดรูปเสียงกินนอตอะอยู่างเง้วก็ต้องปล่อยต้องหยุดหยุดดูชอบดูหนังก็ต้องหยุดดูชอบดูละครก็หยุดดูอยไรอยางเงีน้อยมากมไม่มีแล้วค่ะของพวกนี้แทบจะไม่มีค่ะยกเว้นข่าวสารบ้านเมืองบ้างเพื่อให้มันอัปเดตค่ ะ, ค, ะคืออย่าไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกได้ไมาหาความสุขจากในตัวเราเองค่ะนี่คือวิธีปล่อย ไม่ต้องลึ่งอะไรมาให้ความสุขแล้วเพราเราสามารถหาความสุขในตัวเราเองได้โอเคน่ามีอะไรหมหมดหมดคำถามค่ะธรรมจารย์ค่ะขอบคุณค่ะไปที่คุณโอ้คุณโอเลยนะอัญชีลาอยู่ที่ไหนสมาชิบใหม่แบบกรุงเทพค่ะที่ไเคยเข้ามาหรือยังัไม่เคยเลยค่ะมีอะไรไหม มีค่ะมี อ, ะอยากจะสอบถามเรื่องเวรกรรมโดยเฉพาะค่ ะ, <ฮ>ะก็ลองคิดออกมาว่าเวรกรรมทั้งหมดถ้าแบ่งออกมาเป็นสี่รูปแบบจะมีคําตอบที่ต่างกันยังไงอะค่ะขอเรียนถามนะคะค่ะก็อะไรบ้างมาเชี่ยรูปแบบไม่เปนอ น, นี่แก้แๆ่แค้อสงสัยอรัเป็นเรื่องว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนนักกันเมืองอะค่ะแล้วเราก็แบบอยากให้เขาไม่ตายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปแล้วจะไปเป็นวิญญาณมาสิงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าอย่างกรณีเนี้ยค่ะเรามีเวนกับเขาไหยเรามีกรรมกับเขาหรือเปล่าอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่มีแต่เราเรียนแต่คิดไม่ชอบเขาเนี่ยสาดแช่งเขาในใจไม่ยังไม่มีเวนมีกรรมแต่ถ้าเราไปด่าเขาต่อหน้าเขาสาดแช่งเขาในีือเขาจะเริ่มมีเวนะเพราะเขาจะเกลียดเราแล้วเราก็จะกรรมมาด่าเรา เราด่าเขาได้ครับก็ต้องด่าเราได้ไดไดไดค่ ะ, คะกรณีที่สอง น, นะคะก็สมมุติว่าถ้า เ, เราเป็นผู้ไม่บริไม่พอเพียงในการบริโภคอะค่ะแล้วก็ใช้ของเยอะแล้วสุดท้า ย, เ, ยเราก็เป็นหนึ่งที่ในส่วนที่ทําให้โลกเกิดพวกพีเอมสองจุดห้ามีพวกโพลิชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายเราสมมุติอย่างพวกที่เราทำร้ายคนหรือสัตว์อย่างพวกที่เขามีอาการปุมแพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะอย่างกรณีเนี้ยเรามีเวรมีกรรมกับคนหรือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวด ล, ล้อมที่แย่ลงหรือเปล่าคะถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปทำเขาโดยตรงก็ไม่มีบร้อ์มันเป็นเรื่องของผลข้างเคีงที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็รับจากคนฟังบริพ่อของคนอื่นด้วยเใช่ไหม แ, แล้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นไขรแล้วเราจะไปมีเวทีกรรมกับเขาได้อย่างไรเราก็ถือเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกั น, นเราต้องมีการมีมีผลกระทบต่อกันแต่ไม่ได้เกิดจากการมีเจตนาที่จะมาทำร้ายกันโดยตรงมั น, นก็ไม่มีเวนีกรรมค่ะวอนนี้ที่สามค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดเรากับเพื่อนอะไเงี้ยขับผด กันให้หรืออะไรเงรี้ยจริงๆคือสาเหตุที่คือเราให้เขาเพราะว่าเราอยากให้เขารักเราแล้วเหมือนกันเพื่อ น, นเหมือนกันก็คืออยากเจอหน้าเราอยากเรารักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีเ น, นี้ยการใหท้ที่ที่ได้รับมาเนี้ยค่ะเราถือว่าเรามีกรรมกับเขาไหมคะต้องไปใช้กรรมเข้อชาตหน้าหรือเปล่าคะก็มันอยู่ที่ว่าเราทำด้วยด้วยความผูกพันหรือไม่ถ้าเราทําด้วยความผูกพันที่เราอยากจะ ให้เขาเขาอยากจะให้เราถ้าหน้าท่านเจอใครก็ยากก็ยังมาทํากันต่อแต่ก็คือไม่ได้ถือว่าเป็นกรรมที่มีต่อกันเป็นแค่ความผูกพันมันก็เป็นบุญหรือใช่ทําถ้าเราให้ทําความให้ความช่วยคนอื่นเราเรียกว่าเป็นการทำบุญไม่ได้เป็นการทำบาปค่ะเรเรียกว่าเป็นคู่บุญอะเรกันใช่ไหมเราเป็นคู่บุญกัน เน่ถ้าไปพบกันที่ชาตหน้าก็จะร่วมทำมือกันต่อร่วมเป็นคู่บนต่อถ้าเป็นคู่กรรมก็มาจะคราวหน้าก็ต้องร่วมทับกรันต่อค่ะมันก็นี่สุดท้ายค่ะอย่างสมมุติั้งเกิดเราบริจาคเงินนะหรือว่าอะไรที่ให้ไปรู้สึกว่าเราไม่ได้รับต้องการผลตอบแทนอะไรเงี้ยค่ะผู้ที่ได้รับไปเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าต้องมาชดใช้กรรมกับเราใช่ไหมคะ ถ้าเราให้โดยที่เขาไม่ได้มาขอร้องอะไรหราเขาก็ไม่เป็นหนี้อะไรกับเราแต่ถ้าเขามาขอเราแ ล, ะละ้วเราให้เขาไปนี่เขาจะเป็นหนี้เราต่อไปแลา จ, จะขอขอคืนขอให้เขาช่วยรือเรานี้ถ้าเขาไม่ช่วยหรือเราก็แสดงว่าเขาไม่ชดไม่ชดใชน้นี่หรือเขาไม่มีความกระตัน แต่ถ้าเราให้เขาโดยที่เขาไม่ได้มาขอเราเนี่เขาไม่เขาเขาไม่ต้องชวใช้ให้กับเราเพราะเราเขาไม่ได้มาขอขอเราให้ให้เราไปช่วยเขาเราอยากจะช่วยเขาเองเขาจะเขาจะช่วยเราก็ได้ไม่ช่วยเราก็ได้แต่ถ้าเกิดให้เราเราคาดหวังว่าเขาจะต้องช่วยเราอันนี้คือผิดที่เราเองใช่ไหมคะใช่เร า, าให้เรา มันก็ไม่ไมรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมบางทีเา จ, จะช่วยเราบางทีเขาไม่ช่วยเราก็ได้ถ้าเราหวังแล้วเขาไม่ช่วยเราเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่หวังก็ไม่ช่วยเราเราก็ไม่เสียใจขอบคุณค่ะอาจารย์นะครค่ะโอเคในที่คุณ น, นพัตน์นนทพัฒน์อย่าธรร เจ้าค่ะพระอาจารย์นรัมสการ์เจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามค่ะแล้วก็เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคยันคนฟังว่าอะไรใช่สิริชาการเจ้าค่ะเป็นแจ้งพระอาจารย์ข่ามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดเจ้าค่ะแล้วก็พอดีมันเป็นเหตุมันเกิดแม่ด้วยแล้วก็พาแม่เข้าไปที่วัดปรากฏว่าไปที่วัดแล้วไปเจอ ไปเจอตลาดนัดเจ้าค่ะแล้วก็เสียงเสียงคนมาแก้บนดนตรีเสียงดังมากหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนทําบุญไปหนูไม่มั่นใจว่าหนูหนูทําไปด้วยจิต บ, บริสุทธิ์หรือเปล่าไปมันใจมันก็แวบมาว่าของที่ทําบุญไปมันจะได้บุญหรือเปล่า เ, เจ้าค่ะคือเราทําเราได้บุญแล้วแต่ของที่เราไปนั่นก็อยู่ที่ว่าเขาจะไปใช่อะไรนันไม่ใช่เรื่องของเรา นนถ้าเราถ้าเราคิดว่าเขาไม่เราไปใช้ตามเจตนาที่เขาควรจะไปใช้เราก็อย่าไปทํากับเขาต่อไปค่ตอนแรกให้น้องชายเลือกวัดค่ะก็ขอเป็นวัดปั้นบ้านอะ่ะปรากฏว่าน้องชายเขาก็เลือกที่ที่ตามสะดวกเราก็เลยคิดว่าเราก็ไม่กล้าขัดเขาแต่พอไม่เหมือนมาที่วัดยาเลยนะคะคนคนละแบบเลยก็เลยรู้สึกว่าจิตมันแวบขึ้นมานิดนึงแต่ก็พยายามควบคุมควบคุมสติว่าไม่ให้คิดเยอะ ก็มันก er ็เป <todos os> <is> ็นเหมือนกับร้านอาหารร้านอาหารมันก็มีหลากหลายใช่ไมันก็เราก็ต้องเลือกร้านอาหาที่เราชอบกินแล้วมีความสุขวัดก็เหมือนกันแล้วต้องเปนเรื่องว่าที่เราไปแล้วมีความสุขแต่คนที่ไปวัดนั้นก็คงจะมีความสุขไปก็ถึงไปขัาเราชอบแบบนั้นเขาก็ได้แบบนั้นแต่เราไม่ชอบแบบนั้นก็เลยไม่เราก็เลยไม่มีความสุข ก็มีโอกาสได้เข้าไปนั่งสมาธิในส่วนลยจะถักช่วงประมาณตีห้าครึ่งเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าชอบค่ะเราคิดว่าถ้ามีโอกาสน่าจะได้ไปทำแบบนี้ค่ะโ okay. อเคก็ดีค่ะคำว่าคนถักท่านี้เลยค่ะนคนราฟาเอลมีที่ไหนราฟาเอลชื่อชื่อสเปนิชที่ไ อยู่อยู่สมุตปรปากันค่ะ oh. ชื่อชื่อละไฟเอลชื่อสเปนนิชค่ะชื่อชื่อตึกที่หนูอยู่อยู oh, <she> ่ค่ะอ๋อชื่อตึกค่ะชค่ะชื่อคุณพ่อแล้วก็เมือรายงานผลอาทิตย์ที่แล้วค่ะอ่เฮ้หลวงพ่อบอกว่าถ้าสามารถตีมีเว้งได้ ที่เอ่อถ้าเกิดว่าเราสามารถเลี่ยงตัวเองออกจา ก, กดีเลยตัญหาได้ก็ให้พาตัวเองออกไปแต่แล้วหนูก็เลยมีคำถามต่อว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่เผชิญแล้วเราแก้ปัญหาตรงนั้นได้มันไม่ดีกว่าหรอคะก็ดีทั้งแก้ปัญหาได้ก็ไม่ต้องไปออกไป เพราะว่าถ้าเราถ้าเราปีกออกไปมันก็คล้ายๆกับว่าเราก็หนีปัญหาในระดับหนึ่งไหมคะถ้าเราถ้าเรายังแก้ไม่ได้แล้วถ้าอยู่แล้วมันเป็นปัญหาแลเราก็เราก็ปิดออกไปก่อนแต่ถ้ า, <ป>ถาเกิดเรารู้สึกว่าเราเราสามารถแก้ได้ก็ค่อยกลับไ ป, ปเผชิญใช่ใช่แล้วไปซ้อมวิธียึดถืวิธีแบบวิธีแก้ปัญหาว่าแก้ยังไง<ช>เราซ้อมได้แล้วก็กลับไปลองแก้ดูว่าได้แบบ แล้วก็เราจะแค่นี้กันแล้วก็ อ, อ, อีกอันนึงที่หนูจะทำคือเรื่องเนวะสัญญาค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะตัดมันก็สามารถตัดได้ใช่ไหคะแต่เมื่อวานหนูไปเจอคำานึงมามีคนพูดกับหนูว่าที่เนี่ยเขาเน้นเรื่องความกระตันอยู่หนูก็เลยเหมือนกับ มันกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับเขาทำเขายั ง, งนี้เพื่อที่เพื่อที่จะให้วนกลับมาหลูกเพื่อช่วยเขาอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้คำว่าคำว่ากระตันอยู่เพื่อที่จะให้มันยังอยู่ในหลูกนี้อยู่ถ้าคือเราต้องแยกว่าคำสอนเรื่องของํากระตันอยู่นี่เป็นคำสอนที่ ที่ถูกต้องที่ทุกคนคนจะมีกันแต่ไม่ได้หมายความว่าอสอนเพื่อให้เราอตอบแทนคนที่สอนเราอย่างนี้เลครับถ้าคนที่สอนมีเจตนาที่ต้องการให้เราตอบแทนก็อันนี้ก็เป็นัดเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เป็นคาสอนที่ไม่บริสุทธิ์สอนนี้ไม่ได้ต้องการที่จะให้เขามา ตอบแทนคุณคุณให้กับเราแต่สอนเพื่อให้เขาเป็นคนที่รู้จักคุณคุณและเมื่อเขามีโอกาสที่จะตอบแทนคุณคุณให้กับผู้มีพระคุณน่าเขาเนควรที่จะทำเพราะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเขาเองค่ะและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรารู้ว่ามันเคยมีอะไรต่อกันอย่างเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราจะตัดตรงนั้นไปแล้วก็เรียกว่าเพราะถ้าเราก้าวผ่านคํานี้ไป ในแง่ที่แบบตรงนี้เราเราจบกันแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วเราเก้าวต่อไปมันก็ไม่เห็ผิดถ้าเราไม่ไปทำํำงานเขาเราก็ไม่ผิดก็ถือว่าเราเราเลือกทางที่เราจะไปต่อเอแล้วก็ไปทางของเราเสียงเรื่องมุญคนค้างไว้ก่อนก็ได้แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะทดแทนก็ก็เก็บไว้ก่อนแล้วถ้า ม, มีโอกาสเมื่อไหร่ค่อยว่ากันก็ได้ ไม่ได้ไหมายคามได้ต้องทดแทนกันทุกครั้งทุกเวลาไปอ า, อาจจะเราไม่พร้อมหนึ่งไมได้เรื่องอันยังไงไม่มีเวลาที่ไม่มีโอกาสที่ทําให้เราต้องไปทดแทนบุคคลเขาก็ได้ถ้าเขาไม่เดือดร้อนอะไรอย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องไปทดแทนบุคคลไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาเดือดร้อนขึ้นมาแล้วเราช่วยเขาได้เราก็คนจะช่วยัอเขาในลักษณะนั้นอาจารนะ ไม่ได้เป็นลักษณะว่ายืนหนูยืนแมวเขาทํำให้เราต้องไปทําให้เขาทันทีไม่ใช่ตอนตอนแรกที่หนูได้ยินหนูเลยรู้สึกเหมือนกับว่าพอพ อ, พอมติดคําเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเขาโตวกว่าอย่างเงี้ยเราก็ยังจะต้องอยู่ช่วยเขาไว้เรื่อยๆอยู่ตอบแทนเขาไปเรื่อยๆอ๋อแล้วแต่เหตุการณ์รใช่แต่ถ้าแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้รอนเขาต้องก า, ารความช่วยเหลือของเราถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เรเาก็อยู่ช่วยเหลือก็ไป อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถโตแบบโนาไปอีกระดับหนึ่งได้แล้วเราก็สามารถกลับมาช่วยเขาได้อยู่ดีแบบนั้นก็ได้ก็ได้<อ><อ>ไม่<อ>ว่าไม่ใช่ว่าเขาก็จะกดเราให้ให้อยู่ถ้าเขาบังคับให้เราอยู่เพรางนี้ก็ไม่ใช่เป็นการทดแทนบุคคลถ้ามันเป็นการบังคับกันบุคคลนี้่ถ้าไม่มีการบังคับมันต้องออกมาจากใจจากจิตสํำนึกของผู้ตอบแทนบุคคล ว่าตอนนี้อยากจะตอบแทนคุณคืนหรือไม่ตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะตอบแทนคุณคืนก็ขอเอาไว้ก่อนไปทําหน้าที่ของเราก่อนเมื่อเราพร้อมแล้วเราไปกลับมาตอบแทนคุณก็ก็ได้แต่การทําบุญนี้ไม่ไม่คนที่จะไปหวังคุณไม่ต้องการหวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราไปให้ความช่วยเหลือทําต้องทําแบบว่าทําเพื่อให้เขามีความสุขสว่วนเขาจะไป เขาจะมาตอบแทนหรือไม่นั้นอยู่ที่จิตสำนึกของเขาไม่มีการบังคับกันพอ <Okay. S 1> ใจไหมพอใจค่ะแต่การมี<อ>การมีม จ, มจิตสำนึกที่จะตอบแทนลุนคืนของผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่ดีแต่เวลานี่ข้าอยู่กับการละเทศเนะนะครับเวลาไหนเหมาะหรือไม่เหมาะอี่าไร มาขออภัยอาทิตย์ที่แล้วด้วยค่ะพอดีไม่เห็นว่ากล้องมันยังเล็กคอร์ดอยู่หนูก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้กล้องมันสั่น <laughs> โอเควันนี้อาจจะออกก่อนแล้วเดี๋ยวไปตามในเฟ e บุ๊ k ต่อแทนจะได้ไม่ต้องออกกล้องได้ได้โอเคสวัสดีวันทันติมาหรือทันติมาโอเค อยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระาอาจารย์อยู่ที่กราสโตสกัลแลนด์ค่ะ <Glass> door, วันนี้เป็นครั <Scotland. S 2> <อ>้ง แ, <ล>แี้หนาวค่ะวันนี้หนาวแต่ก็ยังยังถือว่ายังหนาวไม่เยอะประเภท7องศาแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะซัก1องศาค่ะท่านเซลเซียสหรือว่าเซลเซลเซียส <Celsius. S 2> เซเซก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาเข้าซูมวิดีโอกับท่านนะคะปกติจะฟังไลฟ์ตอนเช้าคือเช้าของที่นี่อะค่ะประมาณเจ<บ>็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าตอนทีนนใช่ค่ะก็อันนี้ก็เลยเข้ามากราบสวัสดีคะ่ะท่านแต่ว่าไม่มีคำถามคะ่ะถ้ามีคำถามเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะมะีถามท่านแต่ตอนนี้นนก็ยินด้ ลูก ป, ประเทศนะเปนวันถ้าชาบภาษาอังกฤษก็เข้ามาเป็นอังขายก็ได้ภ า, าษาอังกฤษคือวันนั้นคะาะแล้วฟังภาษาไทยดีที่สุดท่านแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าถ้าได้มีโอกาส ก, ากับเมืองไทยนะคะถ้าได้ไปเยี่ยมเมืองไทยก็จะหาโอกาสไปนิมนต์ค่ะใช่ <c oughs> ๆโอเคนั้นขอไปที่ท่านต่อไปคนรุ่งเชิญคนุ่งอยู่ที่ไหน ครับนะพิการพระอาจารย์ครับผมอยู่ที่ไหนแต่ลรสศนครับเข้ามาเมื่อรอบก่อนแล้วครับผมมีคำถามอะไรไหมก็ยังไม่มีครับเพียงแต่ว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะติดสงบพอสมควรคือไม่ได้ไไม่ได้ไม่ได้เดินปัญญาติดสงบติดเข้าไปสงบอยู่ในสมาธิอย่างไะครับปกติผมก็จะสลับกันเช้าเย็นอย่างเงี้ยครับ ก็บางตอนตนี้ยังไม่ต้องทั้งหมเรื่องปัญญามากก็ได้ไเราพ<ม>ยายามทําใจให้สงบให้มากว่าให้มีอุเบกขามากๆก่อนครับเพื่อที่เราไปใช้กับปัญญาต่อไปได้ปัญญาก็พิจารณาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราครับผมแล้วก็ปล่อยวางนะอยากไปยึดอยาไปจิอปตอย่าไปคลึงเขาอืมครับผม ปกติผมจะทําสลับกันนี้ฮะแต่ว่าอะรู้สึกว่าอาทิตย์นี้ทําไมเราติดสงบจังติดอยากจะเข้าไปนิง่งไม่เสีหยหายหรอกทะเพราะมันเป็นความสุขครับแต่ว่าอย่าทำอย่างเดียวถึงเวลาก็ต้องหายมาฝึกสอนใจให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ของเราอืมครับผมเวลาจะได้ไม่ไปไปพึ่งเขาไ ป, ไปอาศัยเขาพ่าเขาไม่เป็นสิ่งเขาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันดีขึ้นดีเขาก็ต้องจากออกไป ครับผมก็ทุกวันนี้ก็ได้อาศัยร่างกายเอามาพิจารณาบาา้างบางครงมันก็มีเจ็บปวดบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยปวดเท้าบ้างอะไรบ้างก็เลยเอามาพิจารณาไป ม, <อ>มันก็ไม่เทียงเหมือนกันแล้วก็พึ่งมันไม่ได้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมันก็เรองายามเป็นไปครับผมถ้าเราไม่พิ่งมันเราก็จะไม่ทุกข์ครับ แล้วจะมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมบ้างไหมครับเพราะว่าก็ไม่มีเนี่ยก็สองอย่างนี้ระวังเวลาสมาธิก็นั่งได้เวลานั่งสมาธิก็นั่งไปไอเราแต่สมาธิมาก็เจริญปัญญาไปครับผมนทำสลับกันได้เพราะว่าที่ผ่านมาที่ติดสงบพอสมควรแล้วก็ติดมากเลยก็ติดแบบนั่งพบจะเอาสงบอย่างเดียวเลยก็ไม่เ ป, เป็นไรนั่งเขาให้สงบก็ถูกต้องแล้วนะ เห็นได้มากเวลาออกจากสมาธิมาเช่นตอนเนี้ยมันจะพิจารณาทางปัญญาได้ครับผมมันไม่ต้องพิจารณาปัญญาในขณะที่นั่งเข้าใจไหยครับผมมันไม่ใช่นะมีแต่เรานั่งนิ่งให้มันนิ่งเงี้ยมันสงบไม่พิจารณาอะไรเลยถรกขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวัอเนี่ยประตอนปกติเั็นอะไรก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเลยด้วยด้วยครับผม มัน<บ>การการเดินปัญญาเดินตามที่เราไม่ได้เข้าสมาธิอืมครับแล้วเราควรจะทํายำไงบางครั้งเราเกิดความท้อแท้เหนื่อย<ม>หน่ายเหนื่อยหน่ายบ้างบางครั้งก็มีครับอารมณ์แบบนี้แต่ก็ามาพักพักจิตเสร็จแล้วพอท้อแท้เหนื่อยหน่ายก็เข้าไปสมาธินะครับนี่ก็หายบางครั้งก็คิดว่าเอ๊ะมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วครับไปกินได้ก็ปล่อยไปก็เหนื่อยมันก็หายเองก็ได้ครับผม ได้ทั้งสองแบบถ้า ใ, ใช้ปัญญาไม่ได้ก็กับเพ้าไปพึ่งสมาธิก่อนอืมครับพอจิตสงบความท้อแท้มันนานมันก็จะหายไปครับผมอาจารย์ครับผมถ้มนนาใช้มันได้ก็บอกว่ามันไาเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นอารมณ์เป็นเหมือนไม่หมุนตองปลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็หายความทอ้อแท้มันไม่ได้ทอ้อแท้ตลอดเวลาใช่ครับผมก็ได้ทั้งสองอแยบบ่าง ครับกาบขอบพระคุณครับจะมันพิจารณาหมั่นเพียนปฏิบัติไปครับผมโอเคดี <Okay. S 2> ครับกาบไปที่ท่านต่อไปนะดรคเนธเนะคือดรคเนขอบ ป, ประธานโทษพระอาจารย์ด้วยครับจริงๆอยากเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเอาแอคเคาท์ของมหาลัยเข้ามาแล้วหาวิธีเปลี่ยนชื่อจริงๆก <laughs> ็ๆ อ, อยากเอาชื่อเฉยๆไปลองพยายามเปลี่ยนอยู่หลายวิธีแล้วไม่สำเร็จคัะ ก็เลเป็นรองศาสตราจารย์เนี่ยต้องขอประทานโทษจริงๆครับอยากเข้ามาด้วยด้วยชื่อปกติครับครับก็จริงๆก็แต่เดิมก็ฟังพระอาจารย์อยู่ในยู u ู e เวลาไลฟ์สดครับแล้วก็วันนี้พอดีภรรยาบอกว่าเนี่ยจะเข้าซูมก็ได้ แล้วก็ให้เข้าผมก็เลยเอาแอร์เข้ามาอะไรเข้ามันก็เลยเข้ามาประมาณนี้ครับพระอาจารย์ก็ไหนๆเข้ามาแล้วก็อยากจะส่งกันบ้านพระอาจารย์ครับครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตผู้สภาวธรรมที่ที่ที่เคยปฏิบัติมาก่อนก็ปฏิบัติตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งทํางานนะครับพระอาจารย์ก็เคยเดินจงกรมกับคุณแม่สิริกลินชัยอะไรเงี้ยแล้วก็เคยไปแบบ นอนในป่าช้าอะไรเงี้ยเพราะคือว่าตอนสมัยหนุ่มๆก็จะจริงจังนิดนึงแล้วก็เห็นไอ้พวกขันห้าอะไรพวกเนี้ยเห็นเห็นขันห้ามันทํางานแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยช่วงแรกๆก็่าได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็บอกว่าขันห้าไม่ใช่เรามันเกิดมันดับแล้วมันไม่ใช่เราตอนแรกที่ที่ได้ยินเน่ยมันก็ในใจมันก็ไม่เชื่อมันก็ยังยังรู้สึกว่าขันห้ามันเป็นเราอยู่ยังยังอะไรอยู่ครับ พอปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆแล้วฟังไปเรื่อยๆมันเหมือนกับ ว, ว่าตอนนี้ในใจอ่ะมันมันเชื่อว่าขันห้าไม่ใช่เรามันมันเห็นทุกอย่างมันมันเกิดมันดับอะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สติมันขาด ก็ยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สติมันไม่ทนันความคิดไม่ทันอารมณ์มันก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเรามีความรู้สึกว่าอะไรอย่างนี้อยู่ครับอาจารย์ปัจจุบันที่ฝึกก็ก็เป็นประมาณนี้ฮรแล้วก็อ่ามีประเด็นอื่นๆเหมือนกันก็คือผมอ่จะจะทันความคิดในถ้าเผื่เป็นความคิดในฝ่ายอกุศลนะ่ะสติมันจะทนันมันก็จะแบบ หยุดหยุดไว้ได้รู้สึกว่าจะหยุดมันไว้ได้แต่ถ้าเผื่อความคิดที่มันเป็นฝั่งฝั่งกุศลผมรู้สึกว่าจิตผมเข้าร่วมกับมันง่ายมากเลยครับอาจารย์คือเหมือนกับว่าบางทีตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราควรพูดเราควรจะฝั่งเราให้เขาพูดจบก่อนแล้วเราถึงพูดอะไรเงี้ยแต่จิตเรามันเข้าร่วมแล้วปากมันก็ก็ยังพโล้งออกไปเงี้ยครับอาจารย์ประเด็นนี้ก็รู้สึกว่าอย่างย่งแก้ไม่ได้ในในกรณีที่ความคิดมันมันเป็นแบบ เป็นในฝั่งกุศลในฝั่งความดีไม่ได้เผยเผยพาะใช้พูดโธอยู่มันเพราะเราไม่ว่ามันควรจะหยุดเราพูดโทพูดโธพูดโทไปแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คืออ่าเวลาผมอาจจะถนัดเดินจงกรมเวลาเดินจุกรมของผมก็คือเดินเดินปกติเลยแล้วก็ก็รู้สึกตัวไปแล้วเมื่อไหร่มีความคิดเกิดขึ้นผมก็จะรู้ไวๆแล้วก็กลับ กลับมาอยู่กับการเดินเมื่อไหร่มีความคิดเนี่ยลมเกิดขึ้นก็จะรู้ไวๆแล้วก็กลับมาอยู่กับการเดินการเดินจงกรมก็จะมีสติดีแต่ผมจะติดปัญหาตอนนั่งสมาธิคือเวลานั่งสมาธินั่งไปสักพักหนึ่งอะ่ะสติมันก็จะขาดนะครับตัวนี้ผมยังยังแก้ไม่สําเร็จครับอาจารย์อาจารย์มีคําแนะนํำไหมครับก็เวลานั่งนั่งดูลมแล้วนึงใช้พุทโธ ครับเวลานั่งเนี่ยดูอะไรใช่ใชับเวเวลานั่งใช่ไหมครับเวลานั่งผมก็จะดูดูลมหายใจแล้วเมื่อไหร่มีความคิดผมก็จะรู้ไวๆแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็สักพักพอมีความคิดก็จะรู้ไวๆแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็สังเกตดูว่ามันจะมีบางครั้งที่ความคิดเกิดขึ้นแล้วพอจิตอ่ะมันไม่ทันที่จะไปรู้ความคิดคือมันไปจมกับความคิดพอความคิดดับปุ๊บ มันก็ดับไปพร้อมคำคิดเลยครับแล้วมันก็ขาดไปเลยอะครับขาดสติไปก็เป็นเรื่องของสติของเรายัางมีกําลังไม่มากพอก็ต้องเหมือนเจริญสติเวลาด้วยไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินเวลานั่งต้องเจริญสติตั้งแต่เราเริ่มตาขึ้นมาเลย uh huh. ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มมีสติให้อยู่กับร่างกายไปไม่ก็เดินจกงกรม นั่งกายแปลงฟันก็ให้อยู่กการแปลงฟันนัางกายร่ง า, ยางหน้ า, ก, า, า, นาก็อยู่กับการร่างหน้าไปแล้วต่อไปสติจะมีกําลังมากขึ้นในเวลาหน่าสติจะไม่หายขอบพระคุณครับอาจารย์เข้าใจไหมเข้เาใจครับท่าเพิ่มสตินะในขณะในทุกกิริยาหมดต้องการขึ้นมาให้มีสติกับการขึ้นมาของร่า ง, งกายไปเ ร, รื่อยๆเหมือกนการเดินจงกรม เราสามารถเจริญสติในท่างได้ท่ากินท่านั่งท่ายืนท่านอนท่าอาบน้ท่าแต่งตัวท่าอะไรนสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาขอบคุณครับอาจารย์ต้องไปเพิ่มตรงนั้นผมรลยยังรู้สึกว่าจะขี้เกียจกับอริยบทปัจจุบันอยู่ใช่ไครับถ้เพิ่มถ้าเพิ่มแล้วเวลามานั่งสมาธิสติจะมีกำลังมากและจะไม่หาย จะไม่ต้องจะไม่ตามไปกับความคิดจะอยู่กับลมอย่างเดียวเข้าใจนะเข้าใจครับครับคุณครับอาจายจาเดี๋ยวจะลงไปทําแล้วก็จะมาส่งอาจารย์สอ น, สอ น, นนะอสอนอยู่ที่ไหนเนะอ๋อสอนอยู่ที่ศิลปากรที่นครปฐมครับศิลปากรครับตอนวิศวะครับจะอยู่มอสตุ๊กปอะด์คไหนวิศวะวิศวะอุตสาหการครับพวกวิศวะโรงงานนะครับคอุตสาหกรรม ใช่ครับอินเอร์เน็ตเนี่ยครับผมต่อมาก็เป็นซีโร่เอนจิเนียร์อ๋อครับโยธาโอเคก็ยินดีที่ได้รู้จักขอะคุณครับมาได้ครับครับครับที่คุณนิดตอคุณนิดอยู่ที่ไหนคุณนิดนักมรศการค่ะพระคุณเจ้าในอังกฤษค่ะ เมืองไหนเมืองอะไรอยู่อังกฤษค่ะอยู่อังกฤษค่ะเมืองลอนดอนเนืออยู่อ่าสวันซีค่ะอยู่สวันซีอยู่ sea, ยแถบวนซีเวลเจ้าค่ะอ่าพอดีหนูจะบรบกวนถามพระอาจารย์ค่ะอะ่ช่วงนี้สถานปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์เปิดไหมคะเพราะว่าหนูกับวันที่เจ็ดเปิดน้าที่วันเขาให้ที่มาอยู่นุ่งขาวของขาวเจ็ดวันสาวันห้าวันเจ็ดวันใช่ไพื้นที่เป็นบ้าน หรือว่าไปเยี่ยมเยียนเฉยๆก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋อยากไปตอนนี้วันเปิดนะเขาไปทําบุญได้ทั้งหมดเจ้าค่ะเพราะว่าหนู่กลับเดือนมกราก็ก็มาขอพรพระอาจารย์เจ้าค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแค่อยากกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่สองปีแล้วเจ้าค่ะที่ไม่ได้กลับไทยไม่ต้องขอแล้วมันมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราพยายามมันก็สําเร็จอย่างนี้สาธุเจ้าค่ะค่ะไม่มีคำถามอะไร ลาตูมาที่คุณก้องตอนก้องก้องอยู่ลาดบุรีใช่ไหมนี่เพชบุรีบ้านอยู่ที่เพชรบุรีครับพรอาจารย์แต่ว่าเรียนที่ราดบุรีครับผมมีคําถามอะไรไหมครับพรับผมว่าวันนั้นผมถามในของคุณหมอครับพระอาจารย์เรื่องเรื่องสินข้อที่สามครับแต่ว่าผมยังถามไม่ค่อยจะเคลียร์ครับ ก็คือว่าคือคําว่าผู้ปกครองไงครับอาจารย์คือสุดท้ายแล้วใครใครแบบถืว่เราบรรลุนิจจภาวะอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วแบบใครต้องเป็นคนตัดสินครับว่าแบบคนนั้นเขามีผู้ปกครองไหมหรือว่าไม่มีครับคือถ้าเราคารมพ่อแม่เราเราเคยยังไงถึงไม่จะอายุ ก, กิจขวดแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่เขาให้พรเราให้้อง ยินดีกับคู่ของเราการที่เราจะมีคู่เรามันมีคู่การทำที่นั่นก็จะดีอืแต่ถ้าพูดตามหลักกฎหมายเ้วเราอายพุพ้นนิติภาวะไปแล้วเราก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นตัวของเราเองแล้วก็สามารถที่จะเลือกคู่ของเราได้ไอ้นี่มันก็ไม่ผิดศีลใช่ไหมครัอบอาจารย์ อือถ้าเราเล่นเดียวใจเดียวมีกู่ความกี่คนนี่ก็ไม่ผิดะแต่ถ้าเรามีกู่ความวันนี้เล่นยวก็แอไปมีอีกคนเนี่ถึงแล้วเรียกว่าผิดคือถ้าไป ม, มีชู้อย่างเงี้ยอือครับหรือถ้ายังยังไม่โตยังยังไม่ยังไม่ได้แต่ง ง, ง, งานแล้วก็ไปเที่ยวเปลี่ยนผู้หญิงวันนั้นผู้หญิงวันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ถือว่าเราพิ่มผิดตรงในนี้ได้ ถ้าให้ถูกถ้าให้ถูกประเพณีก็ให้แต่งมาแล้วก็อยู่กับคู่คู่คองของเรารักเดียวใจเดียวถ้าจะถามที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราเที่ยวอะไรเงี้ยทําไมมันถึงผิดก็เพราะว่ามันไม่มันไม่มันไม่ใป็เป็นเประเพณีของมนุษย์เนี่ยมันเป็นประเพณีของของสารเดราชานเดรัชานก็เที่ยวหาคู่ขงมันไปเรื่อย ถัากเกิดหมาไมมามันก็เบี่คู่ไปเรื่อยๆมันเจอตัวไหนมันก็มันก็ร่วมเพศกับมันไม่มีครอบครัวในบรรุุธรรมนีเม่เป็นมีการมีเพศสัมพันธ์นีเพื่อเพื่อสร้างครอบครัวขึ้นาหรือาต้องการความสุขจากการร่วมเพศก็ให้มีคนเดียว เพราะว่าถ้ามีหลายความนี่มันมีปัญหามีความทุกข์ตามมามันจะมีการรับเชื้อโรคมาแพร่ให้ตับการอากัศ น, น, นี่สมัยนี้เชื้อโลกเยอะเรจะทําให้การมีมีมีมีคู่ความนี้ไม่ไม่มีความสุขถ้อยากจะมีความสุขจากการคู่ความก็ให้รักเดียวใจเดียวครับนี่คือปาฏิหาย เพื่อให้เราไม่มาต้องทุกข์แบบการร่วมเพศกับถ้ารู้จักร่วมเพศแบบปลอดภัยนี่มันก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับถ้าไปร่วมเพศแบบไม่ปลอดภัยไปนอนกับคนนี้แล้วไปนอนกับคนนั้นไปรู้จักเชื้อโรครเข้ามาแล้วไปแพร่ไป เ, เลยนีอ่อะไรแล้ว ก, ก็ตัวเองก็เป็นโรคไปติดเอชขึ้นมาทีก็ยุ่งหมดใช่ไหมครับคิดบ้างรูปแบ บ, รบเรนะาจนะทำเนี่ย ครับพอาจารย์ถ้าผมยังงงครับพระอาจารย์ว่าอย่างตอนแรกพระอาจารย์บอกว่าถ้าเราเออถ้าแบรรลุนิสิภาวะแล้วมันก็ถือว่าแบบไม่ผิดสิใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายคนทําไมถึงผิดนะครับพระอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่ามันมันเป็นอันตรายมันเป็นโทษมันมีหลายคนคนที่เรามีด้วยเขาค่อยจะ เขาก็จะโกรธเราทีเา่เราไม่ไปรักเขาคนเดียวเราไปรักคนอื่นด้วยเขาก็โกรธเราอ๋อครับแต่ถ้าเกิดว่าเราก็ไปสร้างความเกลียดชังให้กับเขาเพราะมันมันอันนี้มันก็จะแบบสอบไปทํปทาร้ายจิตใจเขาถ้าเกิดอย่างนี้มันก็จะผิดสินใช่ไหมครับอาจารย์เออถ้าแต่ทางผู้นก็ทุกอย่างถือว่าผิดสิน แต่ว่าไปขโมยทรัพย์ของคนเหนื่อยก็ทําทให้เขาทุกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเหมือนฝรั่งเนี่ยถ้าเขาตกลงกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดใช่ไหมครับถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ผิดเพราะไอ้ชลางเมื่อกี้ตกลงให้มีภรรยาได้สี่วันเนี้ยก็ไม่ผิดมันเป็นละเเพนีของเขาไปถ้าถ้าทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้ก็ไม่ผิดออยากจะไปชวิ่ง สวิงกิ้งอะไรกันก็แล้วแต่ถ้าทั้งคนตกวงกันโอเคก็ไม่มีผิดนะครับอาจารย์แต่มันก็ผิดประเภทนี้ของคนธรรมดาทั่วไปว่าคนธรรมดาทั่วไปก็ม ไ, ปไม่ทำแ บ, บนกันนะครับโดยหน้าร่างเดียวใจเดียวได้กู้เดียวนี่มันก็ปลอดภัยครอบครัวก็มีความสุขบ้านไม่แตกสหลหร่ายข ครับนั่นคือความหมายของของศีลข้อนี้เพื่อให้เราถ้าเราต้องการมีเพศสัมพันธ์ให้มีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยแบบปราศจากทุกปราศจากความวุ่นวายคอือครับเข้าใจนะครับพอาจารย์อาจารย์ครับแล้วก็วันนั้นในในที่ในไลฟ์ของคุณหมอครับผมก็ฟังที่เรื่องที่ว่าเขาถามว่า เด็กที่เกิดมาแล้วพ่อแม่เขาเสียอย่างงี้ครับแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงดูที่เขาถามว่าเป็นกรรมของเด็กหรือเปล่าครับแล้วแล้วพระอาจารย์ก็ตอบว่าอ่าบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมอะครับแล้วก็เป็นสิ่งสุดวิสัยอย่างเงี้ยครับผมจําได้ว่าประมาณเนี้ยครับอนี้ผมก็คือไม่ผมไ ม, ไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบ มันทุกอย่างมันมันไม่ใช่กรรมทั้งหมดครับอาจารย์หรือว่ามันเป็นกรรมใหม่ครับคือกรรมคือการกระทําของเราทางกายทางวาจาทางใจถึงจะเป็นกรรมแต่ถ้าเกิดโดนพายุน้ําท่วมอย่างบางทีมันก็ไม่ได้เป็นกรรมมันเป็นเรื่องของพายุในเหตุปจยยัจจัยอย่างที่ทําให้เกิดเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหกัน บางทีก็เกิดจากการเป็นการกระทำของเราในอดีตแล้วมันก็ส่งผลมาในปัจจุบันเขามีเมันทุก อ, อย่างมันไม่ดีที่เก่าทั้งหมดมาใจเข้ามาครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับพระอาจอารย์ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วแบบอยากจะพิจารณาบ้างอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์ไม่ได้ถ้านั่งสมาธิไม่ให้พิจารณาหมายถึงว่าตอน ออกมาครับพระอาจารย์ออกมาแล้วพิจารณาตายรักไปทุก อ, อย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเอืมอีเช่นแบบเราควรจะแบบนั่งพิจารณาหรือว่าแบบถึงเรลาเดินไปไหนแล้วเราก็พิจารณาไ ด, ไ, ดได้ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้อืมครับได้ยินเสียงก็พิจารณาว่าเสียงนี่ไม่เที่ยงก็ได้แต่มันมันเกิดแล้วก็ดับอะไรใช่ไหมครับถ้าไปอยากให้มันไม่ดับมันก็ทุกข์เลนะ ยินได้ได้ยินเสียงแฟนก็ชอบมีความสุขอยากจะให้มันได้ยินอยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ยินก็ทุกข์ขึ้นมาทีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มันจะไม่ได้ยินเสียงแฟนตลอดเวลาเพราะยานทุกอย่างไม่เที่ยงมีการสิ้นสุดนมไม่ว่าจะดีขนาดไหนมันก็ต้องมีการสิ้นสุดนมไม่ช้าก็เลย ถ้าไม่ไปยึดไปติดก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่สิ้นสุดก็จะทุกข์ น, น, นี่คือการพิจารณาสอนใจอ ย, ย่าไปยึดไปติดกับอะไรเราตามมีตามเกิดเข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับการพิจารณาอย่างเนี้ยเวลาไปเจออะไรพอทุกข์ปั้มแสดงว่าเราไม่เราไม่ได้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วเลือกเลือกที่ละมัดที่ขางครับ ก็เลยทุกเยินพอามได้ยินเสียงคนด่าก็ทุกขึ้นมาแสดงว่าเราเลือกเราเลือกจะเอาแต่เสียงเสียงชมไม่เอาเสียงด่าแต่ถ้าเราไม่ไม่ทุกข์แสดงว่าเสียงด่าก็มันก็เป็นเสียงเราไม่เลือกเรายินดีกับทุกเสียงที่เราได้ยินเราก็ไม่ยึดไม่ติดกับเสียงชมเราก็ไม่ได้ยึดไม่ติดกับความไม่ต้องการเสียงเสียงด่า ครับเราสอนใจว่าใจเรามักจะเลือกใช่ไหมจะรักจะชังเสียงแบบนี้จะรักเสียงแบบนี้จะชังก็จะทุกขึ้นแต่ถ้าเราไม่รักไม่ชังเราก็จะไม่ทุกสอนใจให้อยากไปรักไปชังคับอะไรครับเข้าใจหรือยังเข้าใจครับอาจารย์รรโอเคนะครับครับขอบพระคุณ คุณรรมวันใช่คุณทำมาวันสามเส้ยิงถามอะไรไหมมีเจ้าค่ะคือว่าตั้งแต่โยมตั้งแต่เข้าพรรษาโยมมีอธิษฐานจิตไว้ว่าจะทำนู่นนี่นั่นหมายถึงปฏิบัติธรรมานะคะที่บ้านที่อยู่คนดีเราก็ทำได้ดีมากสํารวมอินทรีย์ได้ดีมากรวมทั้งโกนศีรษะอะไรนี้ด้วยนะคะทีนี้ เมื่อวานอยู่ๆโ ย, ยมก็มันผุดขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะที่สามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเพราะเครื่องแบบหรือเปล่าคือคือรู้สึกเองว่าพอเราโกนผมใส่นุ่งขาวผมนุ่งดำผมขาวแล้วรู้สึกว่าเราเราสมรวมอินทรีย์ได้ดีมากเราเดินด้วยกายคตาสติเราทำอาณาปานาสติอะไรเงี้ยได้ดีหมดเลย อยู่ๆโยมก็คิดมาว่าจะมาถามพระอาจารย์ว่าจะลองไปไว้ผมยาวดูไหมแล้วอยากรู้ว่าเราไปติดรูปแบบหรือเปล่าแล้วถ้าเราไว้ผมยาวแต่ตัวธรรมดาแล้วเราอยากปฏิบัติเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างนี้เจ้าค่ะโยมโยมคิดผิดหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เราเราคิดไปทำไมเราขอให้เราได้ปฏิบัติกนแล้วกันใช่แล้วก็ช่างโพลกั คือจะทดสอบตัวเองนลค่ะว่าเอ้อทดสอบมันเสียเวลามันก็อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วกวทีแล้วเชคนหัวนีคนหัวว่าดีกว่าไม่โกนนะไม่ไง่ายๆแสดงว่าเราไม่ติดผมนะไม่ติดรูปลักษณะของร่างกายเจ้าค่ะถ้าเราไม่ไม่โกนจะแสดงว่าเรายังยังร่างความสวยร่างคำงามของร่างกายยังร่างรักษาตัวนในร่างกาย ตะโกนมั น, สนแสดงว่าเราตัดตัดตา ต, ต, ต, ต, ต, ต, ตัวตัวในร่างกายไปได้ไหลายหลายกิโลแล้วแสดงว่าโยกก็เลือกทางถูกแล้วไม่ไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปทดสอบเนพะราะมันจะแล้วมันทําให้เราการปฏิบัติดีก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมเร็ค่ะแล้วก็อีกเรื่องสิ่งที่เสร็จการปฏิบัติของเราก็ทําไปเลยถ้าคนหัวเล่าถ้าไปอยู่วัดได้ก็ไปเลยอะไรเงี้ยถ้ามันทําให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นก็เอามัน ไม่ต้องไปสงสัยไม่ตํางไปกังวลดูที่ว่ามันช่วยให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นมันได้มากขึ้นทุกปัจจนยเทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะเรื่องเหตุที่สามตั้งแต่เข้าพรรษา ม, มาเนี่ยมัจะไม่ได้ออกไปไหนเลยแทบไม่ได้ออกไปเลยสั่งอาหารในตึกทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมก็ไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากไปแม้แต่วัดไม่อยากใดๆอยากอยู่คนเดียว ไม่อยากพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะโยมโยมเริ่มประหลาดกว่คนอื่นหรือเปล่าคะหรือว่าดีแล้วเจ้าคะ่ะก็ประหลาดแน่นอนแต่มันเป็นประหลาดในทางที่ดีเม่นเป็นปาัาเรามีความสุขมากมีความสุขเจ้าค่ะนั่นแหละก็ทํากานะก็ที่เราทํานี้ก็เพื่อทําให้เรามีความสุขแล้วเป็นความสุขที่ถูกต้องด้วยแลามเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไปพึ่งจะอะไรจากใคร เรามีความสุขในตัวของเราเองเจ้าค่ะแต่คนอื่าคนอื่นเขาเขาเขาต้องไปพึ่งคนอื่นไปพึ่งสิ่งนื่นให้เขามีความสุขแต่เรารู้ว่าแบบนั้นมันเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นของพึ่งไม่ได้ตลอดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่านั่นนะนี่เราก็ทําเราทําถูกแล้วคือเราแบกจากเขาแต่เราเราเหมือนต้องพูดจาออ่าพวายัไงเจ้าค่ะรับมาทประสงค์ มันเป็นวิธีการหาความสุขคนละแบบกันเจ้าค่ะคนอื่นเขาหาความสุขจากรูปสีกลิ่นรสแต่เราหาความสุขจากความสงบจสงเจ้าค่ะดีคือเป็นคำสอนของะเจ้าพระเจ้าบอกความสงบนี่เป็นความสุขขึ้นเหนือ ก, กว่าความสุขตั้งปวงเจ้าค่ะก็ตามถูกทุกอย่างแเราเปกังวลไปคิดให้มันให้มันเป็นปัญหาขึ้นมาทําไม งั้น keep going on แบบเดินไลนะคะ <laughs> <laughs> แต่ถ้าถามว่าเหมือนเขาไม่ เ, เหมือ น, นหรอเพราะมันเป็นวิธีการคนละวิธีการกันเจค่ะ <laughs> แต่ใครก็ไม่เค่อยไม่ค่อยมีใครกล้าถามโยมนะโยมลงจากตึกไปก็เฉยเฉยโยมก็เฉ ย, ย, ก, เฉยก็ไม่ค่อยมีใครกล้ามาถามใดๆเขาก็เห็นไอ้นี่ ใส่ผ้าถุงใส่เสือ้อสีขาวโกนหัวเขาก็เฉยเฉยไม่ได้อะไรไ <ป S 1> เรายมก็ไม่ได้รู้สึกผิดแปลกยมุคนี้สมัยนี้ค่อยก็ไม่ค่อยจะไปยุ่งเกี่ยวกับใครให้เขาลบจิตของการแล้กันเราก็ไม่เคยไปถามว่าทําไมคนใส่องเกงย์ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ <laughs> เขาจะ <laughs> เขาจะเข า, เขาลบจิตของเราเพราะเขไม่มารบกวนประทำเรา และยมก็ไม่รู้สึกใดๆหลังๆนิยมเฉยๆมากรู้สึกสบายใจสบายใจอะไรเงี้ยหรือเ่งั้นก็ keep going ทำเนี่ยดีแล้วนี่แ ห, หละคือวันนี่แหละคือวัดที่แท้จริงวัดนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีโบสถ์มีเจดียวัดที่แท้จริงคือ <c oughs> วัด <c oughs> ท, ท, ท, ที่มีความสงบไม่มีอะไรมาล็อกวนใจเจ้าค่ะวัดที่เอืออต่อการปฏิบัติวัเขององค์ะเจ้าคืออะไ ไต้ต้นโพอย่างนี้ป่าใช่บทดินใต้ต้นโพ ใ, ใช่ท่านนั่หลท่านกา็เป็ความสุขตรงนั้นถ้าไม่มีโบทไม่มีเจดีย์ใช่ไหมใช่แต่ท่านมีธรรมธรรมเกิดขึ้นนะกับวาดแบบนั้นแตถ้าวาดที่มีโบทมีเจดีย์มีคนพวกนั้นมีธรรมมากเกิดที่ไหน น, นั่งสมาธิก็นำไม่ได้เจ้าค่ะงั้นโยมก็อาณาปณสติกายคตาสติแล้วก็ พิจารณาพิจารณาความตายพิจารณาราภขาดเราไม่เที่ยงไม่เชี่ยตัวเราของเราเพื่อปล่อยวางให้ได้เจ้าค่ะเพราะวันนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจ้าค่ะเราจะต้องเราจะต้องไม่ทุกข์กับมันให้ได้นเจ้าค่ะทำมาถูกทางแล้วโยงเจ้าค่ะกลาวขอบคุณเจ้าค่ะนี้เท่านี้เจ้าค่ะที่แรกคือว่าของเราเป็นที่ที่ปฏิบัติธรรมของเรา นอกจากน่านถ้าเราที่ว่าเราต้องการอะไรมากกว่าแบบนี้ที่เราไม่สามารถทํากับตัวทําด้วยตัวเราเองได้เราก็อาจจะต้องไปเพิ่คมครูบาจากที่ไหนต่อมาไปถ้าคิดว่าเรายัางยังไปไม่ถึงดวงดาวแต่ถ้าเราคิว่าเราถึงดวงดาวแล้วก็ไม่ต้องไปเลยเจ้าค่ะถ้าเรามีความอิ่มความพอแล้วก็ไม่ต้องไปไหนก็ได้เจ้าค่ะแต่ทําให้มันเข้มข้นขึน้น ก็แล้วแต่ขอให้เราไม่มีความทุกข์ขณะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าตัดใจแล้วไม่มีความทุกข์แล้วจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้แต่โยมมีเป้าหมายว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วค่ะนั่นสิก็ต้องดูว่าเรายังมีความอยากอยู่บ้าอ๋อถ้าไม่อยากเกิดจริงมันก็เป็นวิภวะตัณหาคือไม่ไม่ไม่ไม่มายถึงว่ามีความอยากอย่างอื่นอยู่บ้างในใจแล้ว ความอยากไม่เกิดนี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นวิภาทาตนาไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเป้าหมายชีวิตใดๆนอกจากนอกจากนอกจากตายแบบมีสติแล้วก็ไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอเจ้าค่ะนั่นคือเป้าหมายชีวิตเจ้าไม่มีความอยากได้หลืออากใคทั้งนั้นใช่ไหมตอนนี้อ๋อไม่มีคจ้าไม่ได้อยากได้ราบยอดสารเสริมอยากไค อ๋อไม่มีแล้วค่ะยอมมียอมเกษียณแล้วแล้วยอมก็มีเงินเหลือน้อยมากที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรใดๆชีวิตเมื่อก่อนเคยฟุ้งเฟ้อนะเจ้าะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีใดๆเพื่อนเพืนก็ไม่ได้คบแล้วอะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวจริงๆแล้วก็ไม่มีการอยากจะไปหาความสุขจากอะไรทั้งนั้นไม่ไม่เลยเจ้าค่ะก็ไม่ต้องเกิดก็แล้วได้อย่างนี้ ไม่ความอยากมีการมาลงก็มไม่มีครับไม่มีเจ้าค่ะไม่มีครับโยมสังเกตดูถ้าจะไม่เกิดนีนต้องไม่มีสังโยชนิสิทธิ์เคยรู้จักสังโยชนิสิทธิ์หมเออฟังเจ้าค่ะฟังรู้จักค่ะฟังจากที่พระอาจารย์พูดในรายการของคุณหมอดูอว่าเราละสังโยชนิสิธิ์ได้หรือันนั้นแหละเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราจะหยุดการเกิดได้หรือไม ห้าข้อแรกน่าจะพอไหวเจ้าค่ะห้าข้อหลังยังไม่ได้เจ้าค่ะก็ต้องทําต่อไปเจ้าค่ะยังมีอตาตัวตนเลยอยู่ในใจยังมีเจ้าค่ะทำให้กัวตัวเองมีแน่นอนต้ถามว่ามาจากไหนถกาเรานั่งสมาธิจิตสงบนี่ตัวตนมันจะหายไปชั่วคราวใช่ไหมหรือแ่คัวันแสดงว่าตัวตนมาจากความคิดปรุงแต่งนั่นเอง เจ้าค่ะเราต้องรู้ทันมันเวลาคิดว่ามีตัวต่อแล้วเขบอกว่าเป็นเพียแต่ความคิดตัวจริงๆมันไม่มีคือเราทําโยมทําได้เป็นขณะขณะแล้วโยมคิดว่าถ้าจะทําได้ตลอดมันเหมือนเอาจุดมาเป็นเส้นปลาต่อต่อต่อต่อตต่อกันมันจะต้องแบบให้เป็นเส้นเส้นให้ได้อย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งโยมยังไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วค่ะออคือจตเราต้องต้องสักแต่ว่ารู้ได้ตลอดเวลา เวลามาอะไรมากระทบเราจากภายนัลด้วยจากภายในก็ใหุ้่้เฉยๆไปเจ้าค่ะสิโยมาถูกทางแล้วนะเจ้าค่ะถูกทางนะขอบพระคุณเจ้าค่ะพ่อพ่อสาธุคุณประวิทย์จาก Dallas, Texas สมานล้วครับพ่อจารย์ครับมีข้อสงสัยนิดนิดสอข้อครับใช่ อการที่เราจะไปสงเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยในสมัยเหมือนกับว่าคนที่ใกล้จะจะตายเนี่ยเข้ามาให้เราเห็นเนี่ยแล้วเราไปบอกญาติพี่น้องเขาให้ไปเยี่ยมก่อนที่เขาจะสิ้นเนี่ยอันนี้เราเป็นการสงเคราะห์เขาเราควรทําหรือไม่ครับก็หนึ่งต้งดูว่าเขาต้องการหรือเปล่า หมายความว่าไงครับคนคนที่ต้องการหมา ย, ยความว่า ค, <จะ S 2> คนาคนที่เราจะไปบอกเขาหรือไงคนที่จะตายเนี่ยเขาต้องาการให้ห ม, ายยามีญาติไปเยี่ยมเขาบางทีกันจะไม่ต้องาการให้ใครไปเยี่ยมก็ได้ล้วเขาส่วน ส, <ะ>ส่วนใหญ่ที่มาก็จะมายืนอยู่ ป, ปลายเตียงให้เห็นซึ่งบางคนไม่เคยนึกถึงเป็นสิบสิบปีเขาก็มาอยู่ที่ ป, ปลายเตียงแล้วก็ ผมก็แค่โทรบอกญาติพี่น้องเขาให้ไปเยี่ยมแล้วเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพอโทรไปทีไรเขาก็บอกโอ้เขาอยู่ในโคมา่าอะไรอย่างงี้บ้างอย่างเงี้ยครับคือคาว่าสงรฆ์นี่คือการให้ความช่วยเหลือเนี่ยเราต้องดูว่าคนที่เราใช้ความช่วยเหลื อ, อเขาต้องการความช่วยเหลื อ, อแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ต้องการอะไรไปสงฆ์เขาเก็อาจจะกลายเป็นการไปทําให้ให้ความทุกขก์กับเขาเวลาถ้าเขาไม่ต้องการ อันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเขาต้องการให้ช่อเหลือหรือเปล่าเพราะว่าบางคนนี่เราไม่เคยเห็นมาเป็นสิบสิบปีเราไม่เคยทำเพื่อว่าทำเพื่อว่าให้ปวิชช่วยไปบอกพี่น้องให้หน่อยเขามาเยี่ยมเราหน่อยอยะไรเงี้ยเราก็ไปบอกขอเขาเงียเเ้ยแล้วแต่เดี๋ยวเราส่งข้อครับแต่เขาอยู่ดีๆเขาไม่ได้มาขอร้องอะไรเราแล้วลเราไปไ ป, ไปเรียกคนทุกคนที่มาเยี่ยมเขานี่บางทีเขาอาจจะไปบอกขอเขามาทําไมไม่ต้องการจะเจอเราเขาอาจจะไม่ต้องการจะเจอใครก็ได้ อ๋อครับครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้แต่ว่าเอ้ยเข้ามาโผล่หน้าอะไรก็มายืนอยู่ปลายเตียงเราแล้วเราพอเราโทรไปอีกวันสอวันเขาก็เสียทุกทีอย่างเงี้ยมันหลายครั้งแล้วครับก็ตอนเราอยู่ที่อเมริกาเขาอยู่ที่ประเทศไทยกันเราก็ไม่เคยนึกคิดเขาแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นผมก็พยายามจะโทรไปบอกญาติพี่น้องเขาหรืออาผมอะไรเงี้ยให้เขาไปเยี่ยมกันก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไรนะพอโทรไปบอกเขาโอ้เขาอยู่ในโคม่ามันเข้าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอก นี่ทําไมมาถึงนี่แล้วก็เราก็สงเคราะห์ไปอันนี้อันนี้ไม่ใช่สงเคราะห์ใช่นี้อันนี้เราไม่ควรทําใช่ไหมครับใช่ไปอาจจะไปไปทํำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการมันก็ไม่ได้เป็นการสงเคราะห์งั้นงั้นทุกครั้งที่เขมาให้เราเห็นเราก็เฉยเฉยว้ให้เรารู้เราก็แค่แผลบุญสวนให้ถามว่าดูแต่ว่าต้องการอะไรเปล่าไม่มันมันเป็นเหมือนกับนี่มันมายืนอยู่ปลายปลายตีนที่อเมริกาตอนนี้ไม่จริงมันคุยกันได้อืม นั่นเป็นนี่ไมจริงถ้าเป็นเป็นกายที่จริจริงไม่คุยกันได้อื๋ออคนที่คนที่เราสามารถคุยได้นี่ก็คือกายที่เข้ามาบางคนก็ก็ก็เคยถามกันก็ว่าใครหรือเปชื่ออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมานี่จะเป็นคนที่เราเคยเห็นรู้จักหรือรู้ชื่อทันทีว่างี้นะอ๋อแล้วมีข้อสองครับการที่เราปฏิบัติรทำเนี่ยทุกเช้าทุก ทุกทุกคืนที่เราสวดมนตไหว้พระเดินจง ก, กลมเนี่ยเราตอนเช้าเนี่ยเราเวลาถึงเรากราบเนี่ยเวลากราบอันสุดท้ายผมผมจะปฏิบัติว่าขอให้ได้ไปกราบองค์พระสมเด็จเจ้าที่พระนิพพานเนี่ยอันนี้เราเป็นการที่เรายึดติดหรือเปล่าครับก็เป็นความปรารถนาของเรานแะสดงความปรารถนาของเราเป้มาแล้วเป็นแค่แค่เป็นการปรารถนาไม่ใช่ยึดติดนะครับ ก็เป็นการปฎถนาแล้วถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่เราปฎถนาแล้วก็ต้องทําทํำสิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นมามอยากจะไปแก<ร>้พระเจ้าที่นิพพานเรวก็ต้องบรรลุนิพพานให้ได้แล้วก็ต้องล้างกิเลสให้หมดไปจากใจนะแต่ว่าโอเคครับไม่ใช่าการยึดติดโอเคเพราะนั้นการเฉยปฎถนะเฉยไม่ทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้ครับก้นที่เราไปถึงจุดนั้นได้เราต้องทําเหตุที่พาเราไปถึงจุดนั้น ก็คือการละกิเลสให้หมดไปจากใจนะความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจหมดก็พยายามครับคุณพ่อมีมีฟาจารย์ดีๆก็ต้องพยายามทําให้ได้ครับอทําไปเดียวก็ได้ความพยายามอยู่ที่ไหนตามสําร็จอีูให้นั่นมีอะไรมากครับขอบขอแค่นี้ครับผมถาเกิใครต่อนะคุณกัน กันชาพัฒนชิญคุณกันชาพัอยู่ที่ไหนเมื่อเสวั์นี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะเหมือนกันคุณกันชาพัฒเปิดไมน์ได้ไหมกลุมซ้ายล่างตไม้ก็ฟังเพแวก่ อ, อีกทีอโอเคจากนักศึการค่ะพระอาจารย์ พอีอยู่กรลสินค่ะอยู่กรลสินแต่ว่าตอนนี้มาเฝ้าไข้คุณแม่อยู่ขอนแก่นค่ะก็ตั้งใจว่าจะมากราบ น, นมัสการพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าตัองดีใจที่มีได้ฟังธรรมพระ อ, อาจารย์มาสักระยะหนึ่งค่ะติดตามทุกช่องทางเลยก็เลยมีมีมีไม่มีความทุกข mm ์ hmm. ในเรื่องที่จะต้องมาดูแลคุณแม่อะค่ะทำใจได้แล้วก็มีสุขใจที่แบบ มีเวลาได้ปฏิบัติทำได้ได้ปฏิบัติเพราะว่าตัวเองเนี่ยสติเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีสติแต่ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะเจริญสติให้ให้มั่นคงก่อนค่ะอาจารย์ดีดีทำไปแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้มากๆจะได้สมาธินั่งไม่ได้เลยค่ะอาจารย์หนูเลยใช้ที่เดินสงกมนวดก่อนก็ได้ได้ค่ะปกติก็จะสวดมนต์นะคะนั่งเสร็จแล้วก็ลองนั่งต่อ อืนั่งได้สักระยะหนึ่งก็หลุดค่ะแต่ว่าก็เลยใช้เดินเดินดจงกรมเป็นแล้วก็พุทโธแล้วก็ก้าค่ะ ใ, ใช้ใช้พิังงานทีท่ก้าค่ะและที่สุดก็ต้องมานั่งเพราะการนั่งมันจะพาให้เราเข้าสู่โมเบิร์าได้เต็มที่สุดขับเได้เต็มที่แล้วค่ะแต่ถ้ายังนั่นไม่ได้กันเลยไปก่อนสวดมันไปก่อนค่ะเพราะว่า เพราะว่าวันนี้ก็คือตั้งใจมากกาศค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ไม่มีคําถามเพราะว่าได้ฟังทำอยู่ประจําแล้วก็ได้คําตอบอยู่เรื่อยค่ะก็มีแค่ว่ามาเพิ่มกําลังใจในการปฏิบัติค่ะอาจารย์ใช่การทำทำก็จะช่วยเราเป็นกำลังใจนะคะครานี้ใช่ไหมจะได้ไปที่ต่อไปนะแต่ทุกคนค่ะคุณโอ้โหเลยเป็นใครเนี่ยคุณอันเดอร คุณ ห, หมทัศนีหรือเปล่าจะเปลี่ยนชื่อไว้ใช่ไหมใช้ชื่อของใครลึกสาวเลยรางสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่ไดีคําถามเจา้าค่ะมาแฟังค่ะใช้ชื่ออะไรเนี่ยโ อ, อ้โหเหรอชื่อเล่นเจาาน้าค่ะพอดีแต่งชค่ออเกค่ะในใบที้คุณ ท, ำทำาํทาธรรมญาธรรมญา อารผิดขอภัยด้วยนะเอ่อกรรนวัตการจ้าค่ะชื่อทายาเจ้าค่ะทายาเอ่อรรเออพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกค่ะพี่สาวแนะนำมายังไม่มีคำถามจ้าค่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นนทบุรีจ้าค่ะนนทบุรีงี้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะเหลืวเกิดคำถามก็าถามได้เจ้าค่ะคุะคณสุภัตราจาก d ด l l ส s ท็กซ s สเหมือนกัน กลาวนมัสการอาจารย์เจ้าค่ะได้เคยเจอตัวคุณปวิดบ้างไหยังไม่ค่ไม่เคยเจอแเ่นาของลูกอยู่ประมาณแบบว่า north dallas นะคะแถวเขต justin พวกนี้นะคะแล้วค่ะก็ยังไม่เคยยังไม่เคยเจออยู่ค่ะแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆกับวัด k คลเลอร์มากกว่าวัดดา l l ลัสเจ้าค่ะนะคะ วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะคุณพ่อเริ่มนั่งสมาธิแล้วโอเคดีมากเจ้ค่ะเมื่อเช้าก็คุยกันก็ค่ะท่านัวปฏิบัติแล้วก็ค่ะก็เ <Okay. S 2> จ, จค่ะวันนี้ไม่มีคําถามงานไปที่คุณประยูต่าคุณประยูต่าคุณประยุนอยู่ที่ไหนปัดไม่ได้เนีครับในมาสการครับพระอาจารย์ครับ ว่าไงมีอะไรไหมไ ม, หไม่มีอยู่ที่จังหวัดน่านครับเหนาวไหมตอนนี้หนาวนะนั่นเย็นครับหนาว<ล>ครับหนาวแล้วครับไม่มีคําถามครับอาจารย์ครับโอเคองนั้นไปที่คุณวรินตาวารินคอท ม, มอเรามาสการครับหลวงพอ่อเออหลวงพ่อการสร้างคุณค่าในชีวิตตัวเองคือทานศีลภาวนาหรือว่ามีมากกว่านั้นครับก็สร้างธรรมชนิดต่างๆขึ้นมา โดยหักก็ทานสินภาวนาเนี่ยก็พอเพียงนะมีทานสินภาวนาก็สร้างเป็นผ้าอาหาได้สร้างป็นผ้าริขิขึ้นมาได้ครับคือตรงอีมันไม่มีค่าหลวงพ่อก็เลยแบบจะรู้ว่ามันไม่ควรคิดแหละแต่ว่ามันควรใช้ปัญญาตัวไหนในการแก้ตรงนี้ครับหลวงพ่อแก้อะไรครรู้สึกว่ด รู้สึกตัวเองมันด้อยค่าตัวเองอย่างเงี้ยการก็เลยก็แสดงว่าเราไม่มีค่าเราก็ต้องสร้างค่าขึ้นมาครับต้องมันทําทานทำบุญทำความดีไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินอย่างเดียวการทำคตามดีทาให้เวลาของเราไปทําประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้เป็นเป็นจิตอาสาก็ได้แล้วไปอให้วิทยาทานไปรดูเด็ก ว, วิชาวิทย า, าศาสตร์ห คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษก็ได้โดยที่ไม่คิดต่างค์มันก็จะทำให้เราตื่สึกเรามีคุณค่าขึ้นมาครับรักษาศีลได้ก็มีคุณค่าคนที่มีรักษาคนที่รักษาศีลได้ก็รักษาความเป็นมนุษย์ได้คนที่รักษาศีลไม่ได้ก็ขาดความเป็นมนุษย์ลงไปกลายเป็นเดรัจฉานไปครับก็แบบ สังเกตเพื่อนตัวเองแบบอยากทําอะไรแล้วแบบอาจจะใช้ตังก็จริงแต่เขาจสามารถทำทันแบบทําธุรกิจก็ทําได้แบบทํานู่นเรียนต่อก็ทําได้คือแบบพอสอบก็สอบผ่านแต่ผมลองทํานู่นทํานี่มันก็แบบเจ๊งกระบงผมก็แบบรู้สึกท้อแท้ตรงนี้อะหลวงพ่อก็เราทําในเส้นที่ไม่ถูกกับเรามันก็ไม่ได้เราเลอกทําในเส้นที่ถูกกับเราเราถนัดอะไรล้วก็ทําในเส้นที่เราถนัดครับ เราไม่มีอะไรถนานเลยลนนเลยลมันก็มีแหละครับแต่มันไม่ใช่ค่อยมันนิยมเท่าไหร่เลยหลวงพ่อืมเหมือนคนมันก็สมัยนี้มันชอบวัดกันที่ตัวเงินวัดกันที่อะไรตั้บสินอย่างนั้นเป็นคุณค่าอย่างนั้นใช่ไหมครับหลวงก็ <c oughs> เราอย่าไปวัดกันแบบนั้นเถิดเราวัดตามที่พระเจ้าให้วัดเลยวัดด้วยความคุณงามความดีคุณงามความดี ววัดด้วยการการไม่กระทําสิ่งที่ไม่ดีเราฆ่าสารหรือเปล่าเรารักทรัพย์หรือเปล่าคนที่ร่ํารวยมห า, าศาลเนี่ยจะรักทรัพย์ของคนอื่นเข้ามา ไ, มได้คอร์รัปชันอย่างนี้ใช่มถ้า อ, อ, อย่างนี้เราถือว่าเขาดีนะเขามีมเขามีเงินเยอะแยะแต่ได้มาโดยวิธีคดโกงนี่มันดีหรือเปล่า ก็ได้ตำแหน่งสูงๆ ม, มาได้โด ว, วิธีคดโกงด้วยการทำวิธีที่ไม่ถูกต้องในีมันดีหรือเปล่าก็ไม่ดีแล้วแล้วเราไปวันนี้ได้ไงเพราะเราไม่รู้ว่ได้มาอย่างไรใช่ไหมคร<อ>ับบางคนเขาก็ได้มาโดวยวิธีถูกต้องก็มีเขาทำความดีไว้แล้ ว, ลวเขาก็ได้ดีได้ดีก็มีแต่นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องอของเรา เรื่องเรื่องของเราคืนเราดูตัวเราของเราพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องวัดเราอยากคเราอยากมาตรฐานยังไงมาวัดว่าไม่ใช่เป็นเครื่องวัดที่แท้จริงของของตัวเราขอข อ, ขอคําพูดที่แบบแบบปัญญาที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีเมื่อกี้หลวงพ่อก็สอนว่ามีสีนะคือเราไม่ทําชั่วอนะันนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าแบบ เออมันเรื่องแบบมันคือแบบเราตั้งใจว่าชีวิตเราอยากทำอะไรหลายๆอยา่างแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้ว่าชีวิตเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายจะตายวันไหนเราก็ไม่รู้ได้แบบมันจะรักษาบาลานซ์ตรงส่วนนี้ยังไงในความคิดในส่วนนี้กับส่วนที่อยากทํานู่นทํำนี่ครับหลวงพ่ อ, อ, อทําไปแล้วแล้เอาไปได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าจะทำอะไรเอาทําเอาในสิ่งที่เร า, เาไปได้ไม่ดีกว่า สิ่งที่ทําแล้วเราไปไม่ได้ทําไปทำไมเวลาตายไงนี้เอาเหมือนไปได้ไปะไม่ได้เอาสินไม่ได้ปะเอาใจที่เป็นทางไปได้ปะใจที่นึเอาใจที่สงบเนี่ยเอาทําเอาในสิ่งที่เราไปได้สิสิ่งที่เราไปไม่ได้ก็อย่าไปทําแล้วมันเสียเวลาได้มาร้อยล้านพันล้านเหมือนล้านเราไปได้ไหมแม้แบาทเดียวไม่ได้ั อาจารย์ไหมรู้จักต้องรู้จักไม่รูว่าเราเนควรจะทำอะไรว่าควรทำอะไ ร, รอะขอบ ค, ครบคุณครับผมโอเคนะานที่คุณมิน้นตอบม้นกลับถึงบ้านแล้วนะกลับถึงว่าแล้วค่ะพระอาจารย์รอะจะได้มาเข้าสูงคุ ณ, <c oughs> คณอนองภาสนะไหมมีน้อภาสนาอยู่ในสชวมนี้ดูไหมคะ่ะ อ, อยู่หน้าแร ก, แรกอยู่หน้าแรก ไม่เห็นคุณหมออ๋อเห็นแล้วคะ่ะคุณหมอภัฒนาใช่ไหมคะเอ่าเดี๋ยวเราลองลองคุยกับคุณหมอก็เดี๋ยวเรื่องหาที่สถ<ข> า, านปฏิบัติครับคุณหมอเขาเป็นเขาเป็นเหมือนกับเป็นคนชาอบสวัสวิสว์นที่น้ำตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าก็จะเห็นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันที่ข้างหลังไหนะ่อยก่อนอ๋อได้เดี๋ยวนเดี๋ยวแชทนะคะอ่าเดี๋ยวค่ะ ค่ะฝาคุณมอเอาคูปองตั๋ว i ก็ได้ค่ะได้ตอนนี้วิมีอะไรไหมก็เหมือนจากเมื่อวานที่ฟังเซสชั่นภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์รู้สึกว่าแบบอุ้ยเราโชคดีมากเลยที่เราฟังภาษาไทยออกเพราะว่าฝรั่งเขาดูดิ้นหลนมาฟังพระอาจารย์มากเลยก็หนูมีคําถามอะค่ะอาจารย์ว่าแบบสมมุติถ้าเรามีความรู้สึกกลัวผีไงคะะอาจารย์จะแก้ยังไงดีคะ กลัวีเหรอก็ต้องไปหาผีเลยเคยเจอผีหรือยังไม่เคยเจอคะ่ะแต่ว่า<ม>เหมือนแบบกลัวแบบนั่งนั่งไปแล้วกสัวผีก็ต้องไปนั่งในป่าชาดลิลจะได้หายกลัว อ, อ๋อคือไปนั่งเลยใช่ไหมคะนั่งั้งแต่ต้องมีมีสติอยุดใจเวลากลัวหยุดความกลัวให้ได้ไม่ต้องเวลามีความกลัวขึ้นมาแล้วก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไป พอใจสงบนิ่งว่าความกลัว ก, ก็หายไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีควา ม, วามกลัวอีกต่อไปถึงแม้เราจะเห็นนี่แหละค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเราเห็นขึ<อ>ข้ น, นะะมเห็นอะไรนีนก่ก็เฉยไม่กลัวแพราะถ้าเป็นกลัวเรามันก็ใช้สติอยู่ได้และพุทโธพุทโธอยู่ได้อืมค่ะอาจารย์แล้วก็ขออีกหนึ่งคำถามขออาจารย์ว่าแบบเอออย่างหนูอยากรู้อย่างอย่างหมอดูอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ที่ที่เขาดูกันยอะไรเงี้ยสมมติเขาบางคนเขาเหมือนเขาบอกว่าดูผ่านกับ ติดสัมผัสอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบเขาดูได้จริงจริงหรือว่าเขาแบบเป็นมั่วๆกันขึ้นมาก็บางคนเขาเขามีมีตาไหน่อยเขาเรียกว่ามีอภิญญาสามารถเห็นเศษบางเศษที่เราคนธรรมดาเห็นไม่ได้เอ็มจะไปว่าเขาจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่ลนะคนอาจจะเป็นของจริงบ้างก็มีของเทียมบ้างก็มี อืมค่ะแต่คือถ้าเกิดเขาใช้ต้องนี้ดูเยอะๆมันก็ไม่ค่อยเอาไปใช้ด้านวิปัสนาไม่ได้นะมันก็เป็นเหมือนกับเป็นความรู้อย่างหนึ่งทางวิชาความรู้ทางวิธทางทางคอมพิวเตอร์ทางความรู้ทางอะไรวิชายอย่างเอาไปให้ธรรมา ก, กินได้แต่มาดับความทุกข์ไม่ได้อืมค่ะอาจารย์ก็ไปสนใจความ ความรูพิเศษเหล่า น, นี้ถึงแม้จะไดจากการนั่งสมาธิก็ไม่ควรที่จะไปสนใจเพราะมันจะทําให้เราหลงแล้วจะทําให้เนำไม่ไปปฏิบัติสมาธิที่เราควรจะปฏิบัติก็คือสมาธิที่นิ่งสงบที่เป็นอุเบกขาอืมค่ะโอเคค่ะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะวันนีโนะ้โอเคนะเดี๋ยวเราลองลองปิดตาคุณหมอดูนะ ตอนนี้นะจะได้ไปที่ท่านหนึ่งต่อคุณกายพิษเชิญคุณกายพิษกลับนำ้ำมันคาับปอาจารย์ครับเออครับมีมีคำถามครับอาจารย์เวลาผมนั่งสมาธินะครับก็ปกติจิตก็มักจะคิดไปนู่นไปนี่น่เงี้ยก็เลยก็เลยมีความเหมือนเป็นกุสโลบายสอนให้จิตว่าเออ คือเวลางานเราเยอะๆมันก็จะมีมาข้างค้างอ่ะ น, นะครับเลยคิดว่าเอถ้าเราตายไปตอนเนี้ยมันก็คงจบอะไรเงี้ยน้อปัญหาทุกอย่างก็เดี๋ยวมันก็คงมีคนไปแก้เองอะไรเงี้ยครับมันก็เออมันก็ทําให้จิตมันได้รวมรวมเร็วอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์ครับตรงนี้นี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นวิปัสสนาเราไม่ไปข้ามขั้นเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับรเขาเรียกว่าปัญญาอบรสมาธิ อ๋อครับใช้ปัญญาทำกลอบใจให้สงบแทนที่จะใช้สติก็ใช้ปัญญาแทนอ๋อครับครับครับก็ ก, ก, ก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนานี่มันต้องเป็นพิจารณาตัวหลักสามตัวคือกายเวทนากับจิตมันจะเป็นวิปัสสนาครับครับอีกอีกคำถามครับอาจารย์ครับ เ อ, เอ้เรื่องอสุภะเนี่ยครับถ้าเราจะเริ่มต้นนี้จะเริ่มต้นยังไงดีครับอาจารย์ครับก็ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามมันก็มีหลายหลายหลา ย, ลา ย, ลายวิธีดูซากศพก็อย่างามเนี่ยก็เวลาปเป็นซากศพนั้นมสวยงามไหมถ้าถ้านางงามจักรวาลตายในวันนี้แล้วเราไปดูร่างกายแล้วตอนที่เป็นซากศพนี่ยมันจะจะน่รักเหมือนตอนที่เขาไม่ได้เป็นซากศพหรือเปล่าครับ ยี่งถ้าปล่อยให้เป็นแบบสมัยโบราณคือปล่อยให้มันเน่าเปื่อยให้มันขึ้นอื่นนี่มันมัมนมันน่าดูไหมนะร่ากายตอนนั้นนัอนคือหลักสุภาษิตน่ากายเดียวกันนะที่สวยที่งามที่หลอ่อที่เหล่เนี้เราไม่มีลหมหายใจเราอำที่ไมนไว้ทักสี่ห้าวันดูเลยดูขึ้นอื่นพอขึ้นมา สมัยก่อนเขาไปเยี่ยมป่าชากันเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ฝังเขาไม่ฝังก็ไม่เผา่งเขาส่งไปทิ้งในป่าชาติแล้วก็มีสัตว์มีแรกมีการมากัดมากกินมีชนะเขาจะได้ไปเห็นสภาพของร่างกายว่ามันตายแล้วเป็นยังไงมันน่ารักน่าดูไหมก็จะเป็นการสอนธรรมะที่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับในสมัยนี้มันหาดูยากเราก็ต้องใช้วิธีอใช้ดูภาพแทนภาพถ่าย เวาคนตายมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆนี่ก็ได้ดูภาพตายของโัวแตกตึงของเมื่อมัตันอยู่เนี่ยหรือไม่เช่นนั้นก็ดูอาการภายใต้ผิวหนังก็ได้ดูอาการ32ดูโครกระดูกดูตับดูไตดูหลังไส้ดูสมองดูปอดอะไรต่างๆเนี่ยหัวใจเอาไว้วมีในตัวเราทุกคนใช่ไหม ครับคบถ้าสมมติว่าผิวเราใสเหมือนถูกพลาสติกในร่างกายเราจะน่าดูไหมคนเราจะน่าดูไหมไม่น่าดูครับแต่เห็นหน้าเรานี่ใสแล้วเห็นกระโหลกศีรษะอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่มันมันจะน่าดูป่ะครับเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาให้ดูให้เห็นต้องทําต้องทําให้ผิวหนัง น, นี่มันใสเหมือนกับถูกพลาสติกแล้วเวลามองเห็นร่างกายจะได้มองทะลุเข้าไปภายใต้ผิวหนังได้ เนี่ยเวลาเห็นหน้ากันเนี่ยเห็นกะโหลกเว้ยไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเห็นแต่ผิวหนักเห็นแต่เห็นแต่ห น, ตหน้ากากาที่คุมกะโหลกอีกทีไว้ใช่ไหมครับนะ น, นี่คือการพิจารณาสุภาษิตให้มองเข้าไปให้หถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามไม่ได้มันจะได้ถ่ายความความการารมณ์ต่างๆครับเห็นตอนนี้เขามีมอเตอร์โชว์เนี่ยมีปิดตองปิตี้เดินอยู่ข้างรถเนี่ย ลองดูสะลุเข้าไปเห็นครอก็เดื่ยืนอยู่ข้างรถได้หรือเปล่า ม, มีไหมนมีครอกกระเดื่ยืนอยู่ข้างรถหรือเปล่ามีใช่ไหมมีครับ แ, แต่มองมไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับมองเห็นแต่ผมยาวๆหนังขาวๆครับเนี่ยพิจารณาเพื่อให้มันมองทะลุเข้าไปมันจะได้ทําลายความสวยงาม ท, ที่ที่หลอกตาเราอยู่ภายนอก ทำให้เรามองไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามที่อยู่ภายในี่คือลักษณะการพิจารณาสุภาพิตอย่างนี้ก็ต้องต้องมองต้องมองคนอื่นมองมองคนอื่นเป็นหลักใช่ไหมครับอาจารย์ครับทั้งเขาทั้งเราด้วยอเรตัวเราก็เหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเราบางที่เราก็หลงที่ว่าเรารูปห่อหน่ า, ห น, าหน้าตาหอ่อเราก็หลงกับความหาล่อของเราเราก็ต้องมองว่ามันหนล่อเราจริงตรงไหน ทางใต้ดูหนังมันหลอกเราไหมเข้ามาดูขลกศีรสะมันหลอกไหมครับก็ดูทำลายความความสวยงามเวลาเห็นร่งางกายตรงไหนสวยงามแล้วก็ต้องปฏิเสธมันให้ได้ว่ามันไม่สวยงามแล้วอืมครับครับครับครับผมในเมือ่อพระพุทธเจ้ า, าบอกพจทธนาทั้งกายของคนอื่นทั้งกายของเราครับผม กับกับขอบพระคุณครับว่าใ น, ในงานพระอาจารย์ครับก็คือตั้งแต่นั่งสมาธิมาก็คือเวลาช่วงนี้อย่างผมมาตอนนี้มาที่เชียงใหม่ผมจบเชียงผมจบมอชอนะครับมีมีอาจารย์คุณครูผมท่านท่านเสียกระทันหันนะครับตายกระทันหันก็แล้วเ ม, เมื่อวานนี้อากูผมก็ตายอย่างเงี้ยนะครับก ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่มันไม่กระทบกับจิตใจเราอะครับอาจารย์ครับก็รู้สึกเออมันมันธรรมดาอะไรเงี้ยครับใช่เพเรามีธรรมะคอยสองเราไว้ล่วงหน้าค่อนครับเราก็เลยไม่ไม่เผลอครับโอเคครับขอบคุณครับหมดคําถามแล้วครับผมโอเคนี่แหละประโยชน์ของการมีธรรมะใช่ไหมทำให้ใจเราไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีธรรมะนี่เราจะมองโลกเพีงข้างคึ้นเดียวมองโลกในส่วนที่เราชอบพอส่วนที่ไม่ชอบปรากฏขึ้นมาเราก็เสีย อ, อกเสียใจทุกข์กันแต่ถ้าเรามีธรรมะธรรมะก็จสอนให้เรามองอีกด้านหนึ่งของโลกเพื่อเวลามัน มันมันโผล่ขึ้นมาเราจะได้ไม่ทุกข์กัมันครับโอเคนะก็จะทําไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับดีใช่คุณหมอหนาทวุตตนาทวุตกรรมนวักกรรมอาจารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้อ๋อครับอ่าพอดีเพื่อกิฟเท่าที่ฟังอ่าผู้สนทนาทำบุกก่อนหน้าครับก็เลยก็เลย อ่า ย, ยังยังมีติดอีกนิดหนึงก็เลยอยากถามอาจารย์นีดครับเที่อาจารย์อาจแนะนําเรื่องการปฏิบัติให้จิตเป็นกลางใช่ไหมครับนะแล้วก็ไม่ไปติดมีอนิจจังนะครับท่านิสจันทรปฏิบัติหลักๆก็คืออ่าเราก็คงพยายามให้เวลาออกมาจากสมาธิก็คือตามรู้เฉยๆเหมือนเหมือนเคยได้ยินเหมือนจะน้นําไหลนิ่งนะก็คืออารมณ์มันก็ก็ไปแต่ว่าเราก็มีฝึกให้มีสติมีปัญญาตามทันแล้วก็คือคือพยายามก็แต่ พยายามรักษาเบกขาไว้เวลาเห็นอะไร ก, ก็เฉยเวลาได้ยินอะไรก็เฉยถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้ปัญญาแล้วใช้สติกลับมาถ้าใช้ปัญญาได้ต่อไปมันก็จะเฉยอย่างถาวรับได้สติมันก็จะเฉยบเแบบขณะที่มีสติพอไม่มีสติมันก็จะไม่เฉยก็คื อ, คอนั่งฝึกสมาธิให้เกิดอุเบกขาแล้วออกมาก็รักษาเบกขาโดยใช้สติ สติใช้ปัญญาตามรู้ให้ถัดแล้วก็รู้แล้วก็วางปากอารมณ์วันนี้ก็ว่าถ้าเป็นอะไรก็แสดงว่าออกประจำโอเบกาคแล้วถ้ายึดไปติดอะไรว่าเป็นของเรานี้ก็ไม่ใช่มันไม่เป็นโอเบกาแล้วครับนะไม่ต้องใช้ปัญญาแล้วยช้สติเป็นกลรคเข้ามาัดที่โอเบกาต่อแล้วมีอิมเปกิมิผู้สัญชาธรรมอีกท่านหนึ่งก็เหอพูดเรื่องการ ไม่เกิดแม่อะไรเงี้อันนี้คือการปฏิบัติไอ้ที่มันชั้นสูงขึ้นไปก็คงคงไปดูว่าเราทุกข์กาอะไรใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าก็ความทุกข์ตอนนี้ก็จะเกิดจากความอยากใช่ไหมันเฉยตลอดเวลาครับนะกบจะเป็นอริยสัจใช่ไหยครับทุกทุกไม่ให้รู้แล้วก็มันก็จะทุกข์จากความอยากพอไปนั่งมันก็อยากแลพอไปชันมันก็อยากครับนะถ้าไม่นั่งไม่ชันมันก็ไม่อยากครับ แการารัารากษาจิตให้เป็นกลางได้ตลอดเวลาก็ไม่เกิดอืมคครรัับบทีนั้นก็ต้องไปพิสูจน์ว่าเร า, ารักษามันเป็นกลางได้ตลอดเวลาแล้วไหมเราจะรักษาได้ในขณะที่ทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่าง ก, กําลังไหลลื่นดีแล้วเรารลองไปดูตอนที่มันไม่ไหลลื่นดีมันมีแต่เหตุการณ์ว่ า, วามุ่นขุ่นวัวขึ้นมาใจเรายังใช้ได้รึเปล่านั่นนะมันต้องมีต้องหาข้อสอบมาทำ เพื่อพิสูจน์ว่าเราใช้ได้ในทุกกรณีหรือเปล่าครับครับถ้าเราอาจจะไปอยู่ในที่ไม่มีข้าวกินทั้งสาวันนี่เรายังใช้ได้หรือเปล่าครับเนื้อไปอยู่ในที่ที่น้ําไปไม่สะดวกอะไรน้อง น, อ น, นี่อัตคัดขัดสนอะไรต่างนี้ครับอย่างที่บอกไปอยู่บนเขาเอย่างนั้นนะครับบนเขาก็อยู่ที่บ้า น, นต่างๆแบบนใช่ไหมครับนะครับ เยังสามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติเหมือนตอนที่เราอยู่ที่บ้านได้เล่าครับเพราะวาถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปพิส <OF DIS> <bases> um, so ูจน <iamo una mama sangre> ์เราก็จะหลงคิดว่าเราทําได้ก็ได้ครับนะยังมีอีกหลายข้อสอบที่ต้องติ๊งติ๊งติดเขากลัวติดอะไรก็ยังต้องเตรียมตัดนะหรือว่าิจรใช่ครับการงานอาจจะถูกมีการปรับปรุงเปลี่ยนแผนปรับปรุงย้ายโยกย้ายอะไรขึ้นมานี่นัด เราจะมาเฉยได้ครับป่ะครับอ่ะซึ่งจะทําให้อย่างนั้นให้เฉยได้ทุกสถานการณ์จะต้องมีสตัวเบรกขายเยอะๆเขาว่าเฉยนี่ก็ไม่ได้มาเขาไม่ให้เราทําอะไรนะเราจะร้องเรียนก็ได้ถ้าเกิดโยกย้ายเราโดยไม่คุม้มเป็นธถ้าเราเห็นว่าไม่เราก็ร้องเดินได้แต่ถ้าแต่ถ้าเราเฉยเราไม่แขร์ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เขาไม่ต้องร้องเดินเพียงสบายใ่ มีต่ำมีต่มเกิดต่ำอยู่ได้คืนติอย่าไปทุกข์กับทุกเหตุการณ์ทุกสถานะครับเขาจะเรื่องเราขึ้นสูงกเรื่องเราลงตับก็ได้นะรือให้อยู่ที่เดิมก็ได้ครับหลักก็เหมือนจับอยู่ไปเป็นอุเบกขาสาจใจเป็นกลางไปใช้สติใช้ปัญญาให้รู้ให้ตัน มันมีการเปลี่ยนแปลง ก, ก็ใช้ปัญญาว่าเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบันดาบดาครับไหมัมนเป็นอนัตลักเราห้ามมันไม่ได้เราก็อยู่กับการเปลี่ยนแปลงไปเรืร่อไม่ทุกกับการอะไรการเปลี่ยนแปลงไม่ทุกกับอะไรทั้งสิ้นอยู่กับมันได้แม้กระทันหนถึงเวลาจะตายก็อยู่กับมันได้อยู่กับคามตายนะ อยู่ใก ah ah ารท้า่าจากกันได้นี่คือข้อสอบของเราทุกเนี่ยทุกข์กับข้อแรกครับพระเจ้าได้ได้ในสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์เนี่ใช่ครับสูญเสียในสิ่งที่เราชอบก็เป็นทุกข์ครับอันนี้เราต้องทําให้หมันไม่ทุกข์ใครได้สูญเสียในสิ่งที่เราชอบก็ไม่ทุกข์ได้ในสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่ทุกข์ครับนี่คือข้อสอบของเรา ว่าเราได้อดเดชคายัางยังแค้จริงหรือมไม่เพื่อได้เฉพาะบางส่วนตรงเวลาครับนั้นการทำให้จิตบริสึกถึงจริงก็ต้องออกไปจากอริยสัจก็คือก็คือทุกมันทุกมก็จะกระจแลมันก็เพื่อออกตามถึงเราฝึกให้มันได้ทุกสถ า, านการณ์มันรูเ้เฉยๆครับนะครับเพราะจริงเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นเหมือนภาพประโยชน์ จิตก็เป็น ค, คนดูภาพยน์คนดูภาพยนตร์ไม่ไม่ไม่ถูกเหตุการณ์ต่างๆบนภาพยนตร์มาทําทําเลยแต่คนก็ไปมีความรู้สึกกับภาพยชน์ใช่ไหมเวลาดูภาพยนตร์ก็ตื่นเต้นตกใจหวาดเสียวดีใจเสียใจไปกับภาพยนตร์ที่เรารเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนกับพันธะภาพยนตร์ของจิตเราใช่ไหมจิตเราก็เป็นเพียงคนดูเท่านี้แต่ไม่ยอมดูเฉย ชอบไปเล่นกับเหตุการณ์ที่เราดูที่เราทําด้วยชอบไปขึ้นไมทีชอบเข้าไปในจอชอบเป็นเล่นกับภาพประโยชน์ที่เราดูครับเป็นอินเตอร์แอคทีฟอินเตอร์แอคทีฟครับครับผมที่ที่จิมันเป็นก็เป็นธาตุรู้จริงท่านทำให้บริสุทิ์ก็คือกลับให้มันเป็นธาตุมันรู้แต่ตอนนี้มันรู้ไม่รู้เฉยๆรู้แล้วมันมันตัวสดใสด้วยสร้างตนสร้างเรื่องเรืาวเขาด้วยเปเล่นกับเหตุการณ์ด้วย ถ้ามีคนดูฟุตบอลแลทอม่ไหวแล้วกระโดดลงไปนั่นเป็นใจเขาด้วยครับก็ไปไปเป็นตัวเป็นตนอารนั้เราต้องกลับไปให้ให้เป็นตัวรู้จตลายคให้ตัวรู้ใจครับครับต้องมีสติกำลังมากปัญญาแล้วกำลังมากอย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหม โอเคนะอา้าใจนะครับเข้าใจครับพาเด็กชาวที่แล้วหรือพาเด็กๆไปตักบาตรไม่มีโอกาสให้ทั้งทายเพราะรับมาดเจ็บก็ต้องเดินต่อครับไดครับเดี๋ยวไปทำปฏิบัติครับพยายามทําให้มันจิตเป็นเป็นเปกิจวัตรได้ก็ดีต่อไปเขาจะได้มีรายติดเป็นนิสัยเข้าไปด้วยครับพยายามฝึกลูกๆให้เขามานั่งสมาธิให้เราก็นั่งแล้วก็แต่หลังเขาโตเขาเริ่มมาตากครับอ่านี้ครับ โอเคนะติขอคุณครับเชิญคุณนิติต่อนิติอยูทย่ที่ไหนคุณนิติจากราชการค่ะกรุงเทพค่ ะ, ะมีอะไรไหมไม่มีค่ะเข้ามาฟังธรรมค่ะแล้วก็มาการาบค่ะโอเคนี่ไปที่ท่านต่อไปคุณพัทธพนคุณพัทธลพนได้ยินไหมไม่อยู่นะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะถ้าไม่รู้สึกว่าไม่ได้เปิดกล้อง เปิดกล้องนะเดี๋ยวนะแล้วไม่มีคนอยู่ในกล้องมีหน้าจอโอเคครับคนต่อไปเลยครับคนสุขสันต์คนอะไรสุขสันต์ใช่ไหมสุขสันต์อาจนรย์ปัดไมคกัอนสุขสันต์มุมซ้ายล่ากดอ่านวิโอเคพูดได้แล้วครับอจารย์ธรรมสการ์ครับผมอยู่ที่ไหน อยู่จังหวัดหนองคายครับพระอาจารย์มีอะไรไหมเอ่ออยากถามเกี่ยวกับเ อ, อการปฏิบัตินะครับพระอาจารย์ครับมีแต่ปฏิบัติแล้วก็ฟังทํา y ำ u ูทูบครับพระอาจารย์แต่ว่าไม่เคยได้ถามครูบาอาจารย์สักครั้งมันหาครูบาอาจารย์ยากครับผมคือสมาธิหรือว่า จิตรวมอะไรนี่ก็ยังไม่แน่ใจครับอาจารย์เพราะว่าเวลาเราปฏิบัติเรานั่งไปปุ๊บจริงๆแล้วจิตมันมันนิ่งแล้วมันลอยลอยอยู่ข้างในตัวเราครับอาจารย์มันพูดยังไงนะคือมันมันไม่ง่วงแล้วก็มันลอยมันเหมือนกับเราใช่ครับมันลอยอยู่ข้างในตัวเราตอนเรานอนก็เห็นตัวเรานอนอยู่ นั่งก็เป็นลอยๆครับแล้วก็เวลาขับรถเพราะว่าผมจะมีแต่พุทโถพุทโธไปอย่างนี้เรื่อยๆครับอาจารย์พุทโถพุทโถแล้วก็มันก็จะลอยเหยียบพวงมาลัยไอเหยียบคันเร่งเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้เหยียบไปนะวืดวืดวืดไปมันเป็นโล่งๆเวลาเดินจงกรมก็ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้อาการมันก็จะหนักตัวพอมัน เดินไปได้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนี่ก็จากที่ปวดเท้าเนี่ยอาจารย์มันก็เบาเบาไบถ้ามีถ้ามี ส, มสติใจมันก็จะเบาตัวก็จะรู้สึกลอยครับแล้วก็แล้วก็เห็นแปลกๆเกีกเ่ยวกับคือนอนอยู่างนี้ก็เห็นแบบเป็นเสียงมาบ้างเป็นอะไรมาบ้างครับอาจารย์ก็ให้รู้เฉยๆหรือว่ามานานแล้วก็มันไปหรือว่าไม่เที่ยง ครับแล้วก็มันใจครับแล้วก็เป็นสภาวะที่เฉยๆครับอาจารย์แล้วก็<ม>จากที่นั่งสมาธินี่ต้องใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีถึงจะมีอาการแบบนี้ก็ต่อมาก็ประมาณสักห้านาทีมันก็พุ่งแสดงว่าสติเร า, าดีขึ้นไหวขึ้นครับแต่ว่าผมก็แต่ก่อนนี้ทําเป็นเวลา คิดว่าทํางานมันทําไม่ได้แต่พอเรามาเอาจริงๆแล้วมันมันไปด้วยกันทั้งงานทั้งงานนี้ได้ครับกบเราเอ อ, อกจากงานปุ๊บเราก็พูดโทรงเงี้ยมันก็เข้ามาแล้วก็ทีนี้ผมผมอยากถามว่าอาการแบบนี้คือเป็นอาการสมาธิไหมครับอาการา<ะ>มีสติอาการมีสติแตไม่สมาธิสมที่สมาธิทีตตตต่ต้องจิตต้องตึงเข้าไปข้างในสงบนิ่งครับเรายึด ยึดเอาตัวนี้ไว้ก่อนใช่<อ>ไหมครับพันฝึกสติไปก่อนแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้มากๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ครับรอาจารย์ไม่ต้องไปอะไรเลยเพราะว่าผมก็ทำแต่อย่างนี้ไว้เรื่อยๆครับรอาจารย์ไม่รู้จะไปถามใครก็มีแต่ดู YouTube แต่ว่ามันไม่ค่อยตรงกับที่ตัวเองเป็นแต่ละครั้งครับรอาจารย์ครับก็มีแต่รักษาศีลตัวเองก็ แต่ละวันก็คิจารณามันขาดไหมมันอะไรไหมเราก็พยายามตัวนี้มากแล้วก็บริกรรมอย่างนี้เรื่อยๆครับพระอาจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเดินโยงกรมก็จะใช้ตอนลูปหลับแล้วก็ใช้ประมาณช่วงดึกครับพระอาจารย์ก็ทําทอย่างนี้ไปก่อนแล้ววันึต้องหาเวลาไปทําให้มันต่อเนื่องทั้งวันแล้วมันหนึ่งจะเข้าสมาธิได้เลยครับครับผม ก็เลยใช้เป็นตอนนี้มันก็ได้แค่สเตจไปค่ับครับพระอาจารย์ครับก็ไม่มีคําถามแล้วครับพระอาจารย์โอเคดีพยายามปฏิบัติไปอยากต่อเน่นก็แล้วกันนะอย่าอย่าอย่าหยุดอย่าลดนะครับผมเพิ่ได้เพิ่มนะแต่อย่าลดครับพระอาจารย์ครับอันนี้ก็ครับพระอาจารย์ครับการที่คนบริสต์นะคนบริสเชื่อคนบริส อยากรายอาจเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามไม่มีคำถามนะคนลุกที่่าสอทันรอมีชื่มาก่าบนการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ลูกี่มีคำถามเหมือนเดิมเจ้าค่ะโอเคพัฒนันดายพัทลันดาพัทลันดายเด็กชายากราบนักการครับ เ, เป็นยังไง มีอะไรไหมวันนี้วันนี้มีคำเด็กไม่ค่อยได้ยินนะพูดดังๆหน่อยได้ไหมวันนี้มีคําถามครับแต่ว่ามาเอ่อจะทำเงิใ น, ในไงไม่ให้ส่งเสียงนอกครับใช้พูดโธยดึงมาไว้ต้องพุดถอพูดถอยพูดถอยไปได้ไน ะ, นะอ๋อครับแล้วก็อัน นิจังนี่คืออะไรล่ะครับอันนิจังก็คือไม่แน่นอนนะคไม่มีอะไรแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในการนิจังอาจารย์ไม่ร่างกายตอนนี่ย น, น, นิจังเลยร่างกายเราโตขึ้นเง่อยๆใช่ไหมรับร่างกายเราว่าปีนี้กับวั น, นี้กับปีที่แล้วเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะใช่ไหม มันใหญ่ขึ้นมัน้ยมันโตขึ้นมัน้ยมันใหญ่ขึ้นอ่านั่นแหละในวารนี้จังมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะพอใจแล้วนะพอใจแล้วโอเคอเคุณ<ค>นพัฒนาต่อพัฒนาให้คนหนุนเน็ตมาเกยพูดอะไรไม่ยากบนะไป ในคนนี้เก่นะลูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนูนี่ก่นก็ได้แล้ววัฒนการค่ะพระคุณเจ้าหนูคุยไปแล้วเจ้าค่ะอูะ ด, ดนนะโอเคจังไม่ได้คัะโอเคอคุ ณ, ณสุฬาธนชาติแล้ววัการพระอาจารย์ค่ะพอดีว่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้นั่งอยู่บนรถตู้ค่ะไม่เขา้าคู่มาถึงกรุงเทพก็เลยเข้ามาการาบพระอาจารย์เจค่ะ ในระหางทางวันนี้ก็มีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการที่บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าสมาธิเอ่อปัญญาไม่ได้เกิดจากการนั่งสมาธิเจา้าค่ะอาจารย์ก็ทําให้เร า, าเข้าใจทํ า, ใ, าให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเจา้าค่ะปัญญากิจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ได้พิจารณาก็คือสังเกตสังเกตแต่ที่คือได้ฟังทำพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็ พอเวเวลาพระอาจารย์วิเคราะห์ธรรมะอะไรให้ท้าให้ฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นสภาวะวันนี้มีความเข้าใจชัดเจนก็จะไปเพียรปฏิบัติให้มากขึ้นเจาาา้าอาวาสท่าได้โอเคเดี๋ไปที่ท่านต่อไปนะคุณมาลีกราบลงพ่อคะ่ะหลวงพ่อคขาจริงๆวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคำถามอะไรแต่ว่า มีนิดนึ่งอะคะอ่ะคือหนูฟังเพศอะคะ่ะแล้วทีนี้พูดถึงพระยัศอะคะ่ะที่ที่บอกว่าบา ร, รมีเต็มแล้วท่านก็บวชบวชได้เลยเป็นประสบความสําเร็จเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าเกิดคนปกติทั่วไปอย่างอย่างอย่างอย่างพวกฆราวาสอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้หรอเขาว่ามัน บารมีเราจะมีขนาดไหนโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็น้อยใช่ไหมคะหลวงพ่อมันมันไม่มีใครวัดบารมีของตนเองได้ว่ามีมากมีน้อยหรอกเพียงแต่รู้ว่าตนเองทําอะไรได้หรืไม่ได้ถึ่นั้งก็คือเราตอนที่เราทำอะไรได้เราก็ทําแล้วมัน ก, ก็จะพาเราก้าวไปเรื่อยๆเหมือนเดินอพอเราเดินก้าวหนึ่งได้เดี๋ยวมันก็เดินก้าวที่สองก้าวที่สาม ตอบไปได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าเรามีบา ร, รมีมากเท่าไหร่ตอนนี้จะบรรลุได้หรือไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ต้องไปกังวลขอให้เราดูว่าเราทํำอะไรได้หรือเปล่าตอนนี้เท่านี้แล้วก็ทำตามได้หรือเปล่าแล้วรักษาสิ่ได้หรือเปล่าเราภาวนาได้หรือเปล่าให้ดูแค่นี้ก่อนทําเต็มที่แล้วหรื อ, อยังใช่ไหมค่ะเออทําได้มากกว่านี้หรือเปล่า ทำทำได้มากกว่า น, นี้ก็เพิ่มมันขึ้นไปนเรื่อยๆจนกระทัมันเต็มตลอด24ชั่วโมงไปเลยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วอีกคำหนึ่งค่ะที่หนูได้ยินอะไรนะพิจนาอาพินอาพินหาอาพินหานปัจเวทขนาดกับกับไตลักษณ์นี่มันแปลว่าความหมายเดียวกันใช่ไหมคะไม่อาพินหานี่สำหรับเวลาพระท่านจะบริโภคปัจจัยสี่ กุญแจหลายพิจารณาเหตุผลของการบาริโภคปัจจัยสิ่เช่นเวลาฉันอาหารกับพิจารณาเพื่อระงับความหิวไม่รับประทานเพื่อความสนุกสนานจัดการปาร์ตี้กันนะตอนนี้ไม่ได้รับประทานเพื่อเสริมสวยความงามของร่างกายรับ ป, ประทานเพื่อดับความหิว หนูหนหนูคิดว่ามันมันเป็นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันก็เป็นมันก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของเหตุผลของเกี่ยวกับการใช้สอยปัจจัยสีเพื่อให้เราไม่เป็นหลงกับกันใช้สอยปัจจัยสีในทางที่ผิดคนในโลกนี้เวลาจะกินนั่นต้องกินแบบสนกษนานเอหายังไงกินคนเดียวเราต้องมีเพื่อนมากินด้วยอะไรับทุกท หลวงพ่อคะแล้วช่วงนี้พอปฏิบัติไปแล้วอะคะ่ะหนูรู้หนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้จะถามหลวงพ่อดี่ไหมคือว่ามันมันรู้สึกลังเกียดกามอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกกลัวะคะ่ะเวลาเราอยู่บ้านกะะ็ก็ต้องเฉยเฉยกับมันไปรักกลับก็มไม่ได้ไปลังเกียดก็ไม่ถูกแค่เฉยเ ให้รู้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันจะผูกให้เราต้องตอบเป็นไม่ตายเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่าไปทํามันนั่นเองแต่ไม่ต้องไปรังเกียจไม่ต้องไปรังเกียจคนที่เขามีพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไ ม, ไม่หนูหมายถึงว่าคู่คู่คองเราที่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกกลายเป็นกลัวไปอะค่ะหล่อนก็แต่ว่าก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์ตรงนั้นแต่มัน มันพอมันไปนึกถึงไอพิจารณาตรงนี้แล้วมันรู้สึกกลัวแล้วก็แล้วถ้ามันกลัวมันก็เป็นเาหรอกไม่ถูกมันต้องใช่เหตุถูกไปกลัวเขาทำไมถ้าคุณอยู่กับเขามาตั้งนานไม่เห็นกลัวเลยค่ะหลวงพ่อกลัวแบบนี้กลัวก็จะมาทํำ้ายเราแล้วกลัวเขาจะมาทำอะไรก็ก็มันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาค่ะหลวงพ่อ แต่ไม่รู้กลัวกลัวพ่ อ, อะไรก ล, กลัวอะไรหมายถึงว่ากลัวว่าเขาจะมีตามกับเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราก็<ร>ต้อง ม, มีแน่ๆเราเป็นคู่ความวมันเขาก็ต้องมแีแต่หนูก็แยกคือแยกเด็ดขาดไปเลยค่ะแต่เรารู้สึกได้ยังไงก็ไม่ได้นีแยกก็ต้องแยกมันไปอยู่ในคนละบ้านมันแยกเด็ดขาด แ ต, แต่ยังแต่ยังไม่ได้อย่ากันยังอยู่ด้วยกันก็ยังก็ก็ยังมีสิทธิ์ในตัวเราย่แต่แต่หนูปฏิเสธตลอดคือมันนานหลายปีแล้วค่ะหลวงพ่อคือกันเลยค่ะหลวงพ่อแต่อยู่ๆมันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาค่ะหลวงพ่อเพราะว่าเรารู้สึกเรารลังเกียดเราพิจาณา ถึงที่หลวงพ่อบอกว่าพิจารณาถึงอสุภานเนี่ยมันมันนึกถึงอดีที่ผ่านมามันไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกกลัวและรังเกียจขึ้นมาค่ะหลวงพ่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่น่าทําไม่น่าปฏิบัติคือมันมองไม่เห็นประโยชน์ของกรมอะค่ะหลวงพ่อก็ดีได้อย่างนี้ก็ดีกลัวแบบนี้ก็ดีไม่ก็ไม่มีโทษอะไรอย่างใดเหมือนกลัวบาปพระเจ้าสอให้เรากลัวบาปแบบเดียวกัน กัวการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปนี่มันมีผลไม่ดีกับจิตใจของเราอันนี้ก็เหมือนกันกลัวการกลัวการมีมีการเสกกลางว่ามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีกับจิตใจของเรากลัวแบบนี้ไม่เสียหายหรอกแต่ไม่ใช่กลัวแบบอยู่กับเขาไม่ได้เจอเขาระหวาดเสียวขึนมากลัวเขาจะมาทําร้ายเราอะไรนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะกลัวกลัวแบบสลงพ่อเทนมาเกีย้น่ะคะ่ะ วันนี้หนูก็มีคำถามใ่ไหนะค่ะหลวงพ่อโอเคสาทุกงนีไปที่คุณคำพีคำพีผ่านตาคำีผ่านใจค่ะค่ะกับนรัตา์พัชจารย์ค่ะมีอะไรนะวันนี้มีคำถามไหมเออพระอาจารย์คะพอปฏิบัติไปมากๆกะค่ะโยมรู้สึกว่า จิตโยมมันมันน่าจะติดความสงบอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดนี่เกือบปีแล้วยมก็เก็บตัวอยู่บ้านนะคะอยู่กับลูกอะค่ะเพราะลูกเรียนออนไลน์อะค่ะพอถึงเวลาลูกออกไปเรียนที่โรงเรียนปกติโยมก็ต้องออกไปด้วยอย่างเงี้ยโยมกลับมีความรู้สึกว่าโยมอยากอยู่บ้านมากกว่ายอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรการติดความสงบก็ไม่เป็นคลิษเป็นภัไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจ แต่เวลาไม่ได้ทำความสงบก็ต้องทำใจว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นเวลาที่เราจะสงบได้แล้วบางบางทีจิตโยมเหมือนกับว่าโยมโยมมีความคิดอะคะ่ะพระอาจารย์ว่าอย่างอย่างลูกโยมอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เป็นลูกโยมทุกชาติอะคะ่ะสามีโยมก็ไม่ได้เป็นสามีโยมทุกชาติบางชาติเขาก็เป็นอย่างอื่นอย่างเนี้ยคะ่ะ อย่างพ่อแม่โยมก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่โยมทุกชาติอย่างเนี้ค่ะเรายมก็รู้สึกว่าบุคคลรอบข้างโยมอ่ะมันเป็นแค่สมมุตินะคะพระอาจารย์มันมันมากันมันมาเจอกันด้วยบุญกับกรรมที่ชักนํามาเจอกันนะคะเรายมก็มีความรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีกิเลสเป็นของตัวมีวิบากกรรมเป็นของตัวแม้กระทั่งตัวโยมก็มีกิเลสมีวิบากกรรมเป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ เราบางครั้งก็เลยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เห็นว่าร่างกายของตัวเองอะ่ะมันมันเหมือนกับอ่าลังลังโลกอะค่ะพระอาจารย์พิจารณาแล้วก็ไม่มีอะไรดีทั้งตัวมีมันเห็นความความแก่ความเจ็บอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เลยปรงว่ามันก็คงใกล้ใกล้ความตายอะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยรู้สึก เออไม่ไม่ไม่ประมาทเรามีความรู้สึกว่าในในชีวิตแต่ละวันเนี่ยโยมโยมอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งโยมก็อยากจะเก็บกุศลให้มันเกิดนะคะ่ะพระจันทร์ก็พยายามพยายามให้จิตตัวเองอยู่ในกองกุศลตลอดนะคะก็กคิดว่าหนึปฏิบัติธรรมกุศลที่ด<บ><ำ>ีที่คือการปฏิบัติธรรมเพื่อลากกิเลสให้หมดไปจากใจค่ะแต่แต่โยมก็ปฏิบัติธรรมแต่ว่าโยมก็ต้อง อ, อยู่ในครัวเรือนคือต้องดูแลลูกทําหน้าที่อย่างเนี้คะ่ะพระอาจารย์แต่โยมก็เวลาอยู่กับสามีโยมก็เป็นภรรยาเวลาโยมอยู่กับลูกโยมก็ทําหน้าที่เป็นแม่อย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์มันก็มีหลายสถานะหน้าที่ให้โยมต้องดงํารงความเป็นหน้าที่ไหวค้ค่ะพระอาจารย์แต่จิตโยมเนี่ยมันมันจับอยู่ในกุศลนะคะพระอาจารย์โยมมีความสุขในการยกจิตที่ไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็ พยายามปฏิบัติธรรมคล้ายๆว่าเราก็พยายามรักษาศีลพยายามเก็บบุญเล็กๆน้อยๆคือให้ให้จิตเรามันอยู่ในในส่วนของกุศลตลอดอย่างเงี้ยค่ะพะจย์อะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งนะคะแต่ว่าวันนี้โยมไปเจอคนหนึ่งเขาเขาเขาเขาเขาเข า, เขาบอกโยมว่าโยมเป็นโมคาโมคาสตีอะค่ะกับการที่โยมทำแบบเนี้ยโยมก็เลยมีความรู้สึกว่า คำว่าโมคฆสติมันมันไม่ใช่สําหรับโยมโยมปฏิบัติธรรมมันไม่น่าเรียกโมคฆสติอะค่ะพระอาจารย์ใช่ ก, ก, ก็เหมือนกันถ้าคนเขาเรียกเราควายแล้วเป็นควายหรือเปล่าถ้าเกิดันเขาอยู่ดีๆเขาบอกเท่นี้เป็นควายเนี้ยแล้ว <c oughs> คุณคุณจะไปเชื่อเราหรือเปล่า่โยมโยมก็เถียงเข้าไปว่าโยม <นะ S 2> ไม่ใช่โมฆสติเพราะโยมปฏิบัติธรรมประธางนั้นน่ะว่าเขาไม่รู้ตัวเราเรา ใครจะมารู้จักตัวเราดิท่ากับตัวเราเองใช่ไหมแล้วบางทีพระอาจารย์โยมเคยค้าขายอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์พอโควิดมาโยมก็ปิดร้านปิดร้านไว้เฉยๆ เ, เลยค่ะพระอาจารย์แล้วใจโยมมันกลับว่ามันมันไม่อยากเป็นผีเฝ้าหลุมค่ะพระอาจารย์จิตมันบอกอย่างนั้นนะค่ะพระอาจารย์มันเหมือนผีเฝ้าหลุมเราไปเฝ้า ทำไมเราอยากเป็นเป็นไทยอยากเอาเวลา8ชั่วโมงของเราที่เราอยู่ตรงนั้นเอา8ชั่วโมงเราไปศึกษาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ยมกับมีความคิดแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ผิดไหมคะไม่ผิดหรอถูกต้องนะอาแค่นี้ก่อนนะยอมนะมีคนรออยู่อาจารย์ค่ะนั่นนี้คะ่ะพระอาจารย์นามสกุลนะทำต่อไปน ะ, ะ, นะคือวันนี้คุณหมอวีเข้ามาเยี่ยมนะหมอเชิญหมอ สวัสดีครับการพอาจารย์ครับมีอะไรไหมอ๋อเมื่อกี้ฟังใน youtube ครับอาจารย์แล้วก็เห็นเพื่อนๆถามคําถามแล้วพอาจารย์ตอบแล้วแบบรู้สึก ล, ลึกซึ้งมากๆเลยครับเลยอยากเข้ามาการาบอาจารย์กันนะครับครับไม่มีคำถา ม, มะ อ, อะไรเลยไม่มีคมรับอาจารย์ครับได้ประโยชน์มากเลยครับพระอาจารย์ครับ <S 2> <S 2> <S <ค>รู้สึกคําถามในนี้เข้มข้นนะครับพระอาจารย์ครับเข<ค>้มข้นกว่าใช่ครับอาจารย์ครับ เป็นผู้ปฏิบัติจริงๆครับอาจารย์ครับวันนี้วันนี้ฟังแล้วถึงใจมากเลยครับอาจารย์ครับโอเคสาธุไม่มีอะไรนะครับไปทันต่อไปนะครับกลับน้องสการครับอาจารย์ครับคุณใครคนณัทธลอันดานายพูดนะคนอินสการ์มามาพวกภูผาลูกไม้ภูผากลับมาสการค์มา นี่ก็พวกปฏิบัติธรรมนะเนี่ยพวกดิ้งปฏิบัติธรรมเนี่ยทำยังไงตนี้ไม่ค่อยดิ้งกลางห้องวัดในห้องห้องหออาหารเลจ้าฝ่ามีคำถามอะไรไหมภูผามุกไหมไม่มีค่ะทำการบ้านเสร็จได้ยังเออเสร็จแล้วค่ะการกำลังเคียดอยู่ กันบ้านแต่ละวันมาเยอะเลยค่ะกันบ้านครูส่งส่งครูส่ง <c oughs> ส, สนุกมากค่ะทุกวิชาครับทันบ้าน้องตาเจ้าขาโยมีคําถามค่ะพอดีว่าพ่อสามีไม่ค่อยสบายช่วงนี้แล้วก็โรคของผู้สูงวัยค่ะก็คือพรุ่งนี้จะต้องไปพบคุณหมอแล้วแล้วก็ทานอะไรไม่ค่อยได้ก็ตอนนี้ที่บ้านก็คือปั่นอาหารเหลวแล้วก็ป้อนอ่า อัลเลกอากงนะคะอากงก็จะอมองอย่างเดียวะคะ่ะแล้วก็มีสะอึกด้วยก็เลยคุณหมอเขาให้แนวทางมาว่ า, าจะให้ใส่ท่ อ, อาสายยางตรงจมูกะคะ่ะจากเจาะหน้าท้องโยงในส่วนตัวของโยมรู้สึกว่าโยมคิดว่าเจาะใส่สายยางอากงเขาใส่ทีษะกเขาไม่เอาเลยขเพขาจา แล้วก็ส่วนเจาะหน้าท้องพี่อาพี่น้องก็เป็นกังวลว่ามันจะแบบเป็นการผ่าตัดแต่พอมาละโกงวายโยมก็ทุนนี้ก็ไปให้คำตบอบทีหมอแล้วก็เลยโยมอยากขอคำเมตตาจากอาจารย์ว่าจับหน่อยได้ไหมว่าโยมคนรไปทาอย่างไรคะถละโกงได้มไหมล่าคงยาวอย่างไรอากงอะเขาใสาศ่ศีรษะเขาไม่เอาเรื่องใส่จมูกเลยคะ่ะแม่เอาก็ไม่เอาทํทำตามใจอากวงเข้าไป อย่อยไปขัดใจครับโกงแต่ว่าตอนนี้เอาโกงผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วว่าค่ะก็ไม่ไม่รู้เรื่องก็ก็ไม่ต้องทําอะไรเราไปตัดสินใจให้อาโกงไม่ได้เราตงแปลเจ้าขาระหว่างใส่จมูกตรงใส่ยางกับตรงเจาะหน้าท้องอันไหนจะทรมานอา ก, กงน้อยสุดคะไม่ใส่ทรมานน้อยทีสุดไม่ใส่ใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องใส่หรอก กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินดีกว่ดีกว่าอยู่แล้วถ้าเรามาให้มันไปเร็วเรดีกว่าให้มันไปตามตามตามเวลาของมันดีกว่าอย่าไปยืมมันไว้เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรลุงการเจ้าค่ะแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้ไปกันที่โรงพยาบาลในที่พี่น้องไปเขอขอคันบุษราโยมก็ไม่ออกคำพิเห็นใช่ไหมคะถ้าเราไว่าถ้าเขาไม่ถามเราเราก็ไม่ต้องบอกความพิเห็นถ้าเขาถามเราแล้วก็บอกว่า ทำไปแล้วมันก็ไม่ได้ทาให้ดีขึ้นก็อย่าทําดีกว่าถ้าทำแล้วหายก็ทําถ้าทำแล้วไม่หายเพียงแต่ยื้อไปเรื่อยๆก็อย่าไปทําให้เสียเวลาดีกว่ า, าแต่ก็แต่ก็ไม่ขัดใจคนหนึงน่งคนหนึ่งอยจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําทไปครับเรามไม่ขัดใจเขาแล้วเรอยากจะให้จับอฉกันเรื่องของเขาก็อยากให้จอบจมูกก็เรื่องของเขาไปแต่ถ้า ตอนแรกโยมคิดว่าอากมคือใส่ศีรษะอากงเคยใส่ครั้งนที่จมูกอากงไม่เอาเลยโยมก็เลยคิดว่าถ้างั้นอะไม่ใส่จมูกเรามาใส่มาเจาะท้องเธอมันรอบแรกแล้วก็เดี๋ยวแผลหายแล้วจะดีขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยว่าจะเสนอทางนี้แต่ถ้าหลวงตาแนะนําว่าไม่ไม่เสนอโยมก็จะไม่เสนออะไรค่ะทั้งนี้เอทางก็ไม่ถามเราก็ไม่ทำพูดอะไปล่อยให้เขาตัดสินใจเองแต่ถ้าเขาให้เราตัดสินใจเราก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรดีกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลย อันนี้คือทรมานน้อยที่สุดครับใช่วิธีทรมานน้อยที่สุดค่ะได้ครับอะไรที่สมันก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมแล้วไปไปยืมมันไปทรมานร่างกายทำไมให้มันทรมานไปตปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ครับแล้วแกก็อายุเก้าสิบกว่าแลก็หลวงตามารัวต้องไปบอกลูกศรรษิษย์ของหลงปู่ชาบอกให้ถอดสายยาออกไม่หมดก็บอกให้ท่านนอนที่น้่นไม่รู้กี่ปีอ พยมก็นึกถึงของ阿妈阿妈ทั้งเจาะท้องทํางอะไรอามาทํางนานมากเลยค่ะกว่าจะไปก็สองปีกว่าไม่ต้ทำลายถอดปล่อยร่างการมันเป็นไ ป, น ป, นปนตามธรรมชาติของมันดีกค่าอย่ไก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้ปล่อยให้มันไปเพราะว่าตอนนี้ก็าทำพยาภาพก็ไม่เห็นจะดีขึ้นอะไรเลยค่ะจะอากกมแบบไม่ตอบแม่อะไรเลยอะค่ะใช่ เหมันเด็กแสดงวมันไม่ไหวเล้ล่ะมันก็เก้าสิบกว่าเข้าไปได้เหมือนเด็กเลยนะตอนนี้นะแต่โยมเหมือนโล่มากค่ะลงตาโยมที่ใจโยมก็นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันโยมก็ส่งบุญไปให้ให้ให้อโกงนะบอกว่าถ้าเป็นได้ก็อยากให้อยู่รักหนึ่งร้อยปีอันนี้ไม่เป็นไรล่ะปรารถนาดีง่ายอยู่แต่อย่าไปอย่าไปขืนธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะนะคะก็เราให้ ลูกก็ทำใจไปใช่ไหมคะออทำใจแล้วทุกคนในที่สุดก็ต้องสิ้นสุดของชีวิตร่างกายทุกคนก็ต้องยุติค่ะช่วงนวงี้พชมก็ต้องพยายามสอนลูกสาธดร่างฐานแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเออมันเป็นเรื่องของธรรมชาติยังไงเราสักวันเราทุกคนก็ต้องไปเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาพิจารณาอย <olis> <c oughs> <c oughs> ู่ okay. ค่ะดีโอเคค่ะก<ต>็คนทรายบายเขาบอก เขาบอกทุกครั้งที่สายบาเนี่ยค่ะค่ะโยมก็รออยู่ว่าจะไปได้เมื่อไหร่ล่ะคะอยากไปอยากไปแล้วค่ะก็ให้มันปลอดภัยก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเกิดอะไรติดเชื่อก็จะสายบาร์ก็ค่ะแต่ว่าอยากไปบาร์ล่ะตาะในอากกาศแล้วนี้ได้บาร์เลยค่ะก็ได้ค่ะโอเคนะ เดๆูดลสองขอให้เราตามอยยืนยาวมิ้งายยี่สิบปีสองพเลยไม่ดีกว่าแล้วสองพเลยสองพันเลยก็ได้นะโอเคสวัสดีจ้าแล้วก็ต้การก็บิวตี้จ้าบิวตี้จากผูกเก็น กราบพระอาจารย์ค่ะใช่ใช่สบัยดีนะค่ะวันนี้มากรับมากราบเฉยๆเจ้าค่ะป๊ป๊ามีไหมค่ะไม่มีนะโอเคค่ะไม่มีเจ้าค่ะยังปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหมก็อาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติเลยเจ้าค่ะโรงแล้เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเจ้าค่ะไ่้เลี้ยงหน่อยนะ แต่ก็เดี๋ยว เ, เดี๋ยวจะเลิกค่ะให้ดูค้าเยอะๆนะขอบพระคุณมากเจ้ า, า, านค่ะเบลี่เนพัฒนาพรบัวศึกเดียวกับนมัสการทศวตากลับมนมนัมสการเุ้า่าหลวงพ่อมีอะไรไหมวันนี้มีอะไรวันนี้เข้ามาฟังเสกครับหลวงตาหลวงพ่อเจ้าค่า รู้สึกอืมช่วงเนี้ยเหมือนปัญญาแบบไม่ค่อยทันเจ้าค่ะยังมีอย่างพอมีกิเลสเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะบบางครั้งก็ต้องฝึกสติให้มากก่อนสติไม่ทันปัญญามันก็เลยมาไม่ทันฝึกสติพุโทโธพุโทโธหยุดความคิดไว้ก่อนเจ้าค่ะเพราะถ้คิ ด, คาาคดทางปัญญาไม่ทันกิเลสตอนนี้ใช้ใช้สติอยู่มก่อนเจ้าค่ะหลวงพ่อ ค <K est ik> ืออย่างเจ้าขาเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ูดโทรไปเรื่อยๆ <S <S หลวงพ่อเจ้าขาแล้วถ้าลูกรู้สึกเหมือนลูกกับเหมือนติดสมถะเยอะเปไ็นติดอะไรยังไม่มีเป็นติด <S <S อะไรไม่มีครับติดความขี้เกียจดีกว่าสมถะขี้เกียจ น, นะเจ้าขาหลวงพ่อ แล้วค่ะเป็นยังไงติดสมถะสมถะเป็นยังไงก็คือถ้ามันสงบมันก็ต้องมันก็ต้องไม่มีปัญหาสิถ้าเป็นสมถะจริงมันก็ต้องไม่มีทุกข์สิก็คื อ, อเหมือนลูกอาจารย์นั่งสมาธิแล้วเหมือนว่างเปล่าอย่างนี้ยส่ไาหลวงพ่อแต่ช่วงนี้ที่ที่ลูกบอกหลวงกาบบอกหลวงพ่อว่าปัญญาเหมือนไม่ทันก็คืออย่าง โอเคบ้านหลังใหม่กําลังกาลังใกล้จะเสร็จแล้วต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาแล้วก็บางทีเราต้องเลือกสีเลือกอะไรอย่างที่ปกติลูกจะวางเฉยไม่ไม่ค่อยออกไปไหนไม่ไม่อยากพบคนอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เราต้องเลือกที่สามีบอกเออตูยต้องเลือกอะไรเงี้ยแล้วพอพอเลือกเสร็จแล้วบางทีพอเลือกสีไปแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วพอกลับมาบ้านแล้วก็ รู้สึกสีไม่ถูกใจแล้วรู้สึกตัวเองไม่จบเนี่ยสุ้าหลวงพ่อเราแล้วลูกก็เอ๊ะอย่างนี้ชัดต้องกลับมาเกิดแน่เลยอย่างเงี้ยเงี้ยลูกคิดถูกใช่ไหมสุขาก็คือเหมือนเหมือนลูกไม่จบอะค่ะเลือกสีไปแล้วแล้วก็ก็กลับมากลับมาบ้านแล้วก็เอ้ยสีที่เราเลือกไปก็ไปยืดไปติดไงอย่าไปยืดไปติดเรื่องแล้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างเพราะว่าอันนี้ เจ้าค่ะหลวงพ่อนี่นี่อันเนี้ยที่ลูกต้องกลับถามหลวงพ่อเจ้าค่ะอปล่อยวางเราทําหน้าที่เรื่องหน้าสวยเขาจะทำตามที่เราเลือกแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คือลูกเราต้องปล่อยวางอ่ปล่อยวางหรือทําบอกก็ได้ให้เขาแก้อะไรแก้เขาเขาไม่แก้ก็อตามมีตามเกิดไปเข้าใจคําาเจ้ค่ะ เจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้ออขอขอขอพอรให้ลูกเป็นผู้มีปัญญาให้ให้ใหอ่าให้ปัญญาในทางธรรมนะเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะการสำมาตถ น, นาสาธุสาธุสาธุาาาการสินใจได้ต<อ>าม ใ, ใจหมายเทิญ อ่าทูสาทูหลวงพ่อเจ้าค่ขาเราก็กำลังจะขายบ้านที่ลอนดอนคอยสำเร็จนะเจ้าขาเออเลยขายเลยเจ้าขาอาทุซาทูคุณชรินทรนมาสุดท้ายแล้วเนี่ยชรินทร์จาแมริแลนการมาสการเจ้าขาโยมาสายค่ะมารายงานด่วม่สายพอดีกำลังจะปิดกาลังจะปิดพอดี ยัไม่มีคําถามค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคําถามอะไรเลยค่ะวันนี้คนยิบเข้ามาก่อนเพื่อนเลยเนี่ยตั้งเข้ามาแล้วแต่แตลงอค่ะดีแล้วค่ะวันนี้เข้ามากับพระอาจารย์เฉยค่ะมาขอกําลังใจจะได้ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะเผื่อเขาน่าจะมีคําถามใช่พยายามอย่างนี้นะคํามจำแบบนี้นะค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าหยุดย่าเลิกเนทำไปเรื่อยๆไม่หยุดค่ะไม่หยุดแต่ว่ามัน ค่ะพระอาจารย์กล่าวขอบพระคุณค่ะเก็บเล็กะสมน้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มากขึ้นไปเองนะทำไปเรื่อยๆค่ะโอเคสาธุทีนี้ก็ไปที่ทางเฟซบุ๊กต่อเลยคุณจุ๊บค่ะเจอค่ะคืนนี้มีทั้งหมดตอนนี้เข้ามา13คำถามค่ะคำถามแรกค่ะคาถามแรกค่ะจากคุณกัญยรัตน์ค่ะขอเรียนถามหลวงพ่อค่ะ ว่านั่งฟังธรรมสามารถบรรลุธรรมได้หมายความว่าอย่างไรคะก็ดับกิเลสได้ก็บรรลุธรรมได้ฟังแล้วเข้าใจว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วก็แล้วก็หยุดมันได้ต่อไป น, นี้ไม่โลภแล้วไม่ไม่รัดไม่ชัง่งไม่กลัวไม่หลงกนะ็บรรลุคํามไถามต่อไปจากคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจคะ่ะ เวลาตื่นนอนเราจะทําสมาธิภาวนาทันทีโดยอานาปนาสติแต่เพราะเหตุใดมันไม่ค่อยสงบเลยมักถึงมักนึกถึงเรื่องที่ฝานที่ฝันมาครับขอพระอาจารย์ช่วยแนะนํำหน่อยครับสติเราไม่ดี น, นั่นเองสติเรามีกําลังน้อยไม่สามารถบังคับให้ใจอยู่กับกับลมนึ่งกับพุทโธได้มันก็วาไปคิดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องพยายามฝึกสติให้มากอย่ามาฝึกเฉพาเวลานั่งสมาธิท่านั้น ต้องฝูกตลอดเวลาตั้งแต่เป็นขึ้นมาจนหลักเ่คำถามต่อไปจะคุณใบ้ในกำ ม, มือค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าโยมยังรักษาสีลห้าได้ไม่ครบขาดข้อที่หนึ่งคือการฆ่ามดแมลงการปฏิบัติสมาธิจะมีโอกาสก้าวหน้าหรือไม่คะถ้าเราพยายามปฏิบัติสมาธิจะทำให้เรามีจิตเมตตามากขึ้นหรือไม่คะ มีถ้าจิตเราสงบมากขึ้นความไม่ตาก็จะมีมากขึ้นตามมาดัง้นจะสบงบไม่สงบนี่มันอยู่ที่กําลังของสติไม่ได้อยู่ที่สีดังนั้นถ้าเรามีสติมากมันก็สงบได้ถึงแม้ว่าสีวอาเราอย่างจะไม่บริสุทธิ์น้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามคำถามต่อไปจะคุณขนมหวานค่ะผมมีข้อสงสัยมานานมากอยากจะกรา ถามพระคุณเจ้าครับครั้งหนึ่งกับผมนั่งสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรได้ยินแต่เสียงพุทโธของตัวผมเองและรู้อัตโลมัติต่อไปว่าเราจะไม่มีความคิดจะไม่มีตัวตนและผมกลวมากมากแต่ก็เข้าไปไม่รู้ว่าเข้านานเท่าไหร่แต่ก็ออกมาเหมือนจิตตกลงสัก3ามครั้งจึงลืมตาอย่างนี้เรียกว่าสมาธิอะไรครับ ก็สมาธิอย่างที่คุณเป็นนั่นแหละไรูเหมือนกันว่าจะเรียกว่าสมาธิอะไรนี่ขอให้มันมีความสงบถือว่าเป็นสมาธิก็แล้วป็นคำถามต่อไปจากคุณนวัดค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์ อ, อธิบายว่าสมาธิตามสมาธิแค่ใจสงบและสบายอย่างเดียวขอความเห็นว่าพระอาจารย์มองว่าเป็นอย่างไรค่ะ ก็ถูกแล้วไงการทําสมาธิก็เพื่อทําใจให้สงบให้สบายแต่มันไม่ได้เป็นความสงบสบายที่ถาวรเท่านั้นเองถ้ตาต้องการทําใจให้สงบสบายอย่างถาวรเราก็ต้องก้าวขึ้นไปขั้นขั้นปัญญาใช้ปัญญามาทําใจให้สงบแล้วมันจะเป็นสงบอย่างถาวรถ้าใช้ปัญญา คำถามต่อไปจากคุณผงค่ะขอรบกวนพระอาจารย์อธิบายเรื่องฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าครับผมก็เป็นเวลาสมัยโบราณสมัยพกาธใาลเขาไม่มียาแบบไม่มียาแบบสมัยใหม่ไม่มีโรงงานผลิยาเขาก็เลยใช้วิธีเอาเอาสมอนี้มาดองด้วยด้วยน้ำปัสสาวะเพว่าน้ำปัสสาวะมันก็ดองก็เลยเน่า มันนนกก็็าายยเปยขึ้คำถามต่อไปจากคุณนักคารินราค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีเรื่องสอบถามครับโลกใบนี้ใครเป็นผู้สร้างแล้วสร้างมาทําไมครับพระอาจารย์ครับผมสงสัยมานานแล้วว่าพระผู้สร้างต้องการอะไรครับไม่มีผู้สร้างมันธรรมชาติสร้างมาขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยที่มันที่มันมีพลังที่มีผลต่อกัน คือพลังทั้งหกคือดินน้ำลมไฟแล้วก็อากาศาธาตุกับธาตุนู้เนี่ยมันมันเป็นตัวที่มีพลังที่สามารถเมื่อมันมีมีมีเหตุมีปัจจัยมันก็ทําให้มันสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วในขระาษเดียวกันมันก็ทําลายสิ่งต่างๆในที่สุดเพราะสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นมาในที่สุดมันก็จะถูกทำลายกลับไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ในวยพลังของของของทตั้งหกนี่เป็นผู้สร้างไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีพระเจ้าใครมาสร้างคําถามต่อไปจากคุณซางค่ะรบกวนเรียนถามพระอาจารย์ครับว่านั่งสมาธิแล้วนิ่งจนหลับจะแก้ไขยอย่างไรดีครับก็ลุกขึ้นมาเดินท้ามันหลับเพรา่าเป็นท่านั่งเปท่าเดินไปก่อนเดินจนกระทั่งไม่ม่วไม่หลับแล้วค่อยขับมองมันั่งห ต้องพยายามสร้างสติให้มากขึ้นไปแล้วถ้าลดกินอาหารได้กินอาหารให้น้อยลงไปได้ก็จะช่วยได้บางทีกินอาหารมากมันก็ทําให้ง่วงได้ง่วงนอนได้ง่ายเราลองลดอาหารดูลดแลกินให้มันน้อยลงไปในวิธีหนึ่งก็ไปนั่งในที่ที่มันน่ากลัวเช่นไปนั่งในป่าชาย่าี้ยมันก็จะไม่หลับนะ คำถามต่อไปจะคุณ Time Traveler ค่ะกรั บ, บนามัสการครับตัวสติเป็นสภาวะธรรม hai. มีมามีไปแต่เมื่อเห็นรู้จักสภาวะธรรมตามความเป็นจริงขึงข้นมากขึ้นแล้วจิตสติมั่นคงขึ้นสว่างเย็นรู้ตื่นเบิก บ, บานมากขึ้นเป็นอยู่เป็นปกติอย่างนี้จะติดอุปชาอรูปชาหรือเปล่าครับก็อยู่ที่เราถ้าเราถ้าเราติดก็ติดถ้าเราไม่ติดก็ไม่ติด ถ้าเราไมว่าเราติดแล้วพยายามไปติดนะคำถามต่อไปจะคุณอรณิชาค่ะกราระอาจารย์ค่ะหนูขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ หนูและลูกชอบซื้อปลาหน้าเขียงไปปล่อยและเมื่อหนูได้ยินใครพูดว่าจะไปตกปลาหนูจะรู้สึกสงสารปลาทุกครั้งและหนูขอเขาว่าอย่าไปตกปลาเลยค่ะสงสารเขาส่วนมากคนที่หนูขอเขาไม่ให้ไปตกปลาเขาก็จะบอกว่าไม่ไปตกแล้วหนูก็จะรู้สึกนึกว่าปลาปลอดภัยแล้วนะแบบนี้หนูทำถูกแล้วใช่ไหมเจ้าคะ่ะน็ยิงไม่ถูกแบบมันเรื่องของคนอื่นเขาเขาจะทำอะไร บางทีเราก็ขอเข้าได้บางทีเราก็ขอก็ไม่ได้ถ้าเราไปขอแล้วเราก็ไม่ทำตามเราเราก็จะเสียใจแล้วก็จะทุกข์นั่นเราความจริงเราคนจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอยว่าคือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ย่อมต้องมารับผลกรรมทิศของตนนี้ได้ัำมาไว้นั่นถ้าเกิดมาเพื่อให้เขาฆ่าก็าาต้องถูกเ่าฆ่าอดีตอดีตอาจจะเคยไปฆ่าเขามาก่อน มาเกิดครั้งนี้ก็ต้อมาเกิดเป็นเป็นสัตว์ที่ให้คนนี่นเขาฆ่ า, าแต่ให้มีความเมตตาได้ให้มีความเมตตาไม่อยากให้สัตว์ทั้งหลายต้องถูกฆ่านี่แต่มันต้องเป็นความคิดภายจิตเราแล้วก็ต้องดูตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามเป็นจริงแล้วมันก็เป็นเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการฆ่ากัานเพราะในป็นโลกของผลประโยชน์ ผู้ที่ตางการประโยชน์เขาเก็จะไม่สนใจว่าเขาต้องฆ่าใายเพื่อให้เขาได้ผลประโยชน์เเราก็ต้องทําใจยอมรับกับสภาพะความเป็นจริงว่าสารแต่ละชนิที่มาเกิดนี่ก็มีกรรมติดตัวมาแล้วต้องมาใช้กรรของตนเองไปบลักตัวก็ถูกเขาฆ่าหลงตัวก็ไม่ถูกฆ่าตายโดยธรรมชาติก็มี คำถามต่อไปจะคุณพิชัยค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตของแต่ละคนพอตายไปแล้วเมื่อไปอยู่พบต่างๆต่อไปคือจิตดวงเดิมก่อนตายหรือเป็นจิตดวงใหม่คนละดวงกับดวงเดิมดวงเดียวกันดวงเดียวกั น, กนจิตไม่มีเปลี่ยนดวงแต่เปลี่ยนสภาพในจิตได้จิตจะเป็นจิตที่ศักก็ได้จิตจะเป็นจิตที่ทุกข์ก็ได้แต่เป็นจิตตัวเดียวกันคำถามต่อไปจะคุณดารกูลค่ะ กรับนมรสการพระอาจารย์ครับทุกเกิดจากอะไรครับทุกเกิดจากความอยากพระจ้บอกเกิดจากความอยากสามอันนี้คือความอยากในกลามเวลาอยากเที่ยวแล้ไม่ได้เที่ยวก็ทุกข์แล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยพอไม่รวยก็ทุกข์แล้วเกิดจากความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีโรคภัยแค่เจ็บพอมีโรคภัยแข้เจ็บขึ้นมาก็ทุกข์ ถ้าไม่มีความอยากนี้เวลามีการรูปหายง่้เจ็บก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากไปเที่ยวเวลาไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้อยากรวยถ้าไม่รวยก็ไม่ทุกข์นั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากคำถามต่อไปจากคุณเพชรกี่นอนค่ะกลับน้มัสการพระอาจารย์ขอโอกาสเจ้าค่ะช่วงวัยเรียนลูกนั่งรถเมย์ไปเรียนหนังสือจนสุดท้ายประมาณสองชั่วโมงลูกมักจะนั่งสมาธิไปด้วย มีครั้งหนึ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยพุทโธจนพุทโธหายไปปรากฏแสงสีทองสว่างขึ้นมาในกายเบาเหมือนลูกโป่งไม่มีอวัยวะภายในมีแต่เส้นรูปกายสภาวะนี้จิตนิ่งอยู่สักพักก็เกิดอาการตกใจและต่อไปไม่ได้จึงออกจากสมาธิทันทีลูกรู้สึกปิติจนถึงวันนี้จำสภาวะนั้นได้อยู่พอมามีครอบครัวมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นการภาวนาก็หยุดไป ตอนนี้ลูกเริ่มกษียนแล้วก็มาสวดมนต์ภาวนาใหม่หลายปีแต่ยังไม่มีสภาวะเช่นนี้ขึ้นอีกเลยขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะส่วนหนึ่งก็เกิดเพราะว่าเวลาเรานั่งเราอยากจะได้สภาวะนั้นมันก็จะไม่ได้เวลาเรานั่งเราอยากไปอยากได้สภาวะนั้นนั่งไปแล้วก็ทำหน้าที่ดูงมไปนึกพุโทโธไปเพียอยเียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้สภาวะนั้นใหม่แต่อะนั่งแล้วไปนั่งคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ทันที ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ได้คำถามสุดท้ายจากคุณอนุวัต์ค่ะแบ่งเป็นสองคำถามนะคะกราบนมัสการครับถ้าเราถือศีลห้าฝึกสติและปัญญาบ้างอาจจะไม่ได้ทำตลอดเวลาแต่สม่ำเสมอการที่เราสวดมนต์หรือคาถาบทต่างๆเช่นรัตนสูตรอตาตนาติยปริชินบัญชรแบบนี้มีผลชีวิตอย่างไรบ้างครับแล้วจริงๆเราได้อะไรจากการสวดมนต์เยอะๆทุกวันครับ เพื่อทำให้จิตใจเราเบาจิตใจเราเย็นทำให้เรามีสติสตังที่เราสามารถควบคุมมโนน์ต่างๆได้ตามกําลังของสติของเราและ ม, มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่เราจะได้ไม่ได้และเราจําเป็นจะต้องรู้ความหมายของบทที่เราสวดทุกบทไหมครับถ้าเรารู้กคดีมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจเราก็จะได้ความรู้ได้ปัญญา ถ้าถ้าไม่รู้ก็ไม่ไม่เสียหายอะไรเราก็จะได้สติอย่างเดียวถ้าเราเขาได้ความเข้าใจความหมายแล้วก็จะได้ปัญญาด้วยได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาด้วยค่ะเรื่องการนั่งสมาธิครับเวลานั่งสมาธิไปสักพักและรู้สึกเหมือนมีอาการหลับไปไม่รู้สึกตัวแต่ยังมีสติยังมีตัวรู้ ความคิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งต่างจากการหลับปกติเพราะเวลาคนเราหลับปกติจะไม่รู้สึกทั้งตัวและความคิดแบบนี้เรียกว่าอาการอะไรครับก็อาการที่จิตเข้าสู่ความสงบมีความรู้สึกมีรู้ตัวแจิตวา่างจิตเย็นจิตสบายจิตไม่คิดอะไรเรียกว่าอาการของสมาธิคำถามหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วนะเวลาก็หมดพอดีสำหรับคืนนี้ก็เลยต้องขอลา